ผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องการเลี้ยงผีบ้างไหมครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนานหลายปีแล้วเป็นสิบๆปีนะครับคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยชื่อคุณยายอบเฉยตอนที่ท่านเล่าเนี่ยอายุเก้าสิบสี่ปีแล้วตอนนั้น คือเรื่องมีอยู่ว่าผู้ใหญ่ตาดซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลคูบัวจังหวัดราชบุรีจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวคนเดียวของแกกับเจ้าบ่าวในตัวจังหวัดคือเจ้าบ่าวเป็นคนอยู่ในตัวเมืองในงานคราวนี้ผู้ใหญ่ตาดก็จัดให้มีมหรสพหลายอย่างเช่นลิเกหนังตะลุงรำวงแล้วก็หมอลำโดยเฉพาะหมอลำในชาวบ้านชอบมากแล้วก็เป็นหมอลำมาจากอีสานด้วยก็มีสาวสวยชื่อคําบง เป็นดาราชูโรงเสียงลำของเธอในแสนจะไพเราะทั้งท่วงท่าร่ายรำก็งดงามคนก็มาดูกันเยอะมากกว่ามหรสศพอย่างอื่นแม่คำบงก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนท้ายเพลงเธอก็ร้องต่อด้วยคำร้องที่ชัดเจนว่าพ่อแม่พี่น้องเจ้าขาตัวข้าจะบอกให้ถ้าพ่อแม่อยากจะได้ผีดั้งผีเดิมเอาไว้เพิ่มภูนเงินทอง พ่อแม่พี่น้องรีบมาจับจองเอาไปไม่ช้าก็จะรวยมีลูกสาวก็จะสวยร่ำรวยลูกเขยรีบเร่งเข้ามาอย่าช้าอยู่เลยเสียเพียงแค่ห้าสตังระวังก็ง่ายเลี้ยงก็สบายเชิญมาลองดูเชิญจ้าเชิญจ้าสาวคำบงก็ร้องโฆษณาไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งหมอลำเลิกสแสดงชาวบ้านก็พากันมาซื้อผีดั้งผีเดิมกันหลายราย ราคาขายนี่หม้อละห้าสตังค์หม้อดินนะครับแต่ละหม้อที่ผู้ซื้อไปนี่แม่คำบงนี่ก็จะใช้เชือกสายสินผูกรอบปากหม้อตรงปลายสายสินจะผูกสตังค์แดงหนึ่งสตังค์แล้วก็ห้สตังค์แดงไว้ในหม้อดินนั้นในจำนวนผู้ที่ขอซื้อผีดั้งผีเดิมไปหลายรายวันนั้นก็มีแม่อิ่มลูกสาวคนเดียวของตะกรัมขี้เมา สาเหตุที่แม่อิ่มจำต้องซื้อผีดั่งผีเดิมไปเลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่าเธอเกิดมาเป็นคนที่เรแถมผิวยังค่อนข้างจะดำซะอีกฐานะก็ยากจนก็ตัดสินใจซื้อผีดั่งผีเดิมเอามาเลี้ยงจะได้ช่วยให้เธอกับพ่อมีฐานะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเธอก็อยากจะเป็นคนสวยที่มีผู้ชายมารุมจีบกันเยอะ เธอก็เอาหม้อที่ใส่ผีด่างผีเดิมเนี่ยไปแอบแขวนไว้ข้างเสาใต้ถุนบ้านไม่ให้พ่อรู้แต่ก็คิดว่าตะกรัมก็คงไม่มีวันได้รับรู้หรอกเพราะว่าทุกวันเนี่ยแกจะออกไปช่วยเพื่อนบ้านทำงานพอตกเย็นแกก็จะเดินโซซัสโซเซกลับมาอพอถึงบ้านบางทีก็ไม่ได้กินข้าวแก เ, เมาหลับอยู่ที่จานข้าวนั่นแหละแล้วก็ยังดีที่แกไม่ค่อยพูดบ่นมากแกจะพึมพำพึมพำอยู่สักพักแล้วก็หลับดีไปอย่าง ส่วนแม่อิ่มนั้นตั้งแต่แม่เธอตายเธอก็ต้องดูแลช่วยเหลือพ่อมาตลอดยิ่งตอนนี้มีของดีแอบซ่อนไว้ใตถุนบ้านก็ยิ่งพยายามแต่งตัวเต็มที่เท่าที่คนจนจะมีได้ล่ะทุกเช้าพอพ่อออกจากบ้านไปแม่อิ่มนี่ก็จะเอาอาหารที่มีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่อย่างละสองฟองน้ำหนึ่งแก้วนำไปสังเวยผีดังผีเดิมอยู่เสมอ จนเวลาผ่านไปปีกว่าผู้คนที่เดินผ่านไปมาทางหน้าบ้านแม่อิ่มก็มักจะมองเห็นในบ้านแม่อิ่มเนีมีแขกมาเยือนแทบทุวันทั้งหนุ่มทั้งแก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่อิ่มไม่ใช่อีอิ่มคนเดิมแล้วน้องอิ่มนี่มีฐานะดีขึ้นยังไม่น่าเชื่อแล้วคนขีเรเมื่อก่อนนั้นตอนนี้ดูนวลผ่องผิวพรรณขาวนวลรูปร่างดี พวกมดแดงวัยต่างๆในหมู่บ้านต่างหมู่บ้านก็มาเยี่ยมไกลกันอยู่เรื่อยแต่ว่าแม่อิ่มก็ไม่สนใจใครจนกระทั่งตะกรมซึ่งเป็นพ่อนี่เกิดมาตายด้วยอุบัติเหตุคราวนี้แม่อิ่มต้องอยู่บ้านคนเดียวก็คงจะว้าเวอ่าหลังจากที่พ่อตายไปสักปีทุกวันจะมีหนุ่มมีแกพากันมาคุยเป็นเพื่อนแก้งเหงาเสมอจนกระทั่งวันหนึ่งตอนบ่าย ขณะที่ทั้งหนุ่มทั้งแกกำลังนั่งร้อมรอบแม่อิ่มเหมือนกับดาวล้อมเดือนอยู่บนบ้านหนุ่มใหญ่คนหนึ่งรูปร่างสงา่าผ่าเผยหน้าตาดีแต่งตัวชุดข้าราชการพลเรือนก็เดินเข้ามาที่บ้านแม่อิ่มแม่อิ่มพอหันไปเห็นผู้ชายค น, คนที่ว่านี่ก็ดีใจรีบลุกขึ้นจากท่านั่งแล้วก็ก้าวข้ามพวกหนุ่มพวกแกที่ล้อมวงแล้วแทบจะเหยียบเอาอผู้ชายคนนี้ชื่อวิชยัย เธอเข้าไปจูงมือหนุ่มใหญ่เข้ามานั่งในบ้านอะแล้วก็หาน้ำมาให้กินก็หันไปบอกเพื่อนบ้านทั้งหนุ่มทั้งแกบอกว่าเอ่อนี่พี่วิชัยผัวฉันเองอะ่ะเขาทําราชการอยู่ในเมืองเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่กับฉันที่บ้านนี้ตั้งแต่วันนี้ละ่ะทุกคนรับรู้ไว้ด้วยนะพอเธอพูดจบพวกหน้าอ่อนหน้าแก่ทั้งหลายนั่งนิ่งเลยนึกไม่ถึงว่าเอ๊อเราเฝ้าอยู่ทุกวั น, น ย, ยังไงวะเนี่ยไอ้หนุ่มนี่มาวันเดียวมาเป็นผัวแม่อิ่มแบบนแล้ว ตางก็พากันลากลับตั้งแต่แม่อิ่มได้ผัวมาอยู่ด้วยกันก็เฝ้าปรนิบัติผัวทุกอย่างไม่เคยห่างส่วนนายวิชัยผัวเธอไปทํางานเช้าพอเย็นก็กลับมาอยู่กับเมียที่บ้านแต่ก็มีบางคืนที่ต้องเข้าเวร น, นอนที่ทํางานทั้งสองก็ครองรักกันมาอย่างมีความสุขจนกระทั่งนางอิ่มนี่ตั้งครันได้เจ็ดเดือนกว่าตอนนี้นายวิชัยเริ่มห่างเหินมากขึ้นบางทีก็ค้างในเมืองห้าหกคืนกลับมาค้างเพียง คืนสองคืนบางครั้งก็ไม่มาค้างเลยทั้งอาทิตย์พอนางอิ่มครบกําหนดคลอดลูกเธอก็ต้องพาตัวเองไปทําคลอดที่บ้านหมอตําแยคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงนายวิชัยผัวเธอมาดูลูกแค่ครั้งเดียวแล้งเงียบหายไปเป็นเดือนวันนึงนางอิ่มว่าเข้าไปสืบดูในเมืองถึงได้รู้แน่ชัดว่านายวิชัยผัวรักนี่แอบไปมีเมียใหมแ่แล้วแล้วก็กํากลังจะมีลูกด้วยกันนางอิ่มก็นึกแค้นใจแล้งหมดกําลังใจในชีวิตคู่ ก็ตัดสินใจกลับบ้านแล้วก็ประชดความผิดหวังของตัวเองโดยการกินเหล้าย้อมใจทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นคนติดเหล้าส่วนลูกสาวเนี่ยจ้างเพื่อนเอาไปเลี้ยงเงินที่ได้รับจากค่าเช่านาก็จ่ายค่าเหล้าค่าเลี้ยงลูกวันๆนัน่เอาจะเมาเหล้าวันเวลาก็ผ่านไปจนลูกสาวโตเป็นสาวอายุสิบห้าแล้ว หลังอิ่มก็เริ่มเจ็บป่วยได้โรคสุราแล้วก็โรคระเเพออาหารเป็นพิษขณะนอนป่วยก็ยังกินเหล้าแต่ว่ากินน้อยหน่อยกับแกล้มเหล้าที่มักจะให้ลูกสาวไปหาซื้อมาก็คือไก่เป็ดแล้วก็หมูให้ลูกสาวเอาไว้ลวกน้ำร้อนอย่าให้สุกบอกว่ากินหวานดีวันๆเนี่ยไม่ออกมาจากห้องเลยจะถ่ายนักถ่ายเบ้าก็ในห้องลแหละลูกสาวเป็นคนเอาไปเทจนเวลาล่วงเลยมาสามปีกว่า ลูกสาวนางอิ่มก็มีอายุเข้าสิบเก้าเป็นคนมีใจเมตตาใจบุญใจกุศลพูดจาไพเราะ อ, อ่อนหวานเพราะฉะนั้นก็มีพวกหนุ่มทั้งหลายก็มาเฝ้ากันอีกจกนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพระธุดงมาปักโปรดที่ชายหมู่บ้านก็จัดอาหารก็ไปถวายพระธุดงคพอพระฉันเสร็จท่านก็ให้พรท่านก็พูดกับเธอบอกว่าเออโยมที่บ้าน มีคนป่วยอยู่ใช่ไหมล่ะเธอก็บอกว่าใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อแม่ดิฉันเองแล้วเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าอาจจะมาจะบอกให้เอาบุญนะความจริงนะโยมแม่อของโยมนะ่ะความจริงอนะตายมาปีกว่าแล้วเหตุที่ยังกินได้พูดได้อยู่นะั้นะไม่ใช่โยมแม่ของสิกาะนะแต่เป็นโอปติกะหรือว่าวิญญาณผีปอบเนี่ยเข้ามาสิงสู่อยู่ เธอรู้อย่างนั้นก็ขอร้องไห้พระธุดงคท่านช่วยไล่ผีปอบให้ด้วยแต่พระธุดง์ท่านก็บอกว่าอาตมาทําไม่ได้หรอกมันเป็นบาปกรรมเพราะอาตมาเป็นสงฆ์แต่คงอีกไม่กี่วันเราจะมีคนมีวิชามาช่วยไล่ปอบพระสิกาเองกระทั่งวันเวลาล่วงมาอีกแปดวันวันนั้นเวลาบ่ายมากแล้วก็มีผู้ชายสองคนเดินหิ้วกระเป๋าผ้าเข้ามาในหมู่บ้านคนหนึ่งอายุมากแล่อีกคนหนึ่งอายุไม่เกินสามสิบ ทั้งสองก็มีอาชีพขายยาสมุนไพรแก้โรคต่างๆคนทั้งสองก็พากันเดินมาที่หน้าบ้านนางอิ่มซึ่งเวลานั้นลูกสาวนางอิ่มไม่อยู่คงอยู่แต่เพื่อนบ้านที่อยู่ติดๆกันผู้ชายสองคนนี้ก็ขอน้ำเพื่อนบ้านดื่มแล้วก็เลยถือโอกาสนั่งคุยด้วยโดยที่ไม่ยอมไปขายที่อื่นจนกระทั่งลูกสาวนางอิ่มกลับมา ผู้ชายทั้งสองคนก็เข้าไปบอกว่ามาขายยาแก้โรคต่างๆเพราะว่าเห็นคนบ้านใกล้เคียงบอกว่าที่บ้านนี้มีคนป่วยอยู่ก็จะขออาสารักษาให้โดยไม่คิดค่าจ้างอะไรเลยฝ่ายลูกสาวนางอิมก็ดีใจที่มีหมอมาช่วยจะรักษาอาการป่วยของแม่ลูกสาวนางอิมก็คลานก็ไปยกมือไหว้ผู้ชายคนสูงอายุแล้วก็บอกว่าฉันไหว้ลุงละช่วยแม่ฉันให้หายป่วยด้วยเธอเสียเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเออ ฉันไม่ใช่หมอหรอกโนนคนนั้นนะ่ะหมอไอ้หนูแกก็ชี้มือไปยังคนหนุ่มที่กำลังนั่งหยิบของออกมาจากกระเป๋าถือเสร็จแล้วหมอหนุ่มก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มลงไปตัดต้นขาที่ปลูกไว้ข้างล่างมาสามต้นแล้วก็ตักน้ำใส่ขันมาครึ่งขันเพราะทุกอย่างพร้อมแล้วหมอหนุ่มคนที่ว่าเนี่ก็จุดเทียนเล่มหนึง่งจุดธูปเก้าดอกก็นั่งท่องภาวนาคาถาร้อยแปดเวลานั้นเพื่อนบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชาย หกเจ็ดคนก็เข้ามาร่วมอยู่ด้วยพอหมอหนุ่มดับดับเทียนพรุบเสียงตะโกนของนางอิ่มก็ดังออกมาจากในห้องมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้นะออกไปเร็วๆกูไม่ยอมให้มึงรักษากูหรอกออกไปหมอหนุ่มก็ขอผู้ชายสามสี่คนก็ไปในห้องช่วยกันจับนางอิ่มไว้เสร็จแล้วหมอก็หยิบได้สายศีลขึ้นมาเสกเป่าก็ใช้สายศีลผูกมัด ต, ตามตัวคนป่วย ห้าแห่งผูกรอบหัวข้อมือทั้งสองข้างข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วก็บอกให้ทุกคนปล่อยจากการจับคนป่วยพอปล่อยแล้วผู้ป่วยก็แสดงท่าหึดฮัดร้องโวยวายลั่นบ้านแต่พอหมอใช้น้ำมนต์พรมไปถูกตัวเท่านั้นคนป่วยก็ผวาร้องลั่นโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วเจ็บพอยอมแล้วหมอก็ถามว่าแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยแกต้องบอกมาเดี๋ยวนี้นะ คนป่วยนี่ตาขวางกัดฟันกรอดกระกรอดพอหมอหยิบขันน้ำมนต์เท่านั้นนะคนป่วยก็รีบพูดบอกว่าข้าชื่อสังถูกแทงตายข้ามากับอีคำบงหมอลำอีอิมมันเอาข้ามาเลี้ยงแล้วปล่อยให้ข้าอดอดอยากๆยากเพราะมันกำลังหลงผัวมันมันลืมข้าข้าก็ต้องสิงมันกินข้างในมันซะ หมอหนุ่มก็บอกว่าแล้วแกจะออกจากร่างนี้ไหมจะออกทางไหนก็บอกมาไม่งั้นเจ็บแน่เลยโอ้ยพอแล้วอย่าทําค่าเลยจะจะออกแล้วจะออกทางหัวก็ไม่ได้มันติดงอนเดี๋ยวข้าจะออกทางเท้าเดี๋ยวนี้แหละหมอดุ่มหมอก็รีบแก้ได้สายสินทางเท้าข้างขวาออกแล้วก็หยิบต้นขามาถือไว้เศกระถาเป่าพ่วงลงไปที่ต้นขาสามผลแล้วเอาต้นขานะั้นตีตามตัวคนป่วยเบาๆ ไล่ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ลำคอจกนกระทั่งมาถึงหัวเขา่าทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เห็นมองคล้ายๆก้อนกลมๆค่อยๆวิ่งลงมาเหมือนกับหนีต้นขาที่ตีไล่ลงมาเรื่อยๆหมอก็ตีไปปากก็ท้องคาถาไปเสร็จแล้วทุกคนก็เห็นควันสีขาวขุ่นๆลอยวูบออกมาทางปลายเท้าของคนป่วยวูบเดียวเท่านั้นก็สลายไปตามลม พอสายตาทุกคู่ละจากกลุ่มควันนั้นแล้วก็เบนสายตามาดูคนป่วยทุกคนก็ต้องสะดุ้งไปตามกันเพราะว่าร่างของนางอิ่มเนี่ยกำลังเริ่มมีสีเขียวคล้ำขึ้นด้วยเรื่อยๆแล้วเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากร่างด้วยก็ทําให้ทุกคนต้องขยับตัวออกห่างทุกทีทุกทีหมอก็ลุกขึ้นเดินก็ไปที่คนป่วยแล้วก็ใช้มีดหมอเล่มเล็กตัดตรงผมที่เห็นเเป็นรูปคล้ายๆหงอนไก่ ตรงหน้าผากคนป่วยหรือว่าเวลานี้เป็นซากศพไปแล้วเนี่ยตัดออกแล้วก็หย่อนลงไปในถุงผ้าเล็กๆในมือแล้วก็บอกให้ลูกสาวนางอิ่มเอาผ้าผวยมาคลุมศพแม่ไว้ให้มิชิตแล้วหมอก็บอกเหมือนกับปลอบลูกสาวนางอิมบอกว่าแม่เธอตายนานแล้วนะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะผีปอบมันมาสิงในร่างอาศัยกินตับไตไส้พุงในร่างกายจนหมดร่างนี้มันก็เน่าเหม็นทันทีที่ปอบออก เธออย่าเสียใจให้มากแล้วเลยแม่เธอเนะ่ยพ้นทุกไปสบายแล้วพอจัดการเรื่องศพนางอิ่มเสร็จเรียบร้อยหมอหนุ่มก็ไปไปมามาที่บ้านลูกสาวนางอิ่มอยู่เสมอจนกระทั่งหมอหนุ่มกับลูกสาวนางอิ่มก็มีความเห็นใจกันแล้วก็ตกลงแต่งงานกันโดยมีพระธุดงองค์แรกที่ท่านเป็นคนบอกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอ่าท่านทุดงคผ่านกลับมา ทัานก็นมาปราบพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับคู่บ่าวสาวนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีครับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็คือลูกสาวของนางอิ่มซึ่งมีอายุ90 ป, ปีแล้วครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองท่านผู้ฟัง ครูมนตรีเล่าบอกว่าเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีก่อนนี้แกเป็นครูสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดห่างไกลความเจริญเด็กๆที่นั่นส่วนใหญ่ายากจนส่วนลูกคนมีสตังก็มีอยู่จำนวนนิดเดียวแกก็บอกว่าไม่ได้เอาเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของเด็กๆในชุมชนมาบน่นก็แค่อยากจะให้ทราบผลบังเท่ า, น, า น, นั้นว่าคนไทยนะี่ไม่ได้ร่ารวยอยู่ดีมีสุขกันทั่วนหน้าหรอกนะครับ วันหนึ่งบ่ายๆยแกกำลังสอนเด็กอยู่ในห้องมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำไปพักเดียวหน้าตาตื่นวิ่งกระหืดกระหอบกลับเข้ามาในห้องแกก็ตกใจว่าใครไล่มาหรือว่าหนีอะไรมาที่แรกครูมนตรีก็นึกทันทีว่าต้องมีไอ้พวกเด็กนุมโรคจิตก่อเรื่องไม่ดีกระเธอเพราะว่าเคยมีมาก่อนแล้วเด็กติดยาข้างวัดเนี่ยแหละแกไม่ทันถาม เด็กก็เล่าปากคอสั่นแล้วก็เสียงสั่นรัวบอกว่าครูครูตะกี้นี่หนูเห็นผีมันอยู่ในห้องน้ำนอนแนครูครูไปดูสิหน้ามันบวมชึ้งเลยหนูว่ามันต้องกําลังขึ้นอืดแน่ๆเลยพอถามว่าแล้วมันยังอยู่ไหมเด็กก็บอกว่ายังอยู่หนูวิ่งหนีมันมาเนี่ยมันยังอยู่ในห้องน้ำครูมนตรีก็อยากจะรู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงอาจจะเป็นคนมาหลอกให้เด็กกลัวก็เลยรีบไปดูเด็กตามกันไปเป็นพร้วเลย ห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนพอไปถึงไปหาในห้องน้ําหญิงดูทั่วหมดแล้วก็ไม่เจอใครสักคนเด็กหญิงที่ประสบเหตุก็ยืนยันชี้ให้ดูว่าเจอมันตรงไหนมันหันหน้าเข้าหาเธอเธอก็หันหน้าเข้าหามันประชิญหน้ากันห่างแค่วาเดียวแล้วก็เธอยังทําท่าทําทางที่เธอเห็นให้ดูด้วยคือมันทําท่าเหมือนก็นยื่นมือออกมาอ่าอันนี้แหละก็ทําให้เธอต้องรีบหนีไปโดยเร็วครูมนตรีเชื่อว่าเด็กไม่ได้โกหก เธอคงจะเห็นจริงๆแต่จะเป็นคนหรือว่าเป็นผีอันนี้แหละเป็นปัญหาที่จะต้องค้นหาความจริงกันต่อไปตอนเย็นครูมนตรีก็คุยเรื่องนี้กับครูสมโพจ์ครูสมโพศนี่เป็นครูสูงอายุใกล้เกษียณแล้วสอนโรงเรียนนี้มานานมากเราก็อยู่คู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เดิมอา่าแล้วอีกอย่างเลยแกเป็นคนแถวบ้านย่านนี้ถิ่นกําเนิดของแกอยู่ที่นี่แกก็เลยรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไร แกก็ฟังเรื่องที่ครูมนตรีเล่าแล้วแกก็หัวเราะฮือๆก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แกบอกว่าเพราะว่าครูมนตรีเนี่ยเพิ่งจะมาสอนได้ไม่นานก็เลยยังไม่รู้ว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงโรงเรียนเนี่ยมีผีอยู่ด้วยนะที่ห้องน้ํมันนะ่ะที่เด็กเห็นนั่นนะ่ะมันผีจริงๆไม่ใช่คนแกก็เล่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหตุก็เพราะคืนหนึ่งที่วัดเนี่ยเขามีงานประจาปีเขาจัดงานใหญ่ ใช้พื้นที่ทั้งที่ลานวัดแล้วก็ที่บริเวณสนามโรงเรียนด้วยแล้วพวกหนุ่มๆพวกวัยรุ่นมีเรื่องกันชกต่อยตีรันฟันแทงกันคนหนึ่งโดนแทงแล้ววิ่งหนีเข้าไปในห้องน้ำเด็กผู้หญิงไปจนมุมที่นั่นพวกไล่ล่าก็เข้าไปเสียบๆด้วยมีดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนหมอน่ น, นั่งคอพับเอาหลังพิงข้างขวาตายคาห้องน้าเลยจากนั้นก็มีคนเจอผีห้องน้าหญิงเป็นประจา ครูผู้หญิงเกือบทุกคนจะเจอกันมาแล้วแม้แต่ครูผู้ชายก็ยังโดนไม่มีละเว้นเด็กบางคนรู้เรื่องผีห้องน้ําหญิงแต่บางคนก็ไม่รู้พ่อแม่บางคนก็ไม่เล่าเพราะกลัวลูกจะกลัวแล้วจะไม่ยอมมาโรงเรียนทีนี้พอครูมนตรีรู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเล่าให้เด็กฟังเด็กจะได้หายสงสัยแต่ครูสมโพธิห้ามไว้แกบอกว่าถ้าเล่าออกไปนะรับรองว่าเด็กไม่ยอมมาเรียนหนังสือกันแนะ่แล้วก็อย่าโดนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กดโกรธด่าเอาด้วยอ่า ครูมนตรีก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องนั้นอยู่ต่อมาอีกหลายเดือนวันหนึ่งโรงเรียนเลิกแล้วเด็กๆ ก, กลับบ้านกันหมดครูคนอื่นก็กลับกันหมดแล้วแกกำลังจะกลับบ้านพักเป็นคนสุดท้ายก็แวะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้นึกถึงเรื่องผีหรอกเดินผ่านหน้าห้องน้ำเด็กหญิงเพื่อจะไปยังห้องอห้องน้ำเด็กชายแกก็เกิดรู้สึกแปลกๆเห็นอะไรแวบๆที่ทางเข้าห้องน้าหญิงก็เลยหันไปดู เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนื้อตัวบวมอืดจ้ะทั้งหน้าทั้งตาก็เป็นอย่างนั้นน่ะเขาเดินหายแวบเข้าไปในนั้นเออเดเหมือนมันเหมือนกับลอยเข้าไปอ่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้มองขาเขาทีแรกจะตามเข้าไปดูเขาเป็นผู้ชายทาไมไปเข้าห้องน้าเด็กหญิงเสร็จแล้วก็ฉุกใจนึกถึงเรื่องที่เด็กผู้หญิงเจอแล้วก็เรื่องที่ครูสมโพธเล่าหนาวไขสันหลังเลยทีนี้อ่า ลืมเรื่องปวดฉี่ทันควนะันรีบไปจากตรงนั้นอย่างรีบด่วนนะกลับบ้านอปั่นจักรยานอครูมนตรี ใ, ใช้จักรยานเพราต้องการจะออกกําลังไปด้วยการปั่นจักรยานมาโรงเรียนตอนเช้าพอตอนเย็นปั่นกลับก็เท่าก็ได้ออกกําลังทั้งเช้าทั้งเย็นเขาว่าปั่นจักรยานวันหนึ่งสามสิบนาทีจะดีต่อสุขภาพเหลือเกินอันนี้เป็นความรู้ที่อ่านมาจากหนังสืออ่าเย็นวันนั้นปั่นจักรยานถึงบ้านโดยไม่รู้ตัวเลย วันรุ่งขึ้นมาโรงเรียนแต่เช้าเล่าให้ครูสมโพช์ฟังแกก็หูรอะฮื อ, อบอกว่าแกเองก็เคยเจอแบบเดียวกันกับครูมนตรีแค่เดินผ่านหน้าห้องน้ําหญิงตอนที่ไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วมันก็จะมาปรากฏตัวให้เห็นครูมนตรีเจอมาด้วยตัวเองก็ตัดสินใจว่าจะต้องเล่าให้เด็กๆฟังแม้ว่าจะโดนตําหนิก็ตามเถอะเป็นไงเป็นกันเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่แกเจอมาพอไปเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียน ก็มีเด็กผู้ชายคนนึงยกมือขึ้นอ่าแล้วบอกว่าพี่สาวเขาก็เคยโดนหลอกตอนที่ไปห้องน้ํากับเพื่อนๆ อ, อีกสองคนมันก็มาหลอกทําเสียงครางฮือๆเหมือนกับเสียงคนร้องไห้พอพี่สาวกับเพื่อนออกมาจากห้องน้ําเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วก็ไม่เห็นใครอยู่แถวๆนั้นเลยแล้วก็ยังมีเด็กผู้หญิงอีกคนที่เล่า ว, ว่าตัวเองก็เคยเจอกินเหม็นเน่าเหมือนก็หมาเน่านี่ต้องรีบออกมาจากห้องน้ําพอมาอยู่ข้างนอกก็ไม่เหม็นเลยเพื่อนๆก็หัวเราะ รอว่าเธอคงจะเหม็นอย่างอื่นซะละมัง้งเธอก็ยืนยันอย่างมั่นใจสีหน้าจริงจังว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเธอคิดว่าเหม็นผีนั่นแหละส่วนเด็กหญิงที่เคยเจอวิ่งจันมาเล่าให้ครูมนตรีฟังนั้นเธอบอกว่าตอนเนี้ห้อยพระมาโรงเรียนแล้วยายให้มายายบอกว่าพระองค์เนี้กันผีหลอกได้แล้วก็ดึงสายสร้อยเอาพระเครื่องออกมาอวดให้เพื่อนๆดูครูมนตรีเล่าเรื่องนี้ไปแล้วก็ไม่เห็นมีพ่อแม่ผู้ปกครองเหล็กเขาบ่นว่าอะไร มีแต่ว่ารีบหาพระเครื่องให้ลูกหลานห้อยคอมาโรงเรียนกันให้เด็กอุ่นใจคุณมนตรีเป็นครูเองก็ยังหามาห้อยองหนึ่าเพื่อความอุ่นใจเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ยังห้อยอยู่เลยครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคุณนุชจรีที่เล่าให้ฟังบอกว่าแกเศร้าใจที่น้ําท่วมพวกพ้องพี่น้องคนไทยด้วยกันจนเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวไรแหง แต่ก็ยังมีคนฉกฉวยโอกาสเอาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เด็กกันมาเป็นช่องทางหากินของตัวอย่างหน้าละอายอเวลาน้ำท่วมมันเสียหายมากไม่ว่าข้าวของเรือแพรเรือจอ่งยังมีอื่นอืนอีกผักหญ้ย่าน้ำเด่มปนปี้อไม่หมดคุณุชจรีนึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อน้ำท่วมในสมัยที่แกยังเป็นสาวๆอยู่น่น เด็กสมัยนั้นไหวยน้ําเป็นกันทุกคนก็ว่าได้ถ้าอยู่บ้านนอกแล้วน้ําท่วมถึงหรือว่ามีแม่น้ําลําคลองหนองบึงอยู่ใกล้บ้านก็ต้องคุ้นเคยกันนะอ่าน้ําเนี่ยมาแล้วทั้งสิน้นแต่ก็น่าแปลกที่เด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านของแกนี่ไหวยน้ําไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเธอเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักธนุถนอมมากไม่ยอมไม่หัดไหว้น้ํานะแล้วประกอบกันว่าบ้านนี้เขามีฐานะดีด้วยอีกทั้งเป็นลูกหลานเพียงคนเดียว เออมันก็น่าแปลกที่ว่าคนรวยเนี่ยมักจะขาดลูกนะเหมือนกับว่าเด็กไม่อยากจะมาเกิดในท้องคนมีสตังค์อย่างนั้นแล้หรือว่าคนทําบุญมากมันมีน้อยก็ไม่รู้นะบ้านเนี้ยเขามีเงินในคนอื่นกู้กินดอกเรียกว่าร่ํารวยมากกว่าคนอื่นแล้วที่ไม่ยอมให้ลูกหลานหัดว่ายน้ำก็เพราะเกรงเด็กจะไม่สบายด้วยความรักนั่นแหละแล้วพอปีนั้นน้ําท่วมมากหน่อยเด็กอื่นๆเขาก็เล่นว่ายน้ำำําดําน้ํากันดําผุดดาว่าย เด็กผู้หญิงคนนี้ก็ได้จะนั่งมองเพื่อนตาเราห้อยด้วยความอยากจะลงไปแหวกว่ายกับเขาบ้างขอพ่อแม่ก็ไม่ให้ลงขอตายายก็ไม่ให้ลงเด็กผู้หญิงก็เลยแอบลงไปตอนผู้ใหญ่เผลอไม่มีใครเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มารู้กันว่าเด็กผู้หญิงหายไปก็ตอนเย็นเกือบค่ําแล้วก็เรียกหากันวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งละแวกบ้านสอบถามตะโกนเรียกเด็กผู้หญิงกันมูว่าไปหมดไม่มีร่างเธอให้เห็นเลย ก็จะทํายังไงได้บนบ้านไม่เจอข้างๆบ้านไม่เจอก็ต้องคิดว่าตกน้ำเนี่ยเนี่ยก็งมกันละสิทีน่นี่ช่วยกันหลายคนชายชะกันแถวแถวบ้านหลังนั้นงมกันอยู่นานค่ามืดมากแล้วถึงได้ร่างไร้วิญญาณขึ้นมาไปเจอร่างนั้นไม่ไกลาจากบันไดหน้าบ้านก็แสดงว่าเด็กลงไปเล่นน้ําแถวนั้นน้ําก็ไม่ลึกมากนะักไม่น่าตายเลยไม่ต้องบอกก็ได้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายจะเสียอกเสียใจกันมากขนาดไหน สำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นแทบ จ, จะขาดใจตายกันเลยทีเดียวพอศพไปตั้งสวดอยู่ที่วัดมีเพื่อนบ้านเห็นเด็กผู้หญิงนั่งอยู่หน้าบ้านขายี่ตามมองอีกทีอ้าวไม่มีแล้วหายไปแล้วคนหนึ่งพายเรือผ่านหน้าบ้านต้องจำปวดๆก็ว่าเด็กผู้หญิงนี่ยว่ายน้ำจมอยู่ใกล้ๆเรือทีแรกก็คิดว่าเป็นคนอื่นแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กคนนั้นก็จาหนีเรือเกือบจะล่มนะเด็กมร้องช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย หนีหนูทำไมทำไมไม่ช่วยหนูก่อนนะ่นนะอิตาคนนั้นไม่พูดอะไรเลยนะนี่จำอย่างเดียวเลยอ่ารู้แล้วว่าไม่ใช่คนไม่ใช่เด็กที่ยังมีชีวิตต้องเป็นผีแน่ๆคืนเดียวนี่หลอกไปสองรายซ้อนก็นับว่าเฮียนแล้วปู่ของเด็กอยู่บ้านใกล้ๆนั้นหลานตายตัวเองไม่สบายแต่ก็แข็งใจไปวัดอ่าเสร็จแล้วไปถึงวัดก็ไม่ไหวต้องให้เขาพายเรือมาส่งมานอนอยู่ที่บ้าน แกก็มานอนอยู่คนเดียวระหว่างที่คนอื่นก็ยังอยู่ที่วัดไอ้ตอนที่นอนอยู่เห็นหลานเดินมาจากหน้าบันไดตัวแข็งทื่อยอะแกบอกว่าแกไม่ได้หลับอะลืมตาตื่นอยู่มาให้เห็นเหมือนตัวเป็นๆน่ะปู่น่นะไม่กลัวหลานหรอกรักหลานมากก็ถามหลานว่ามายังไงล่ะเป็นยังไงบ้างมาหาปู่เหรอเด็กก็เดินเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดจ้องมองปูนิ่งเฉยไม่พูดอะไรเลย ปู่ก็ถามอีกว่ามาเยี่ยมปู่หรอปู่ไม่เป็นอะไรมากหรอกเด็กก็นิ่งไปเดี๋ยวหนึ่งเสร็จแล้วก็บอกหนูมารับปู่ปู่แม้จะรักหลานมากขนาดไหนก็แล้วแต่จะ่พอหลานพูดอย่างนี้เรารู้ว่าหลานสาวหมายความไปยังไงก็ทำให้แกขนลุกมานึกถึงความตายเออปู่ปู่ยังไม่ไปด้วยหรอกปู่ไม่รักหนูเหรอือรักนะรักก็แตปู่ปู่ยังไปไม่ได้ ยังต้องทำโ น, โน่นทำนี่อีกปู่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วว่าปู่แก่แล้วปู่ทำมามากแล้วปู่ไปอยู่กับหนูเถอะหนูเหงาปู่ก็สงสารหลานน้ำตาไหลบอกหลานไปว่าขอเวลาปู่อีกหน่อยแล้วปู่จะไปอยู่ด้วยหลานรอปู่ด้วยก็แล้วกันนะเสร็จแล้วร่างเด็กก็หายแวบไปปู่ก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกัจะเพิ่งตื่นจากหลับแต่จริงๆแล้วไม่ได้หลับอะ เรื่องที่น่าแปลกเกิดขึ้นหลังจากที่เผาศพเด็กคนนี้ไปแล้วราวสามเดือนปู่ที่เจ็บป่วยอยู่ยังไม่หายก็มีอาการสุดหนักก็เพยายามค้ำเ น, นี่คนขนลุ ก, กเกลียวปู่ร้องว่าหลานสาวมาหาอ่าแกถามว่ามารับปู่เหรอปู่เห็นแล้วว่าหนูมาปู่อ่าหนูมาหาปูส่สิมาใกล้ๆปู่หน่อยพวกที่เฝ้าใครมองหน้ากันลึกๆหลั ปู่หักมือหย่อยๆมาสิหลานมาหาปู่มาสิลูกเอ้ยหมาหอนกันเกลียวเลยตอนนั้นคนเฝ้าใครก็ขนลุกเกลียวเหมือนกันอาหาหรือกันจะเอาอยัางไงดีพ่อของเด็กผู้หญิงก็รีบบอกว่าไปเอาทูบมาจุดบอกลูกอย่ามารบกวนปู่เลยแม่ของเด็กนี่ร้องไห้อร้องไปก็เดินไปหยิบทูบมาจุดบอกเล่าด ว, วงวิญญาณลูกสาวขอให้ลูกไปสู่สุขติอย่ามาเอาปู่ไปเลย พอขาดคำปู่ก็ผงาบผงาบเสียงครอกครอกในคอปู่จากไปแล้วที่น่าแปลก็คือใต้ถุนบ้านนะมีคนอยู่สองสา ค, คนคนนึงเห็นว่าปู่กับหลาน เ, เดินจุงมือกันผ่านไปทางใต้ต้นละมุดแล้วก็ออกไปทางหน้าบ้านแล้วก็เดินหายไปมัวแต่ตะลึงพูดไม่ออกอยากจะชี้ให้เพื่อนๆดูก็มัวงงทําอะไรไม่ถูกสองร่างปู่กับหลานก็หายลับไปในความมืดนอกบ้านแล้วถึงได้สติ ครับเรื่องนี้เกิดจังหวัดลบบุรีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าผีพรายน้ำครับเป็นพูดผีที่รู้จักกันมาตั้งแต่โบรโบราณ เขาเล่าขานกันว่ามักจะเป็นผีผู้หญิงซึ่งสิงสู่อยู่ในแม่น้ำลำทานแล้วก็คอยจ้องจะปิดชีวิตของผู้คนที่ลงไปอาบน้ำหรือว่าว่ายน้ำเล่นผู้ที่ถูกผีปลายน้ำกระทเมาถึงตายจะจมน้ำหายไปเฉยๆคล้ายๆกับหมดแรงหรือว่าเหมือนกับถูกสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ชุดลากให้จมลงไปใต้น้าจนกระทั่งขาดใจตายณที่แห่งไหนที่มีคนจมน้าตายอย่างไม่ควรจะเป็น แล้วก็ตายซ้ำซ้อนกันหลายศพต่อเนื่องก็มักจะถูกประเมินว่าที่ตรงนั้นละ่ะมีผีพรายน้ำสิงสถิตก็เป็นที่หวาดวันท่านพรึงกันทั่วหน้าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ลูกหลานลงไปอาบน้าไหวยน้าเล่นในบริเวณนั้นอย่างเด็ดขาดเพราะว่ากลัวผีพรายน้ำจะมาพรากเอาชีวิตไปเสียสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อว่าผีมีจริง ไม่เคยสนใจตลอดจนไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณก็ย่อมจะเห็นเรื่องผีพายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องเหลวไหลไราสาระเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่มักจะนามาหลอกขู่เด็กๆไม่ให้แอบหนีไปเล่นน้ำในที่ลับตาส่วนคนที่ว่าจมน้ำตายอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหล่านั้นคนรุ่นใหม่ก็บอกว่าอาจจะมีสาเหตุจากการเป็นตะคริวบ้างบทแรงบ้างถึงได้จมน้ำตายไม่ใช่ผีเผออะไรหรอก ความเชื่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ต่างก็มีแนวความคิดแตกแยกกันไปคนละทางอย่างนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องผีพรายน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องมีจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องเพอ้อเจ้อไร้าสาระหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับที่คลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านเขตหนองแขมชาวบ้านละแวกนั้นเขาเรียกขานจนติดปากว่าคลองหนองแขมก็กลายเป็นที่รู้จักในชื่อนี้ไปโดยปริยายมาจนกระทั่งปราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อปี2523ต่อกับ2524นั้นเขตหนองแขมนยังเป็นชุมชนเล็กๆประจัดกระจายกันอยู่เป็นยอมๆตลอดพื้นที่ซึ่งเป็นท้องนาแล้วก็สวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวหนองแขมส่วนใหญ่เส้นทางสัญจรคมนาคมติดต่อกันก็ต้องอาศัยคลองเล็กคลองน้อยที่ตัดรอยแยกออกจากคลองหนองแขมเป็นสําคัญเพราะว่าถนนหนทางมีเพียงไม่กี่สาย แล้วก็ไร้คุณภาพเนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังอนาบริเวณที่เป็นชุมชนครับข้างมากที่สุดก็คือสองฝ้าคลองตรงหน้าวัดหนองแขมนั่นแหละครับเพราะว่าเป็นแหล่งขนถ่ายแล้วก็ค้าขายสินค้าซึ่งบรรทุกมาทางเรือมีสถานที่ราชการเช่นอำเภอแล้วก็สถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นชาวหนองแขมนี่อยู่กันด้วยมาด้วยความสุขสงบจนกระทั่ง S 1> <S 1> เหตุการณ์อันเศร้าสลดก็เปิดฉากขึ้นนั่นก็คือมีเด็กสามคนพี่น้องกำลังอาบน้ำว่ายน้ำเล่นกันที่บันไดท่าน้ำหน้าบ้านริมคลองละแวกวัดหนองแคมแล้วเวลานั้นก็มีผู้ใหญ่นั่งมองอยู่บนระเบียงอยู่ๆเด็กคนหนึ่งในสามคนซึ่งลอยคออยู่ในน้ำก็ร้องให้ช่วยเสียงลั่นแล้วก็จมวูบลงไปใต้น้ำเด็กอีกสองคนก็รีบโผเข้าไปช่วยแต่ว่าเด็กอีกสองคนก็กลับจมหายตามไปด้วย พวกผู้ใหญ่ที่นั่งคุยกันอยู่บนระเบียงบ้านเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาก็พากันโดดลงน้ำไปช่วยอย่างทันทีทันควันแล้วก็สามารถงมสามพี่น้องขึ้นมาได้หมดแต่ว่าทุกคนก็สลบสลายไม่ได้สติหลังจากช่วยกันประถมพยาบาลเด็กสามคนปรากฏว่าฟื้นคืนสติเพียงสองคนส่วนพี่สาวคนโตซึ่งจมน้ำเป็นคนแรกเสียชีวิตครับ เด็กทั้งสองที่รอดชีวิตเล่าให้ฟังตรงกันว่าขณะที่โผลเข้าไปช่วยพี่สาวนั้นนะมีบางอย่างอยู่ใต้น้ำดึงขาเขาให้จมลงไปเวลานั้นผู้ที่รับฟังเด็กเล่าก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าเด็กคงจะคิดไปเองมากกว่าอีกไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเหตุเศร้าสลดตามมาอีกนั่นก็คือเด็กคนหนึ่งเอาห่วงยางลงไปเล่นในคลองใกล้ๆกับจุดที่เด็กผู้หญิงคนแรกจมน้าตาย ขณะที่เด็กเกาะห่วงยางไหวเล่นสนุกสนานก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจรถจมน้ำบูบหายไปผู้คนที่เห็นเหตุการณ์โดดน้ำลงไปช่วยกันชุลมุนแต่ว่าหาตัวเด็กไม่เจอหลายวันต่อมาศพเด็กถึงได้ลอยขึ้นเองแล้วก็ไปพบศพใกล้กับเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครต่อมาอีกสิบกว่าวันมีขบวนเรือเอี่ยมจุนบรรทุกข้าวลาบจูงล่องผ่านคลองหนองแขมจะเข้ากรุงเทพ ขณะที่ขบวนเรือแร่นใกล้จะถึงหน้าวัดหนองแขมก็มีเสียงตะโกนให้ช่วยว่าเด็กตกน้ำดังมาจากท้ายเรือลำท้ายสุดขบวนเรือยนต์ลากจูงกระชลอความเร็วกระทั่งหยุดแล้วก็จอดเทียบฟังมีคนโดดน้ำลงไปงมเด็กกันโกละหนุนอีกไม่นานก็ได้ตัวเด็กขึ้นมาแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเด็กตายซะแล้วพ่อแม่ก็เอาศพมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนากิจที่วัดหนองแขมนั่นแหละ แม่ของเด็กผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายเนี่ยอายุสิบสองขวบแล้วก่อนที่เด็กจะตกน้ำเนี่ยเธอจะเข้าไปกินข้าวก็บอกให้ลูกชายมาถือท้ายแทนสักครู่หนึ่งเพราะว่าจะกินข้าวขณะกำลังจัดเตรียมสำรับกับข้าวก็ได้ยินเสียงลูกชายร้องลั่นแล้วก็มีเสียงตกน้ำดังตูมก็ถลันออกมาดูตอนแรกก็ไม่ได้ตกโตกใจอะไรเพราะรู้ว่าลูกว่ายน้าเก่ง แต่กลับเห็นลูกพูยน้ําตะเกียกตะกายเหมือนกับมีอะไรกําลังดึงขาไว้แล้วก็จะลากให้จมน้ําก็เลยรีบคว้าไม้ถอยื่นลงไปให้เกาะแต่ว่าลูกชายกลับจมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาภายในเวลาไม่ถึงเดือนมีเด็กจมน้ําตายติดต่อกันถึงสามคนประกอบกับเรื่องราวที่แม่เด็กชาวเรือเล่าก็เกิดการบอกกล่าวเล่าขานต่อต่อไปว่ามีผีพรายน้ําอยู่ในคลองหนองแขม แล้วก็อาวาสฆ่าคนเล่นาพาันวาดวันไปตลอดสองฝั่งคลองเวลาผ่านไปจากเดือนแรกจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่สองเหตุการณ์ก็ดําเนินไปเป็นปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนเด็กผู้หญิงลูกสาวจากํารวจนายนึงลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็จมหายไปดื้อๆทั้งที่เด็กว่ายน้ำคล่องแคล่วกว่าจะช่วยกันงมศพขึ้นมาได้เด็กก็สิ้นใจตายไปเสียแล้ว เรื่องผีพรายน้ำเมื่อเดือนที่แล้วค่อยๆซาลงก็ถูกนำมาเล่าขานกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้เรื่องผีพรายน้ำได้รับการโจดจันหนักขึ้นไปอีกเมื่อมีคุณป้าชาวบ้านรายหนึ่งมีบ้านเรือนอยู่ริมคลองใกล้ๆวัดหนองแขมแกเล่าบอกว่าดึกคืนหนึ่งแกออกไปดูเรือที่ผูกไว้ตรงหัวสะพานท้าน้าไปเห็นเด็กตัวเล็กๆนั่งเล่นตรงหัวสะพานหันหลังให้ เดินเข้าไปใกล้ก็รู้สึกแปลกใจเด็กคนนี้ผมยาวผิดปกติยาวสยายลงมากองกับพื้นเลยแล้วก็เส้นผมออกสีแดงๆคุณป้าก็เดินเข้าไปใกล้ๆตั้งใจจะดูให้ถนัดแต่ว่าเด็กคนนั้นกลับโดดลงน้ำแล้วดำหายไปคุณป้าก็เลยเชื่อว่าเด็กผมยาวที่โดดน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้องเป็นผีพรายน้ำแน่ๆช่วงเวลานั้นชาวบ้านริมคลองหนองแขมนี่กลัวผีพายน้ากันแทบทุกหลังคาเรือน เด็กเล็กจะถูกห้ามลงไปเล่นน้ำในคลองอย่างเด็ดขาดพวกปู่ใหญ่เวลาจะลงไปอาบน้ำทีก็ต้องไปเป็นกลุ่มกลุ่มรีบๆอาบชำระร่างกายเสร็จแล้วขึ้นเลยไม่มีใครกล้าลงไปแช่ น, น้ำนานๆอย่างแต่ก่อนนี้อีกแล้วเหตุร้ายสงบเงียบอยู่หลายวันจนกระทั่งก่อนหมดเดือนที่สองนับตั้งแต่มีข่าวผีปลายน้ำอารวาสก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีกสองศพ ศพแรกนี่เป็นหนุ่มใหญ่ลงไปอาบน้ำที่ท่าน้ำตอนดึกแล้วก็หายไปหลายวันต่อมาถึงได้พบศพลอยขึ้นอืดสภาพศพไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรทั้งสิ้นก็เชื่อว่าจมน้ำตายส่วนศพที่สองนี่เป็นเด็กสาวลงไปอาบน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปเหมือนกับรายก่อนๆภายในสองเดือนมีคนจมน้ำตายไปหกศพในคลองหนองแขมแล้วผู้ตายทุกรายก็อยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันอย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วชาวบ้านริมคลองก็รวมตัวกันไปหาเจ้าอาวาสวัดหนองแขมขอร้องให้ท่านช่วยขับผีไารน้ำด้วยเพราะว่าชาวบ้านอกสั่นขวัญผวากันท่วนหน้าแทบจะไม่กล้าลงไปเอาน้ำคลองมาใช้ซะเลยซ้ำเมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างนี้เจ้าอาวาสวัดหนองแขมก็จำต้องเป็นภาระรับผ่อนคลายความทุกข์ให้โดยท่านจัดประชุมคณะกรรมการวัดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา แล้วก็มีมติตกลงกันว่าสมควรจะไปนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่มีกิติคุณโด่งดังทางพุท ธ, ธาคมมากำราบปราบปรามผีพรายน้ำให้สิน้นซากเมื่อถึงวันที่กำหนดปราบผีพรายน้ำซึ่งจัดเป็นพิธีใหญ่ชาวบ้านริมคลองหนองแขงก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายซึ่งจมน้าในคลองรวมทั้งแผ่ส่วนกุศลให้กับผีพรายน้าตั้งแต่เช้า พอสายของวันนั้นพระเกจิอาจารย์จากจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งรับนิมนต์จากเจ้าอาวาสวัดหนองแขมก็เดินทางมาถึงหลังจากพักผ่อนพอสมควรแล้วบุบบวบขนาดใหญ่มีเรือหางยาวลากจูงเรือหางยาวจะลากจูงแพที่ว่าเนี่ยล่องไปตามลําคลองจนกระทั่งสุดเขตชุมชนหนาแน่นเสร็จแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาอีกระหว่างนั้นพระเกจิอาจารย์ท่านก็สวดมนต์เรียกผีพรายน้ําขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ท่ามกลางสายตาของประชาชนสองฝั่งคลองที่เฝ้ามองแน่นขนาดทีเดียวเรือนานาชนิดซึ่งสัญจรไปมาก็แอบเข้าไปลอยลำชิดฝั่งคลองแต่ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นเป็นร่องรอยของผีพายน้ำในคลองนั้นเลยเวลาผ่านไปจนถึงเพลนการจับผีพายน้ำก็ยุติลงชั่วคราวพระเกจิอาจารย์ก็ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นมาฉันเพลนก่อน กระทั่งถึงเวลาบ่ายก็ดำเนินพิธีต่อไปอีกโดยมีชาวบ้านเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ยอมถอยหนีเหมือนเดิมแร่ซึ่งพระเกจิอาจารย์นั่งทำพิธีก็ขึ้นล่องไปตามลำคลองช้าๆแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะหลายรอบผีพรายน้ำก็ยังเงียบหายไม่มีข้าเงื่อนว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเวลานั้นหลวงพ่อทวีศักจุตินทโรซึ่งท่านรับนิมนต์ให้สร้างวัดสีนวลธรรมวิมล ท่านจำมันษาอยู่ที่กุฏิเรือนแพหลังเล็กๆริมสะใหญ่กลางพื้นที่ที่กำลังจะสร้างวัดก็อยู่ไม่ไกลจ า, ยยากที่นั้นเท่าไรกำนันผวนผู้ประวรตนาเป็นโยมบุปผาของหลวงพอ่อวันนั้นแกไปดูการทำพิธีปราบผีพลายน้ำที่หน้าวัดหนองแขมด้วยก็เห็นชาวบ้านไม่หายคล่องใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผีพลายน้ำจะถูกกำาราบปราบปรามให้สิ้นฤทธิ์หมดไปแล้วหรือยังก็ย้อนกลับมานิมนต์หลวงพ่อทวีศัต ให้ไปจับผีพรายน้ําอีกรูปหนึ่งด้วยเพื่อช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านริมคลองหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านทนอ้อนวอนรบเร้าจะกำนันผวนไม่ไหวท่านก็จําเป็นต้องรับนิมนต์ก็คลองผ้าสะพา ย, ยามเรียบร้อยท่านก็เดินตามกำนันผวนไปยังวัดหนองแขมซึ่งอยู่ปากทางแล้วก็มีระยะไกลพอดูไปถึงวัดหนองแขมนั่นบ่ายสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเย็นแล้วการทําพิธีของพระเกจิอาจารย์ได้ยุติลงไปแล้ว แล้วก็กลับวัดไปเกือบหมดโดยที่ผีพรายน้ําก็ยังอบดานเงียบเชียบกำนันผุนก็เลยนิมนต์ ห, หลวงพ่อทวีศักดิ์ลงมาที่แพรหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็บอกให้มีคนลงไปอยู่ด้วยสองคนตำรวจหนองแขมสองคนก็รับอาสาคนหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือจ่าซึ่งเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงที่จมน้ําตายนั่นเองหลวงพ่อทวีศักดิ์นําดินเหนียวที่ท่านขุดมาจากใกล้กุฏิเรือนแพรใส่ ย, ย่ามมาด้วย พอได้ไปตองแล้วก็มัดพันด้วยสายสินจนแน่นเรียกจ่าตำรวจมาหาแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อแพถูกลากไปตามลำคลองนี้ให้ย่อนดินเหนียวลงไปในน้ำแล้วถือได้สายสินไว้ในลักษณะเหมือนกับตกปลาถ้าหากเส้นได้สายสินมีอาการตึงมือเหมือนกับมีอะไรมาดึงก็ให้สาวขึ้นมาช้าๆจ่ า, จาตำรวจก็รับคาจากนั้นหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านก็จุดธูปเทียนบูชาคุณพระรัตนไตร คุณบิดามารดาครูอุปชาและหลวงปู่สุขวัดมาขามเท่าอธิษฐานจิตน้อมระลึกว่าที่มากระทำการช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านเพื่อนมนุษย์ซึ่งได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนครั้งนี้ก็โดยความเมตตาปรารถนาจะให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากอำนาจของโทสะโมหะอันเนื่องจากการกระทำของอะมนุษย์ที่สิงสู่อยู่ใต้ฐ า, านในครองนี้ ดังนั้นจึงขอให้พลานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเดชะบา ร, รมีของหลวงปู่สุกวัดมาขามเท่าจงเป็นพลังเกื้อหนุนให้จิตตานุภาพเข้าสู่อุคหะนิมิตโดยพลันเกิดเป็นมือยักษ์กวาดจับผีพรายน้ำขึ้นมากับได้สายสินด้วยเถอะแล้วหลวงพ่อทวีศักด์ก็สงบจิตรวมเข้าสู่สมาธิตามลาดับเรือหางยาวก็ลากแผ่ล่องไปตามลาคลองช้า เวลานั้นประชาชนบางส่วนในต่างแยกย้ายกันกลับไปแล้วแต่ก็ยังมีเหลืออยู่จํานวนไม่น้อยที่เฝ้าดูพระทุดงกรรมฐานที่ไม่มีใครรู้จักนั่งสงบสํารวมนิ่งอยู่กลางแพ่โดยเฉพาะที่ท่าน้ําแล้วก็เขื่อนหน้าวัดหนองแขมยังมีคนรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆเรือหางยาวลากแพรไปจนสุดเขตคลองบริเวณที่เกิดเหตุร้ายโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆมาแตะต้องได้สายศิน ได้สายสินซึ่งมัดทวงดินเหนียวธรณีสงห่อใบตองไว้เสร็จแล้วก็เรือหังยาวนี่วนกลับลากแพรทวนน้ํชาช้าย้อนมายังหน้าวัดหนองแขมอีกขณะที่แพรลอยเข้ามาถึงเขตวัดได้สายสินซึ่งจ่าตารวจถืออยู่ก็กระตุกวูบแล้วก็ห่วงตึงเหมือนกับมีสิ่งหนึ่งมาเหนียวรังจ่าก็รีบเรียกให้เพื่อนตำรวจมาช่วยกัน แล้วก็รีบสาวได้สายสินดึงขึ้นมาช้าๆเพื่อนตำรวจก็ตะโกนบอกให้เรือหางยาวหยุดอยู่กับที่ก่อนจากก็ดึงได้สายสินขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งสิ่งซึ่งปลายได้พันเอาไว้หลายรอบโผล่พ้นผิวน้ำจากก็กระชากพรวดเดียวขึ้นมากลิ้งอยู่บนแพรจากและเพื่อนตำรวจยืนมองตาค้างเมื่อเห็นชัดถนัดตาว่าสิ่งที่ได้สายสินพันรอบตัวเอาไว้นั้น มีลักษณะเหมือนกับทารกอายุสองสามขวบแต่ว่าแขนขามือเท้าสั้นใบหน้ากลมปากเล็กๆมีเขี้ยวแหลมเป็นซี่ๆทั่วร่างมีขนงอกออกมาดกหนาปกคลุมจนไม่เห็นผิวหนังเส้นผมบนศีรษะยาวสยายลงมาเกือบถึงปลายเท้าเป็นเส้นห ย, ยาบๆออกสีแดงปนเทาเวลานั้นเกือบหกโมงเย็นแล้วอากาศสลัวแล้ว คนบนฝั่งด้านน้ำท่าวัดหนองแขมได้ยินตำรวจบนแพตะโกนว่าจับพรายได้แล้วจะเง้อกันโอลแมนพวกหนุ่มๆ น, มนึงมองเห็นไม่ถนัดก็พากันโดดลงน้ำไห้มาที่แพหลายสิบคนขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนหลวงพ่อสวีสักว่ถอนจิตออกจากสมาธิพอลืมตาขึ้นยังไม่ทันจะทำอะไรจากตำรวจซึ่งสูญเสียลูกสาวสุดที่รักจมน้ำตายในคลองก็บังเกิดโทสะและความแค้นสุดขีดยกเท้าที่สวมทับบูดขึ้น ระทืบลงไปบนตัวประหลาดนี่เต็มเหนียวถึงกระท้องแตกกระจายร่างตัวประหลาดนี่ก็เหี่ยวแฟบบเล็กลงกว่าเดิมไม่ผิดกับลูกโป่งที่ถูกเจาะเอาลมออกส่วนพวกหนุ่มๆที่ว่ายน้ำมาดูพอมาถึงแพเขาแย่งกันปีนป่ายขึ้นบนแพเพื่อจะดูผีพรายน้ำให้กระจาตาแทบเอาอเล่นเอาแพแทบล่มต้องร้องห้ามมันโกลาหลไปหมดสิ่งที่เห็นท่านผู้ฟังมันเป็นตุ๊กตา ตัวใหญ่ใหญ่แบบที่เด็กเล่นนั่นแหละ่าลักษณะน่ากลัวนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ว่ามันจมน้ำอยู่นานเท่าไรแล้วจนกระทั่งมีตะไคร่ในจับเขียวพเยอพญาบเหมือนกับขนมองดูหน้ากเกลียดหน้ากลัวจิตวิญญาณร้ายของผีพรายน้ำเนี่ยเข้าสิงในตุ๊กตาตัวนี้ละ่ะที่ออก ออกกรลังทำเข็นก็ด้วยอาศัยอ่าร่างของตุ๊กตาตัวนี้หลังจากนําแพรเขาเทียบท่าแล้วก็ปล่อยชาวบ้านมุงดูกันนานพอสมควรหลวงพ่อทวีศักด์ก็บอกกับดันผุนหาหม่อใหม่มาใบหนึ่งแล้วก็เอาซากเจ้าผีพายน้ําเนี่ยใส่ลงในหม้อใช้ผ้าขาวเขียนยันปิดปากหม้อมัดเอาไว้จากนั้นก็นํามาหม้อดินใบนั้นมาเก็บไว้ในกุฏิเรือนแพรของท่าน เพื่อจะได้ทําการชาปนากิจให้มาถึงเวลาอันสมควรหลังจากหลวงพ่อทวีศักดิ์ท่านจับผีพรายน้ําได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นมีใครจมน้ําตายที่คลองหนองแขมอีกเลยส่วนหม้อดินที่ใส่ซากผีพรายนา้ําหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็ยังเก็บไว้ที่ท่านเนะี่ยแล้วก็อนุญาตให้อ่าหนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพได้ด้วยในช่วงนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้หม้อดินลูกนั้นจะยังอยู่หรือเปล่าครับ หลวงพ่อทวีศักดิ์จุตินทโรครับเจ้าอาวาสวัดสีนวลธรร ม, มวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับพูดถึงเรื่องผีผีสังสางนี่พื้นที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในอดีตแต่โบราณนี่เคยเป็นเมืองหน้าด่านมาก่อนปรากฏหลักฐานเป็นเนินดินสูงสูงหลายต่อหลายแห่งแล้วก็มีกองอิฐเก่าอิฐหักในจมดินอยู่เกลื่อนไปหมด บริเวณซึ่งเป็นเนินสูงเหล่านี้เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสถานที่ก่อสร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารแล้วก็พระเจดีอันวิจิตรงดงามแต่เมื่อการเวลาล่วงผ่านเลยไปประกอบกับถูกปล่อยทิ้งร้างว่างผู้ดูแลรักษาศาสนสถานเหล่านี้ก็พากันพังถลม่มล่มสลายไปอย่างหน้าอนาันตรเหลือแต่เพียงร่องรอยเอาไว้เท่านั้นเองเมื่อสมัยโบราณเขาว่าบ้านค่ายนี่เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ติดฝั่งทะเลชาวเมืองมีอาชีพประมงแล้วก็ค้าขายเป็นส่วนใหญ่ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตามสมควรแล้วต่อมาก็มีพวกยวนยกทัพเรือมาปล้นสะดมโจมตีตามหัวเมืองไทยชายทะเลบ้านค่ายเองก็ถูกพวกยวนใจทะมิ น, นจู่โจมราวีรังควานด้วยเหมือนกันชาวเมืองก็รวมกำลังกันต่อสู้แบบสุดใจขาดดินแต่ว่าสู้ไม่ได้เพราะว่าคนน้อยกว่าก็ถูกทหารยวนเข็นฆ่าล้มตายไปไม่ใช่น้อย ที่เหลือรอดชีวิตก็พากันกระเซาะกระเสิงหลบหนีเข้าป่าเข้าดงไปก็ปล่อยให้บ้านค่ายกลายเป็นเมืองร้างมาตั้งแต่นั้นการเวลาผ่านไปเนิ่นนานบ้านค่ายซึ่งเป็นเมืองร้างก็ถูกกลืนหายกลายเป็นป่าปกรกเรือคนรุ่นหลังที่เข้ามาหักร้างถางพงอยู่อาศัยก็มีเพียงน้อยนิดแล้วก็ยังชีวิตด้วยการประมงพออยู่พอกินไปวันวันครั้งนั้นท่านพระครูมี จาฤกตุดองรอนแรมผ่านมาถึงบ้านค่ายท่านก็ได้พบเห็นสาราทรงเก๋งจีนเก่าแก่ปกคลุมด้วยเวัลย์ไม้เลยอีกทั้งพบซากครกตำข้าวโบวราณทิ้งไว้ก็เกิดความสนใจท่านสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่าทํำไมไม่ช่วยกันบูรณะโบราณสถานกลางป่าขึ้นมาเล่าชาวบ้านก็กราบเรียนถวายท่านว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปใน ด, ดงไม้นะันดองหลวงพ่อเพราะว่าในดงนั้นมีเสือแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่ไม่ต่ำกว่าแปดศอกมันยึดครองอศาศัยอยู่ ขึนเข้าไปรบกวน ร, รังกวานมันก็เห็นทีจะเอาชีวิตไม่รอดกลับมาแน่ท่านพระกูมีนี่คล้ายๆกับมีวาสนาบา ร, รมีผูกพันอยู่กับสถานที่นี้ท่านก็มีศรัทธาเจตนาต้องการจะสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวรสืบไปท่านก็ปักหลอดลงที่นั้นแล้วก็ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันหักร้างถางพงสร้างวัดบ้านค่ายขึ้นชาวบ้านเห็นพระทุดงท่านไม่หวั่นไหวจากอันตรายจากฝือร้ายเจ้าป่า ก็เกิดกำลังใจหายกลัวก็มาช่วยกันถางป่าปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างวัดเสือแม่ลูกอ่อนที่ว่าร้ายนักไร้าหนาก็หายหน้าไปนับแต่นั้นวัดบ้านค่ายก็เริ่มต้นก่อสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อท่านพระครูมีวัสดุที่เอามาสร้างศาลาการประเรียนกุฏิพระเนนเป็นไม้เนื้อแข็งทางนั้นโดยโค่นล้มไม้ใหญ่มากมายในบริเวณนั้น บริเวณที่เป็นสาลาเก๋งจีนก็คือที่ตั้งของโบสถ์ซึ่งก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันเมื่อครั้งที่หลวงปู่วงเป็นเจ้าวาดวัดบ้านค่ายสมัยแรกๆสาลาการปรเรียนหอฉันแล้วก็กุฏิที่มีอยู่ก็ทุดโทมผุพังแทบว่าพระเนนจะอยู่จำภาษาไม่ได้กุฏิบางหลังก็ชำรุดทุดโทรมพังลงมาหมดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วหลวงปู่วงท่านต้องการบูรณนะแต่ก็ขาดปัจจัยไปเสียทุกอย่าง ญาติโยมแต่ละคนต่างก็มีฐานะฝืดเคืองยากจนเดยกันทั้งนั้นมองไม่เห็นทางจะะนุบำรุงวัดบ้านค่ายให้ดีขึ้นไปอย่างไดหลวงปู่วงท่านเป็นพระสายปฏิบัติพอท่านเป็นเจ้าวาดได้ไม่นานท่านก็รู้เห็นว่าภายในอาณาบริเวณทรณีสงแห่งนี้มีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าฝังอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วก็สมบัติในดินแต่ละแห่งแต่ละที่ก็ล้วนแล้วแต่มีเจ้าของเฝ้าดูแลอยู่ด้วยความหวงแหน สมบัติล้ำค่าเหล่านี้ถูกฝังไว้นานตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัยที่พวกยวนยกทัพเรือเข้ามาปล้นสะดมชาวบ้านชาเมืองที่มีทรัพย์สินเงินทองมีค่าก็นําสมบัติของตัวมาฝังไว้ในบริเวณที่ตั้งวัดบ้านค่ายปัจจุบันแล้วก็ตามถาม้าตามหลืบหินอันลับตาบริเวณใกล้เคียงนั้นก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีภัยกันไปคนละทิศคนละทางเจ้าของทรัพย์บางคนหนีไม่ทันก็ถูกทหารยวนฆ่าตาย ที่รอดไปได้กว่าห น, นีกระเซาอกระเซิงเข้าป่าเข้าเขาแต่ว่าไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดไปเสียชีวิตด้วยไขย่ป่าก็มากหรือว่าตะเลิดไปจนถึงถิ่นอื่นแต่ไม่กล้าย้อนกลับมาขุดเอาสมบัติของตัวที่บ้านค่ายก็มีในที่สุดเจ้าของทรัพย์ก็ตายตามอายุไขก็ทิ้งสมบัติอันมีค่าให้จมอยู่ในดินอยู่อย่างนี้ชัว่วการนา น, นเจ้าของสมบัติซึ่งได้ฝังดินไว้ก็มีความหวงแหนห่วงใหญ่ในสมบัติของตัว เมื่อตายไปแทนที่วิญญาณจะไปผุดไปเกิดตามผลบุญผลกรรมของตัวสายใยแห่งความหวงแหนในสมบัติก็อน่วงให้มาเป็นผีเฝ้าทรัพย์สมบัติของตัวจนไปไหนไม่รอดเมื่อหลวงปูวงรู้เห็นอย่างนี้ท่านก็ติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติทั้งหลายโดยติดต่อทางจิตขอยืมสมบัติอันมีค่าเท่าที่พวกเขาจะแบ่งปันให้ได้เพื่อนําไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามาซื้อวัสดุก่อสร้างสําหรับสร้างวัด ซึ่งจำรูสุดโสมนี่ให้มีสภาพกลับคืนมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมและเมื่อทางวัดได้เงินบริจาคจากสทาญาติโยมก็จะนำเงินไปซื้อของมีค่าในราคาเท่ากันนี่นำมาคืนให้จนครบถ้วนการเจราจาติดต่อกับวิญญาณเจ้าของสมบัติก็เป็นไปด้วยดีคราวนี้ผีที่ยอมให้หลวงปู่วงยืมสมบัติทั้งตัวก็นาของมีค่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายสร้อยกาไรทองคามาให้เรื่อยเรื่อ โดยบอกกับหลวงปู่ล่วงหน้าว่าจะนําของมีค่าเหล่านี้มาวางไว้ให้ที่ไหนเช่นที่ใจถุนสลาข้างซอกกุฏิบ้างวางไว้ใกล้อุโบสถบ้างหรือว่าใต้ฐานพระพุทธรูปบ้างเมื่อหลวงปู่วงใช้ลูกศิษย์ไปหาเครื่องประดับตามจุดต่างๆที่ผีบอกก็จะพบสิ่งของมีค่าจริงๆซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งด้วยสมบัติซึ่งผีให้ยืมเนี่ยก็ทําให้หลวงปู่วงมีทุนทรัพย์ใช้ใจ่ายในการบูรณะวัดบ้านค่าย ให้รอดพ้นจากสภาพทุดโทมขึ้นมาได้เมื่อญาติโยมรู้เรื่องอศัศจรรย์นี้ก็เกิดกำลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่งต่างก็คิดตรงกันว่าขนาดผีนี่ยังช่วยหลวงปู่สร้างวัดได้ตัวเป็นคนแท้ๆแล้วทำไมจะช่วยไม่ได้คราวนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกุศลช่วยกันบริจาคปัใจจัยให้แก่หลวงปู่วงไม่ขาดสายเมื่อท่านรวบรวมปัจจัยได้พอที่จะไปซื้อเครื่องประดับในราคาเท่ากันเพื่อนาไปคืนให้แก่ผีเจ้าของสมบัติตามสัญญา ท่านก็ติดต่อกับปวงวิญญาณซึ่งได้ช่วยเหลือท่านบุรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านค่ายจนสำเร็จบอกกล่าวแก่พวกเขาว่าบัดนี้ถึงวาระจะส่งคืนสมบัติมีค่าไปแทนสิ่งที่ได้ยืมมาตามสัจจะสัญญาแล้วหลวงปู่วงก็จัดการคืนให้เป็นรายรายไปโดยนำเครื่องประดับของมีค่าเนี่ยไปวางไว้ตรงจุดที่ผีมาบอกว่าจะมารับของคืนแล้วเมื่อไปดูตรงจุดน้ำภายหลังของที่วางไปก็หายไปโดยไร้ร่องรอย แต่ก็มีวิญญาณบางวิญญาณไม่ขอรับคืนยินดียกสมบัติของตัวถวายหลวงปู่วงร่วมทาบุญสร้างกุศลด้วยหลวงปู่ก็อนุมูทนาขอให้ได้เสวยพบเสวยชาติใหม่ที่ดีกว่าทุกรายไปนี่คือเรื่องจริงมาสะจันที่บังเกิดขึ้นระหว่างพระกับผีซึ่งปรากฏขึ้นแล้วแล้วก็นับเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าผีมีจริงอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คื อ, อเรื่องของหลวงปู่วง กับวัดบ้าน่ายที่เรานำมาเล่าให้ท่านฟังวันนี้ครับมีเรื่องของในคงกับในพันเนี่ยที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องเกิดสมัยนานมาแล้วชานเมืองนี่แหละกรุงเทพนี่แหละลำคลองแห่งนั้นเขาชื่อคลองขวาง สมัยก่อนในะยังเป็นชนบทมีบ้านเรือนผู้คนตั้งอยู่บนสองฝั่งคลองในะมีวัดประจําหมู่บ้านที่นี่เองก็มีเพื่อนสองสหายเป็นเพื่อนรักกันชื่อในคงแล้วก็ในพันทั้งสองเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ยาววัยทั้งพ่อแม่ทั้งสองบ้านก็เป็นเพื่อนบ้านกันสมัยที่ทั้งสองยังเด็กอยู่พ่อแม่ของทั้งคู่ก็ส่งเสียให้เรียนหนังสือภูมฟักเหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปที่รักลูกของตัวอยากจะให้ลูกของตัวเป็นคนดีมีความรู้ แม้ว่าตัวจะต้องทำนาเหนื่อยยากสักปานใดก็ทำได้เพื่อลูกรักของตนแต่ว่าเด็กทั้งสองมักจะเป็นเพื่อนหนีเรียนด้วยกันวิ่งเล่นสนุกสนานตามประษาะเด็กไปวันวันไม่ว่าพ่อแม่จะเขียวเข็นยังไงก็ไร้ผลยังความเสียใจแล้วก็นำเรื่องเดือดร้อนใจมาให้อยู่เสมอครั้นโตเป็นหนุ่มทั้งคู่ก็มั่วสมอยู่ในอใยมุกมาอยู่บ้านก็มักจะอยู่ที่โรงตีไก่กัดปลา หรือว่าโรงบอนไพ่ประจำหมู่บ้านโดยเล่นการพนันไม่รู้จักวันเวลาว่าจะมืดค่าลงเมื่อไหร่ทั้งสองคนหลงไหลยอยู่ในอบายมุกสร้างความทุกข์ร้อนใจให้กับพ่อแม่ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งนับวันท่านก็แก่ชาราลงเงินทองที่มีก็เหลือน้อยเพราะว่าโดนลูกล้างผลาญจะหวังพึ่งลูกก็หวังไม่ได้พ่อแม่ของนายพันซึ่งชารามากแล้ว ก็มอบผืนนาแผ่นดินทำกินสมบัติสุดท้ายของตัวให้แก่ลูกพร้อมกับพิพูดสั่งไว้เป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ลูกรักษาผืนดินสมบัติสินสุดท้ายของพ่อแม่ที่เหลืออยู่นะพ่อแม่หวังว่าเจ้าคงจะกลับตัวเสียใหม่มุ่งมั่นทำมาหากินเรายังไม่สายหรอกหากจะแก้ตัวเสียใหม่เริ่มแต่วันนี้อย่าให้โอกาสนิ้ผ่านไปเสียพ่อแม่ก็แก่ชราแล้วคงจะอยู่กับลูกอีกได้ไม่นาน นี่เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายของพ่อแม่แล้วนะต่อจากนั้นไม่ไม่นานไม่ถึงเดือนพ่อเขาในพันก็ตายต่อมาอีกไม่นานแม่ก็ต า, ตายตามไปอีกยังความเศร้าโศกเสียใจมาสู่ในพันเป็นอย่างยิ่งในพันก็ร้องไห้กอดศพแม่เหมือนจะจะขาดใจอยู่ที่สาวัตรแม่จะร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเรียกร้องให้แม่ของตัวฟื้นคืนขึ้นมาได้ ในพันก็นึกถึงความชั่วที่ตัวได้ทำต่อพ่อแม่ไม่เคยสนใจดูแลทุกสุขของพ่อแม่เลยปล่อยเวลาแต่ละวันให้มั่วสุมอยู่แต่ในอบายมุกตัวได้แต่เสียเวลาเสียดายเวลาที่ล่วงพ้นผ่านมามันสายเกินไปที่ตัวได้ทดแทนบุญคุณของปุปการีทั้งสองได้เสแลในงานศพแม่ของนายพันนั้นนายพันก็เศร้าซึมไม่ยอมออกไปพบหานายคงเพื่อนที่เคยเที่ยวเล่นด้วยกัน ความเศร้าของนายพันก็ทําให้ท่านสมภารเห็นท่านก็ปลอบใจให้ปลงเสียในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอย่าได้คิดติดอยู่กับความผิดสิ่งเก่าๆที่ตัวได้ทําไว้ชีวิตนั้มันยังไม่สายดอกหากเริ่มแก้ไขสิ่งผิดแค่แต่ในวันนี้เย็นวันนั้นนายพันได้ลาท่านสมภารกลับบ้านโดยจิตใจที่สงบเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่รู้สึกว่าจิตใจว้าวุ่นสับสนมาหลายวันเขาก็แปลกใจ ที่ว่าไม่เคยได้รับความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนแล้วเขาก็ฝันว่าพ่อแม่ได้มาในห้องนอนมาหาเขาที่ปลายเตียงนอนด้วยใบหน้าที่สดใส ย, ยิ้มแย้มท่านได้พูดก่อนที่จะไปพูดบอกว่าลูกเอ้ยพ่อกับแม่มีความสุขแล้วที่เจ้าได้พบชีวิตใหม่ถึงพ่อแม่จะลาลับจากโลกนี้ไปแล้วก็คงนอนตายตาหลับ วิญญาณของพ่อแม่จะมีความสุขมากถ้าจะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกเหมือนพ่อแม่ได้ฝากเจ้าไว้กับองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวโลกนะลูกนะจากนั้นร่างของท่านทั้งสองก็ค่อยๆเลือนรางหายไปในพันก็สะดุ้งตกใจตื่นแต่ภาพในความฝันนยังจําได้อย่างติดตาจนรุ่งสว่างครั้นพอรุ่งเช้าในพันก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะบวช ก็เดินทางไปหาท่านสมพานที่วัดท่านสมพานก็รู้สึกปลื้มปิติและอนุโมทนาในผลบุญครั้งนี้ก่อนวันบวชในพันได้ยกที่ดินของตัวที่อยู่ติดกับวัดให้เป็นสมบัติของวัดเพื่อตัวจะได้บวชได้อย่างสบายใจไม่หลงไหลในสมบัติติดตัวอีกต่อไปฝายในคงเมื่อทราบเรื่องว่าเพื่อนจะบวชก็มาหาที่บ้านต่อว่านายพันนั้นว่างโง่งม ง, งายสิ้นคิดทําไมถึงยกที่ดินเขาตัวเองไปให้วัดโดยไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร ถ้าเอาไปขายจะได้เอาเงินไปลงทุนเล่นกันในบ่อนคงจะได้กําไรตั้งเยอะแล้วการที่ในพันจะโกนผมบวชเป็นพระนั้นยิ่งน่าขำที่สุดเพราะมันจะอดความสุขสนุกสนานในชีวิตเหมือนอย่างที่เคยร่วมเสพร่วมกินด้วยกันอดเล่นไพ่อดกินเหล้าอดเที่ยวกลางคืนแต่ไม่ว่าในคงจะมาชักชวนอย่างไรในพันก็ไม่เปลี่ยนใจยังคงหนักแน่นอยู่เช่นเดิมความฝันน้องตัวใน ย, ยังจําได้อยู่อย่างติดตาติดใจ ตัวจะไม่เปลี่ยนใจในความปรารถนาดีที่พ่อแม่มีต่อลูกในพันบวชเป็นพระภิกษุได้ปีเสร็ จ, รจพ่อแม่ของในคงมาหาที่วุติขอร้องให้ท่านช่วยพูดว่ากล่าวตักเตือนในคงเพราะไหนๆก็เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าสภาพนิสัยในคงทุกวันนี้มีแต่เลวร้ายลงทุกวันจนตนซึ่งเป็นพ่อแม่ก็หมดหนทางที่จะแก้ไขได้ คั้นวันหนึ่งพระภิกษุพันธ์ก็มาพบนายคงก็ชี้แนะบาปบุญคุณโทษให้ในายคงได้ฟังไม่ว่าจะแนะยังไงนายคงก็ไม่ยอมรับฟังเพราะว่าจิตใจที่มันดิ่งลึกจมลงสู่นรกลึกลงไปทุกทีกลายเป็นคนติดเล่าเล่นการพนันอย่างชนิดที่เรียกว่าผีพนันเข้าสิงเอาที่นาของพ่อแม่ไปขายปล่อยให้พ่อแม่ลาบากไปเช่าที่นาเขาทามาหากินไม่นานพ่อของนายคงก็ตรอมใจตาย ต่อมาอีกเพียงเดือนเดียวแม่ในคงก็ตายตามเป็นลมสิ้นใจต า, ตายอยู่ที่คนามีชาวบ้านไปพบศพแล้วก็เอาศพมาไว้วัดในคงไม่ได้สนใจการตายของแม่เลยเพราะว่าตนมัวแต่มั่วสุมอยู่ในบ่อนการพานันกับสูบฟินอยู่ซึ่งทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มเหมือนก็ขึ้นสวรรค์ลืมเรื่องราวต่างๆโดยสิ้นเชิงศพของแม่ในคงนั้นพระภิกษุพันธ์จึงเป็นทุระจัดการให้จนถึงวันเผาศพ ในคงก็ไม่ได้มีเวลามาวัดเลยเมื่ออบายามุขเข้าครอบงาจิตใจในคงหนะักเข้าจากการเป็นมนุษย์ก็ได้สมญาใหม่จากชาวบ้านว่าเสือคงซึ่งเสือนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานมีนิสัยดุร้ายเสือคงทาการปล้นในหมู่บ้านแถบนั้นแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมีสมุนร่วมความชั่วอยู่ห้าหกคนด้วยกันการปล้นแต่ละครั้งก็ทารุนโหดร้ายฆ่าเจ้าทรัพย์ตายฉุดค่าหญิงสาวไปบาง ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้แก่คนในละแวกนั้นเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งทางราชการได้ส่งตำรวจออกตามล่าเสือคงแล้วก็สมุนซึ่งเสือคงก็กลายเป็นเสือลำบากเพราะว่าสมุนถูกยิงตายหลายศพและตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บเสือคงแอบหนีตำรวจเข้ามาในกุฏิของพระพันธ์โดยถือปืนเข้ามาขู่แต่พระพันก็ไม่ตกใจคงบอกให้เสือคงวางปืนลงเถอะ เพราะว่าในมือพระนั้นไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ดรือ ว, ว่าฆ่าใครได้นะมีแต่จะช่วยเหลือเมตตาแก่สัตว์โลกเสือคงก็วางใจวางปืนลงจากนั้นพระพันธุ์ก็จัดการรักษาบาดแผลให้พร้อมกับ น, นําเสบียงอาหารมาให้เสือคงก็กินด้วยความหิวกระหายเพราะว่าอดมาหลายวันพระพันธุ์ได้ขอให้เสือคงเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อโทษหนักจะได้เบาวบางลงและจะได้ไม่ต้องหนีหัวสุกหัวซุนอยู่อย่างนี้แต่เสือคงไม่ฟัง ซ้ายังขู่อาคาาว่าหากพระพันธุ์ไปบอกตํารวจถ้าตัวหนีรอดไปได้จะกลับมาฆ่าพระพันธุ์เสียแล้วก็เผาวัดซะเลยพระพันธุ์ก็ได้แต่ปลงเพราะว่าจิตใจเสือคงขณะนี้เหมือนคนป่วยหนักอาการนั้นยากที่จะเยียวยารักษาได้รุ่งเช้ามื้อเสือคงก็ได้จากไปฝ่ายพระพันธุ์ก็คงออกบิณฑบาตโปรดสัตว์โลกเหมือนเช่นเช้าปกติของวันอื่น แต่ภายในจิตใจของพระพันธ์นั้นได้แผ่ผลบุญกุศลให้เสือคงกลับใจโดยเร็วก่อนที่จะสายเกินไปตอนเพลนวันหนึ่งพระพันธ์ก็ได้ข่าวโจทย์จันจากชาวบ้านว่าเสือคงถูกตำรวจยิงตายแล้วสภาพศพลอยอืดติดอยู่ริมตลิ่งใกล้วัดเมื่อพระภิกษุพันไปเห็นก็ได้แต่ปลงอนิจจังในสังขารเพราะสภาพศพขึ้นอืดมแมลงวันตอมหึง เมื่อเจ้าหน้าที่นำศบขึ้นมาสภาพศพถูกยิงด้วยกระสุนหลายนัดเข้าที่ลำตัวในตาศพนิเหลือกลานปากอ้าเบิกกว้างแสดงว่าก่อนที่จะตายเนี่ยผู้ตายคงจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหลังจากที่มีการชนะสูตรพริกศพเสร็จแล้วพระพันก็นำศพเสือคงมาวัดศพเสือคงวันนั้นไม่มีใครเลยในหมู่บ้านมาเผาคงมีแต่พระพันกับสับปรเรอช่วยกันนำศพบรรจุใส่โลง ตัวศพและพระพันธุ์ก็จุดดอกไม้จันทเผาพเพื่อนซึ่งเห็นกันตั้งแต่ครั้งยังเด็กจนกระทั่งวันตายจากกันวันนั้นไม่มีเสียงใครร้องไห้ไม่มีความเศร้าโศก ข, ของใครทั้งนั้นทุกคนในหมู่บ้านดีใจที่เสือคงตายมีแต่คาสาบแช่งของชาวบ้านตามหลังศพไปสภาพศพของเสือคงวันนั้นทําให้พระพันนำมานั่งคิดตรึกตรองว่าเมื่อคนเราเมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว แม้แต่กล่องใบแคบๆที่เขาใส่เราไปเราก็เอาไปไม่ได้เนื้อหนังก็เน่าเปื่อยยังแต่จะเป็นอาหารของสัตว์เดรัจฉานเช่นหนอนเป็นต้นความดีต่างหากที่อยู่ให้อนุชนรุ่นหลังระลึกถึงสภาพศพของเสือคงจึงเป็นที่ปรงสังขารในการวิปัสสนาและก็ได้แผ่เมตตาจิตและผลบุญกุศลให้เสือคงหลังจากเสือคงตายไปไม่นานก็มีคนเห็นเปรตเปรตเสือคงอยู่ที่ป่าช้าหลังวัด ขนาดลำตัวเปรตนี่สูงใหญ่ราวกับยอดตาลยืนตัวขาวโพลนลำตัวนั้นมองดูผอมแห้งหิวโซตาดีแดงกํายืนโบกมือใหญ่ขนาดเท่ากระดง้งโบกไปโบกมาส่งเสียงร้องกรีดกรีดด้วยความเจ็บปวดและโหยหวนคืนเดือนมืดหลังป่าช้าวัดพระพันมาเดินจงกรมคอยพบเปรตเสือโครงคันแล้วได้เวลาสักคู่ เปรตเสือคงก็ออกมาปรากฏตัวพระพันธ์ก็ได้แผ่ผลบุญและเมตตาให้เสียงร้องหวีดแหลมเล็กๆก็ค่อยๆเบาลงจากนั้นก็เงียบสงัดร่างของเปรตเสือคงก็ค่อ ย, อ ย, อยๆเลือนลางจางหายไปชาวบ้านต่างหวาดกลัวเปรตเสือคงต่างก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อเสือคงจะได้ไปเกิดไม่ต้องมาเป็นเปรตส่งเสียงร้องขอส่วนบุญอยู่อย่างนี้ต่อไป หลายปีต่อมาวิญญาณเปรตเสือคงก็ค่อยๆเรือนรางจางหายไปไม่มาส่งเสียงโหยหวนรบกวนอีกต่อไปจนกระทั่งมาลาครั้งสุดท้ายนี่หน้ากุฏิพระพันตอนดึกคืนนั้นวิญญาณเปรตเสือคงในร่างดำธรมืนมาหาพระพันเมื่อพระพันออกมาดูร่างทรมืนดำนั้นก็ก้มลงมากราบสามทีพระตนหมดเวรกรรมในขุมนรกที่เป็นเปรตแล้วแต่ก็ยังคงจะต้องไปใช้กรรมในขั้นอื่นต่อไป เรื่องราวของเปรตเสือคงกับพระพันเนี่ยเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาชั่วรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานระหว่างผลแห่งความดีและความชั่วที่ต่างก็มีผลตอบแทนทั้งสองอย่างไว้เป็นอนุสรให้ชนรุ่นหลังได้จดจำว่า mm. เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา เดี๋ยวมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของลางรายตั้งหนตังว น, นี่กระชอบเอาเรื่องแบบเนี้มาพูดเรื่องลางไม่ดีอะไรต่ต่างๆเวลามีใครสักคนในหมู่บ้านล้มตายขึ้นมาแกก็จะเที่ยวไปถามญาติพี่น้องใกล้ชิดของคนตายว่าก่อนจะตายในยคนตายพูดได้บอกอะไรบ้างญาติ ย, ยก็เล่าให้ฟังแกก็จะเอามาเล่าต่ออย่างเป็นตุเป็นตะ เล่าให้ใครต่อใครฟังแล้วก็รวมถึงตัวคุณมุกดาด้วยอยู่มาวันหนึ่งนางจันมีลูกสองคนผู้ชายกับผู้หญิงลูกโตและคนเล็กเพิ่งจะเรียนจบปวชตัวนางจันเองเป็นแม่ค้าร้านอยู่ปากซอยใกล้ถนนใหญ่เขาเกิดตายตายเพราะมอเตอร์ไซค์ขับไปซื้อของเข้ามาในร้านขาจะกลับจะเลี้ยวขวาข้ามถนนมาเข้าทางแยกเข้าร้านไม่เห็นรถพีกาบหรือยังไงไม่รู้นะ คนที่เห็นเหตุการณ์เขาว่าอึกอัดก็เลี้ยวเลยอีกอัพที่ขับมาได้ความเร็วก็พุ่งเข้าใส่เสียงดังสนั่นจะไปเหลืออะไรโดนเข้าเต็มๆอย่างนั้นสวดสามคืนแล้วก็เผาอ่านางจันร์ตาคนนี้ก็ไปรู้มาว่าก่อนที่นางจันทร์จะตายหงนั่นนางมีลักษณะเหมือนกับคนที่ตายแล้วอคนพูดอย่างนี้ก็คือลูกสาวเขาเองอะ่ะลูกสาวนางจันท์เล่าว่าก่อนที่แม่จะตายวันหนึ่งตอนบ่ายๆคนเงียบๆไม่เข้าร้าน แม่ง่วงนอนก็ไปเอนหลังยีบที่หลังร้านลูกสาวเป็นคนไปดูร้านแทนแม่พอเข้าไปหลังร้านก็เห็นแม่นอนบนเตียงไม้นอนเหยียดยาวอย่างกะคนตายไม่มีผิดเห็นแล้วก็นึกอย่างนั้นทันทีเลยแล้วก็รู้สึกตกใจก็รีบปลุกแม่กลัวแม่จะตายไปจริงๆแต่แม่ก็ไม่ยอมตื่นก็ตกใจมากก็รีบเรียกพี่ชายให้มาช่วยกันดูแม่นางจันนอนไม่ไหวติงเหมือนกับหยุดหายใจไปแล้วเนื้อตัวอ่อนเปียก เธอกับพี่ชายก็ช่วยขยา่าเรียกปลุกแม่เป็นการใหญ่จนแม่เริ่มรู้สึกตัวพอแม่ตื่นก็โล่งใจไปตามกันนางจันก็มองหน้าลูกสาวกับลูกชายถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหน้าตาตื่นกันเรื่องอะไรลูกก็เล่าให้แม่ฟังนางจันก็บอกว่านอนไม่รู้สึกตัวเลยฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักที่นั่นนะไม่มีต้นไม้สักต้นมีแต่ที่โล่งๆไม่มีบ้านไม่มีเรือน แต่มีผู้คนที่หน้าตาท่าทางแปลกๆอยู่กันหลายคนแต่ไม่สวมเสื้อกันเลยสักคนแต่และคนก็นุ่งผ้าแดงนุ่งแบบคนโบราณก่อนๆเ น, นี่ยมีคนหนึ่งท่าทางเป็นหัวหน้านั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่มากกําลังซักถามคนอื่นๆพอถึงนางก็ถามว่าชื่อจันทใช่ไหมพอดีลูกปลกตื่นขึ้นมาก็เลยไม่ทันได้ตอบอะไรก็เลยไม่รู้ว่าที่นั่นะเป็นที่ไหนอ่า ตังหวนคนที่เล่าเนี่ยบอกว่าที่นางจันทร์ฝันเห็นไปนั้นคงไปมาจริงๆและแกเชื่อว่าต้องเป็นขุมนรกแน่ๆแล้วที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวใหญ่มากนี่นก็น่าจะเป็นยมาบาลแล้วนางจันทรก็ต้องประสบอุบัติเหตุตายสยองดังกล่าวเนี่ตังหวนเขาว่าอยู่ต่อมาอีกไม่นานก็มีข่าวว่าใาบุญใายบุญนี่เจ็บป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านมีอาการสุดหนักลูกหลานทําบุญต่ออายุถวายสังฆทานนิมนต์พระมาสวด แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยมีบางคนถึงกับพูดออกมาว่าเห็นทีจะแย่อยู่ๆก็มีคนหนึ่งแนะนำให้แก้เครส์ด้วยการไปซื้อโลงศพเอามาให้แกนอนนอนในโรงทําเป็นว่าตายแล้วแล้วก็เอาโลงนั้นไปถวายวัดมีญาติบางคนก็ค้านว่ามันเป็นล้างไม่ดีแต่ญาติอีกคนก็บอกว่าลองดูเพื่อจะช่วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องถามความสมัครใจของคนป่วยก่อนว่าจะเอาไหมยใยบุญได้ยินเข้า กูยังไม่ตายเนีจะเอาโรงๆทาไมฮะพวกมึงอยากได้สมบัติกูกันนักใช่ไหมเลยมาแฉ่งชักหักกระดูกูอย่างนี้อีพวกหานี่ลูกหลานก็ต้องช่วยกันพูดให้แกเข้าใจแต่กว่าแกจะเข้าใจก็กินเวลานานเป็นวันๆเพราะแกปักใจเชื่อว่าพวกลูกหลานกําลังอยากให้แกตายไปพ้นพ้นไปพวกเขาจะได้ครอบครองสมบัติบรรดามีของแกที่แกสู้สาหัสสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอีกวันต่อมาจึงได้ไปซื้อโรง หลังจากที่ยายบุญเข้าอกเข้าใจแล้วเขาก็ทำพิธีแก้เคล็ดกันหน้าที่บ้านแต่ก็ไม่อาจจะหลอกพญามัจุราได้ตกดึกคืนนั้นเองญาติสนิทที่มานอนเป็นเพื่อนกันที่บ้านหลังนั้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ว่ากันว่าเป็นเสียงแมงมุมทุบ อ, อกเสียงนี้ถือว่าเป็นลางร้ายอย่างหนึ่งจะต้องเกิดเหตุร้ายที่บ้านหรือว่ากับคนในบ้านหลังนั้นเท่านั้นไม่พอมันยังซ้ำร้ายอีกด้วยเสียงนกแสกนก ผีเนี่ยมันบินข้ามหลังคาส่งเสียงแกว้แกดังลั่นหน้าสยดสยองยิ่งนักนะทำให้คนลุกเร็วกันไปทั้งบ้านที่หลับอยู่ก็ถึงกับสะดุง้งตื่นลืมตาโผงใจคอไม่ดีไปตามกันเจ้าเสียงนกแสกนี่คนโ บ, บราณโบราณถือกันนะักว่าถ้าบ้านไหนมีคนเจ็บป่วยอาการเพียบหนักอยู่แล้วนกผีนี่มาร้องข้ามหลังคาก็เชื่อได้เลยว่าจะไม่รอดชีวิตผ่านค่ำคืนไปถึงวันรุ่งขึ้นหรอกเสร็จแล้วมันก็จริงซะยิ่งกว่าจริง ยายบุญหมดลมหายใจไปตอนตีสามขวา่าเสียงดังครอกครอกคนไปดูก็รู้ว่าแกหมดลมไปเรียบร้อยแล้วเออนอนในโรงก็ไม่รอดแกเคร็ดไม่สําเร็จหลอกยมมาทูนไม่ได้ตังหวนคนชอบเรื่องรางร้ายเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าอย่างละเอียดละออเชียวเล่าจนคนฟังนึกกลัวจนใจคอไม่ดีทําเอานอนไม่หลับไปเลยในคืนนั้น ่อยระแวงว่าจะได้ยินเสียงนกแสกผีมันร้องเหนือหลังคาบ้านอ่าพอจะค่อยยังชั่วสบายกายสบายใจดีอีตังหวนก็มาอีกมาชวนคุยมาพูดถึงเรื่องรางร้ายอีกแกก็ว่าเรื่องรางทั้งหอนเนี่ยถ้าเป็นในตัวเมืองใหญ่ๆคนเยอะๆไม่มีเสียงนกแสกไม่มีเสียงแมงมุมทุบ อ, อกก็มักจะมีรางร้ายอย่างอื่นให้เห็นกันอย่างคนที่เดินมากลางแดดแล้วก็มีคนอื่นเห็นว่าไม่มีเงาหรือว่ามีเงาเหมือนกันแต่ไม่มีเงาหัว คืเอเงาหัวขาดหายไปนั่นก็ถือว่าเป็นลางร้ายน่ากลัวอีกอย่างหนึง่งไอคนฟังก็ฟังแกพูดไปก็กลัวกันไปเออเออคนเรามันก็กลัวตายอะนะยิ่งถ้ามาเล่าไอเรื่องพันอย่างงี้ขึ้นไปด้วยมันก็ยิ่งกลัวกันใหญ่ทีเดียวอืมตังหวนนี่แกก็ชอบเล่าจริงๆริเนี่ยไอเรื่องพันอย่างี้ก็พระผ่าเลยอ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 ปาก็สวดคาถาเป็นเวลานานแล้วก็ถามอีกจะออกไห้ออกเจ้าผีก็ยืนการมายอมออกจนในที่สุดพ่อหมอก็ใช้ยุทธการท่านแตกหักกับเจ้าผีจอมดือ้อใช้ทูบตีจุดลุกโชนเป็นไฟในฟาดลงบนหัวนะ่ะเป็นเวลานานในที่สุดผีจอมดื้อก็ยอมแพ้บอกออกแล้วจะไปแล้วหมอผีก็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนเจ้าผีจอมดื้อก็บอกว่าอยู่บนภูเ ข, ขาลูกนี้มานานแล้วมีอยู่วันหนึ่ง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 คุณประทีปแกเล่าให้ผมฟังว่าสมัยเมื่อตอนแกยังเป็นเด็กเนี่ยแกอยู่กับย่าที่ลบบุรีครับใกล้ๆบ้านย่าเนี่ยติดกันเนี่ยมีบ้านของยายมุยยายมุยนี่เขาว่าแกเป็นคนแปลกแปลกไม่ค่อยถูกกับย่าแต่บ้านอยู่ติดกันเสร็จแล้ววันนั้นเนะี่ยคุณประทีปเนี่ย เดินผ่านจะออกหลังหมู่บ้านไปเล่นกับเพื่อนๆก็เหลือบไปเห็นเยมุยผมขาวนี่นั่งยองๆทำอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างๆ ข, ขอบรัว้วก็เลยนึกออกว่าย่าเคยสั่งเอาไว้เองจะเล่นอะไรก็ให้มันได้ประโยชน์มั่งนะถ้าเองเห็นนางมุยมันเกาะแกะอยู่แถวขอบรั้วนี่มาบอกย่าเลยนะคุณประทีปก็เลยหยุดมองดูเย่มุยแกก็คงจะเห็นแล้ว เพราะว่าอยู่ห่างกันไม่ถึงสองวาแต่พอคุณประทีปมองแกแกก็ทำเป็นมองไม่เห็นเอาใบไม้ไผ่เนี่ยเคี่ยใบไผ่ก้ามปูแห้งแกทำเหมือนกวาดใบไม้ได้วยกิ่งไผ่เสร็จแล้วคุณประทีปก็รีบวิ่งกลับเข้าบ้านลงไปใต้ถุนย่าไม่ได้อยู่ที่นั่นอ้าวนึกได้ยาคงจะอยู่บนบ้านก็เลยรีบขึ้นไปบอกให้ยารู้จริงและไอ้ที อ, อจิงยา แกอยู่โน่นแน่เดี๋ยวไปดูกันมันรุกร้วออีกแล้วละ่ะตอนนั้นย่าป่าคอสั้นในรีบชวนคุณประทิบยลงเรือนไปทันทีก็ตามย่าไปติดติดพอมาถึงข้างรั้วก็ไม่เห็นใหญ่มุ้ยแล้วย่าก็ถามว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนคุณประทิบก็บอกตะกี้อยู่ตรงแย่ย่าหายไปแล้วย่าก็บอกสงสัยมันจะหนีไปแล้วทีนี่มันร้ายมากเผลอไม่ค่อยได้ เท่านั้นเองร่างยายมุยแกออกมาจากแถวแถวกอไผ่ที่แกแอบอยู่อ่าแกโดนย่าว่าแกทนไม่ไหวก็ออกมาชี้หน้าด่าย่าชอดชอ ด, ชอดย่าก็ไม่ยอมก็เลยด่าไปบ้างทีนี้ก็เลยด่ากันใหญ่พอดีพ่อคุณประที่กลับมาจากสวนมะม่วงมาหยุดมองดูยยมุยเห็นพ่อก็รีบสงบปากสงบคาเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนเอาจิงอ่าไม่พูดมาก ก็เลยทำให้เย่มุยขยาดรีบหนีกลับขึ้นบ้านไปอยู่ต่อมาเย่มุยเกิดช็อกตายที่ข้างๆรั้วบ้านหน่าแปลกว่าทำไมแกถึงตายเหมือนกับจะประจานตัวแกเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะว่าตรงนั้นข้างๆร่างของแกมีเสียมมีหลุมที่แกขุดมีเสาหลักเขตดหรือที่เขาเรียกกันว่าเสาหินนะ่ะแสดงว่าแกกำลังเตรียมที่จะลุกที่คืนนั้นเขาตั้งศพสวดที่บ้าน หมาหอนทั้งคืนเสียงเย็นเยาเยื่อเข้าหัวใจอยู่ๆคุณประที่ก็จับไข้ขึ้นมาดือด้อๆโดยไม่ได้มีอาการว่าจะไม่สบายมาก่อนเลยแล้วต่อมาก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนกับว่านอนหลับไปอย่างนั้นเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าบนบ้านน่ะมีคนอยู่เต็มไปหมดคงจะดึกมากแล้วเพราะว่าคุณประที่เห็นคนพวกนั้นมองดูตัวเองอยู่อ่ากําลังนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆหนุนหมอนเห็นแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ไม่บอกแต่ว่ากอดอ่ากอดตัวคุณประทิพไว้แล้วก็ร้องไห้ส่วนย่าก็บอกว่าเองน่ะโดนผีเข้ารู้หรือเปล่าเอ้ผีอะไรเข้าเนี่ยตกใจมองไปก็เห็นหมอจางหมอผีที่เก่งกาดของหมู่บ้านเนี่ยนั่งมองอยู่ไม่ได้พูดอะไรอ่าพอเห็นแกก็รู้สึกกลัวแล้วแกก็ถามว่าเองเป็นใครอ่ะอ่าคุณประทิพก็บอกก็เป็นผมมะสิ แกก็ถามว่าชื่ออะไรผมก็บอกว่าชื่อประทีบแกก็ยิ้มพยักหน้าเงึกเงึกบอกเออผีมันออกไปแล้วจริงๆเสียงก็เป็นเสียงของเอองตะกี้ไม่ใช่เสียงเอองอะเป็นเสียงเ ย, ยมุยคุณประทีบก็รีบถามแม่ว่าเ ย, ยมุ้ยมาเข้าสิงผมเหรอแล้วแม่แม่ก็พยักหน้าบอกว่าใช่น่ะสิเข้าสิงเอองไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรออกมาเยอะแยะดาย่าญาด้วยละ่ะอ่าเสร็จแล้ว คุณประที่ว่าตกใจรีบยกมือไหว้ขอโทษย่าย่าก็บอกว่าไม่ใช่เองหรอกอีมุยทหารที่มันดา่าข้าหมอจางบอกว่าต้องระวังคุณประทีพ่พอดีเอาสายศีลที่ผูกข้อมือออกะที่ข้อมือข้างซ้ายนะ่ยมีด้ายสีขาวผูกอยู่ที่คอก็มีอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกสายศีลกันผีย่าบอกให้รู้แล้วก็ตบหลังตบไหลคุณประที่บงเอ็นดูรักใคร ทีนี้ก็สงสัยว่าเ ย, ยมุย้ยแกโกรธแค้นคุณประที่เรื่องอะไรคงจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่คุณประที่ไปบอกย่าที่เห็นแกอยู่ข้างรั้ววันนั้นแกผูกใจเจ็บตายไปแล้วก็ยังอาฆาตก็เลยเข้าสิงช่วงที่เ ย, ยมุ้ยสิงอยู่แม่เล่าให้ใครต่อใครฟังว่าคุณประที่เนี่ดุร้ายมากเกลี้ยวกราดชี้หน้าด่าย่าเสียเสียหายหายหาว่าย่าเป็นคนชั่วร้ายต่างๆนานาแล้วว่าแม่ด้วยแถมยังด่าพ่อ นอกจากนั้นก็ลั่นปากว่าจะเอาย่าให้ตายเลยคอยดูไปเถอะหลังจากเหตุการณ์นั้นย่าก็าระวังตัวมากตกกลางคืนก็จะเข้ามุ้งนอนไม่นั่งกินหมากอยู่คนเดียวอีกตามธรรมดาแล้วหัวค่าในย้าจะนั่งกินหมากเคี้ยวหยับหยับยั บ, ยบอยู่ตรงระเบียงบ้านในความมืดเนี่ยผีไอ้มุ้ยนี่ไม่ใช่ล้อเล่นซะแล้วแกไปที่บ้านของแกเองคืนที่เขาทำบุญเจ็วันให้ลูกหลานแกร้องวีดไว้กันไปทางบ้าน เขาเล่ากันว่าแกมายูนแข่งพื้นที่หัวบันไดให้ลูกหลานเห็นต่างก็หวาดกลัวหนีกันโอลแมนเสร็จแล้วแกก็หายไปดวงวิญญาณของคนคดคนโกงคนละโมกอยากจะได้ของคนอื่นเอามาที่บ้านเกือบทุกคืนมาที่ห้องที่เรือนที่ใช้เก็บข้าวของต่างๆอ่ะหายก็ไปในนั้นแล้วก็มีเสียงรือ้อเสียงค้นหาอะไรสักอย่างลูกหลานนอนกันตัวแข็งเนี่ยเพราะความกลัวเสร็จแล้วแกมาเข้าฝันลูกสาวคนโต ถามว่ากระป๋องเก็บเงินน้องแกหายไปไหนกระป๋องเก็บเงินนั้นลูกสาวทิ้งไปแล้วเอาเงินไปใช้จนหมดแล้วอะ่ะแล้วในฝันก็บอกแกไปย่างงั้นตามความจริงทําให้แกโกรธมากแกตบหน้าลูกสาวฉาดเลยลูกสาวสะดุ้งตื่นมือคลําหน้ารู้สึกเก็บเหมือนโดนตบจริงๆเสร็จแล้วคืนหนึ่งคนในบ้านของแกก็ได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาอยู่ในความมืดที่ชานเรือนแล้วก็ไปหยุดอยู่ข้างโอ่งน้ํา มีเสียงเปิดฝาโอง่งอลูมิเนียมมีเสียงขันตักน้ํามีเสียงดื่มน้ําอักอักอย่างคนหิวเต็มที่ได้ยินเสียงแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวก็จะเหงื่อแตกสมัยที่ยายมุยยังมีชีวิตก็ว่าแกชอบตื่นมาดื่มน้ําตอนดึกดึกอยู่เสมอแล้วแกมักจะดื่มน้ําดังอักอั ก, อ, กอยู่มาคืนหนึง่งปรากฏว่าแกทําให้มีกลิ่นเหม็นไปทั้งบ้านพราทุกคนตื่นกันหมดแล้ว แกก็สั่งให้เอาเงินที่ลูกสาวคนโตเอาไว้ใช้คืนแกเสียให้ใส่บาตไปให้แกไม่อย่างนั้นจะเจ็บไข้กันทั้งบ้านลูกสาวคนโตคือป้ามวนนี่หนาวสั่นเนยด้วยความกลัวตอนเช้าเนี่ยไปวัดถวายเงินให้หลวงพ่อกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณใหญ่มุย้ยหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็สงบลงสงบที่นั่นจะกลับมายุ่งยากที่บ้านคุณประทิ่เพราะว่าใหญ่มุ้ยนี่อาฆ่าญ้ามากอยู่ดีๆญ่าล้มเจ็บ ปวดท้องอย่างกรใครเข้าไปบิดไส้หาหมอรักษากินยาก็ไม่หายหน้าตาย่านี่หมองคลำท่าทางย่ำแย่แล้วพ่อก็เลยหาหรือกับหมอจ่างซึ่งเป็นหมอผีหมอจ่างก็มาที่บ้านพ่อย่าเลือเผิดหมอจ่างท่า น, นั้นก็รีบพลิกร่างนอนหันหลังให้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหมอจ่างก็นั่งร้งใกล้ๆย่าตอนนั้นเย็นมากแล้วแสงตะวันอ่อนเหลืองสาด ไปต้องต้นมาขามใหญ่เสร็จแล้วลมก็พัดใบตองกล้วยคุณประทีพก็มองดูย่าว่าย่าจะทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าย่าจะกลัวหมอจ่างเอามากๆกลัวทำไมไม่รู้หมอจ่างถามย่าด้วยเสียงแบบคนกันเองบอกว่าเป็นยังไงมังยายย่าไม่พูดนอนหันหลังให้อย่างเดียวเป็นอะไรไปแล้ว ปวดท้องหรือไงไม่พูดไม่จาเลยอะ่ะยาก็ยังเงียบหมอจาง ก, ก็ล้วงมีดหมอออกมาจากยา่ามเอามาเคาะที่พื้นกระดานโป๊กโป ก, โ ป, กปากขมุบขมิบคงจะท่องคาถาไปด้วยปรากฏว่าพหมอจางเคาะโปก๊กนี่ยาก็สะดุง้งเฮือกทุกทีอะ่ะนะเคาะก็สะดุง้งเคาะก็สะดุง้งนะอา้าวเป็นอะไรไปอายายยาที่ไม่ยอมพูดก็ร้องพอแล้วพอแล้วหยุดเคาะได้แล้ว เป็นอะไรแล้วทําไมจะเคาะไม่ได้ไม่ชอบหนวหูจะนอนหมอจาง ก, ก็ขยับเข้ามาใกล้ยาเคาะมีดใกล้ๆโป๊กๆ้าตัวสันเลยาขยบร่างหนีหมอจาง ก, ก็กระซิบกระซาบกับพ่อได้ยินแว่วๆบอกผีเข้าพ่อก็ไปยักหน้าหมอจาง ก, ก็หันไปบอกยาว่าหันมาทางนี้หน่อยสิจะถามอะไรสักนิดนึงนะแต่ยาไม่ยอมหันนอนตะแคงเอามือปิดหู หมอจางเคาะมีดดังโปกๆยาก็อร้องโอ้ยทนไม่ไหวแล้วจะเคาะทําไหมฮะหยุดเถอะหยุดหมอจางก็เคาะต่อไปอีกไม่ฟังเสียงอ่ะยา่าก็ร้องดิ้นเร่าๆตะวานหมอจางเสียงเกรี้ยวกราดนะเสียงน่ยมันเหมือนเสียงใหญ่มุยไ ม, ม่ผิดโอ้ยหยุดไว้บอกให้หยุดได้แล้วหยุดหมอจางเคาะต่อออกไปสิมาอยู่ในร่างคนอื่นเขาทาไมอ่า แกเป็นใครแกมาจากไหนอ่นะย่าไม่ตอบหมอจาง ก, ก็เคาะมีดรัวทีขึ้นย่าก็บิดตัวโอ้ยทนไม่ไหวแล้วว้อยไปแล้วกูไปแล้วหมอจาง ก, ก็รีบถามว่าแกคือยายมุ้ยใช่ไหมอ่ะย่าก็ไม่ตอบสะดุ้งเฮือกใหญ่แล้วก็นอนแน่นิ่งไปแม่ก็รีบเข้าพยาบาลยา่ายาดมยาหมองทรงกลิ่นไปทั้งบ้านนะนวดเว้นกันต่อมาญ้าก็ฟืน้น ก็ถามว่าตัวแกเป็นอะไรไปจำอะไรไม่ได้เลยแม่ก็บอกว่าผีน่ะเข้าย่ายากตกใจถามว่าผีใครหมอจาง ก, ก็บอกว่าคงจะเป็นผีเอ่ยมุยยอ่างแหละยาอ่อนล้าเลยบอกโอ้ยมันอาคาตเหลือเกินวิญญาณเยมุยพยายามเข้าสิงยาอีกหลายหนหมอจาง ก, ก็แก้ได้ทุกทีนะไม่แต่เข้าสิงยานะตัวคุณประทีบเองก็โดนเข้าถึงสามครั้ง มีครั้งหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่ที่หน้าบ้านเล่นน้ํากับเพื่อนโดดน้ํามันตูมตูมตูมส่งเสียงร้อเล่นกันเอะตโรรันลําคลองไปหมดนะอยู่ๆรู้สึกว่ามีใครมาฉุดขาคุณประทีีก็ดิ้นรนเต็มที่ร้องให้เพื่อนช่วยมือก็พุยน้ำํำอ่าขาก็สะบัดกระชากจะให้หลุดจากการโดนฉุดรั้งของมือที่แข็งทื่อใต้น้ำไอ้พวกเพื่อนๆนอก็นึกก็ล้อเล่นก็บอกเอ้ยแหมทําเหมือนคนจมน้าจริงๆแล้วอะ่นะอะ คุณประทีบก็บอกไม่ได้แกล้งมีมือฉุดจริงๆเสียงร้องลั่นเน่ยดังไปถึงหูพ่อที่กำลังอยู่บนบ้านพ่อก็พรวดออกมาเห็นกำลังย่ำแย่เนี่ยพ่อโดดน้ำตมูมไหวมาช่วยทันเวลาพอดีคุณประทีบกินน้ำเข้าไปท้องกลางเนี่ยสำลักน้ำเกือบตายอยู่แล้วตอนนี้แหละพวกเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าไม่ได้แกล้งขึ้นบนฝั่งคลองแล้วพ่อก็ดุเพื่อนๆว่าไม่ช่วยกัน พวกนั้นก็บอกไม่รู้ว่าจมน้าจริงๆนึกว่าแกล้งส่วนคุณประทีพก็มองที่ข้อเท้าข้างขวาเห็นมีรอยแดงๆที่โดนฉุดรั้งอย่างรุนแรงเสียขวัญเลยย่าต้องพาไปรถน้ำมนต์ที่วัดเรียกขวัญให้กลับมาย่าก็บอกคงจะเป็นผีมุ้ยแนนแน่คนอื่นก็เห็นอย่างเดียวกับย่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ยอมมันอีกแล้วเบื่อเต็มทีเป็นคนมันเรื่องอะไรจะต้องไปกลัวผี ผีสิมันต้องกลัวคนอย่าทนไม่ไหวพูดดังลั่นบ้านเลยตอนนั้นเช้าอ่าคงจะคุยกับแม่แหละอะแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงแม่เลยแม่เงียบได้ยินแต่เสียงยา่ามันรบกวนกันมากเกินไปอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาหมอจ่างไปเอาหมอจ่างมาเลยจับมันไปถ่วงน้าไม่สิ้นเรื่องสิ้นราวเสียงที่ย่าพูดจะคงจะดังไปถึงหูคนบ้านใหญ่มุยเพราะว่าอยู่ติดกัน ลูกหลานก็เลยไม่พอใจส่งเสียงสาบแช่งย่าขนใหญ่แม่ได้ยินก็เล่าให้ย่าฟังย่าเขายิงโมโหเอามือตบแผ่นกระดานเรือนดังปังใหญ่คืนนั้นปรากฏว่าย่าดินส่งเสียงร้องอยู่ในมุงทุรนทุรายบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยจะตายอยู่แล้วพ่อก็ถามว่ามันเป็นยังไงย่าก็บอกอีมุยมันจะฆ่ากูอีมุยมันจะฆ่ า, มมาไม่มีหรอกแม่ไม่มี ไม่เห็นมีใครเลยมันไปแล้วมันไปตะกี้เนี่มันมาบีบคอกูหายใจใไม่ออกเลยพ่อก็ไปดูที่คอย่ามีรอยช้ำแดงจริงๆด้วยพ่อพยักหน้ามองหน้าแม่แม่ก็ดูที่คอย่าด้วยอ่าก็บอกว่าสงสัยผีใหญ่มุ้ยมาจริงๆตั้งแต่วันนั้นย่าก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนอนอยู่ก็สะดุ้งวหวาดผวากลัวผีใหญ่มุย้ย ย่าให้แม่พาไปหาพระไอ้ท่านรถน้ำมนต์ได้ไสายศิลก็ไปเอามาแต่ย่าก็ยังไม่ไหวโดนรบกวนพ่อจะพาย่าไปโรงพยาบาลย่าก็ไม่ไปร่างกายย่าไม่ไหวแล้วผอมลงทุกทีแล้วก็มักจะเห็นใหญ่มุยมาหาโบกมือไล่ให้ไปเสียงดังกลางดึกเนี่ยคุณประที่นี่ตกใจตื่นทุกคืนเพราะเสียงย่าหมอจางกับหมอผีหลายคนต่างก็มาทําพิธีต่างๆนาน า, นา แต่ไม่อาจจะเอาชนะวิญญาณอาฆาตของเยมุยได้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีเยมุยนี่แข็งเหลือเกินทําอะไรมันไม่ได้เป็นดวงวิญญาณของคนคดคนโกงเป็นดวงวิญญาณของคนโลภคนเจ้าเล่ย์เพรทุบายนี่ปราบยากพ่อตัดสินใจพาญายไปโรงพยาบาลอุ้มไปเลยไม่บอกให้รู้ว่าจะพาไปไหนย่าเห็นโรงพยาบาลแล้วบอกไม่อยู่ให้พ่อพากลับบ้านบอกว่าจะไปตายที่บ้าน พ่อก็จนปัญญาจริงๆไม่ว่าใครจะพูดยังไงย่าก็ไม่ยอมจะกลับบ้านท่าเดียวถึงบ้านแล้วพ่อไปตามหมอจ่างมาอีกหมอจ่างก็มาทําพิธีไล่ผีที่อยู่ในตัวย่าแต่ผีไม่ออกแถมยังตบหน้าหมอจ่างจนหน้าหันเลยหมอจ่างโมโหใหญ่ขาดสติเลยทีนี้แกล้วงมีดหมอออกมาจากยา่าแทงเขาที่หน้าท้องของยา่าแต่แทงไม่เข้าอ่ะก็แทงจนมีดคดอ่ะ พ่อตกใจมากที่หมอผีเกิดบ้าคลั่งอย่างนั้นก็จับแกกระชาของมาบิดแขนจนกระทั่งแกปล่อยมือมีดตกลงไปพื้นดินได้ยินดังกันทั่วอได้ยินทั่วเลยนับว่าโชคดีนะที่มีดแทงไม่เข้าะทีนี้ย่าหัวเราะเป็นเสียงใยมุ้ยซะอีกหมอจางแกก็ยอมรับปรลืมตัวจริงๆแกก็รีบกลับไปหลายวันต่อมาตอนบ่ายๆย่ยาที่นอนไม่พูดไม่จา ร่างผอมแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ลุกขึ้นนั่งเรียกหาของกินต่างๆนาน า, นาให้แม่แกะแ ก, แกงป่าแกงกระดูกทอดปลาเค็มทำขนมรอดช่องสิงคโปร์จะ ก, กินเป็นการใหญ่กินอย่างอ ร, อร่อยอิ่มแล้วก็นอนงีบหลับไปพ่อกับแม่แปลกใจมากของข่าวของหวานอย่างนี้ย่าไม่ชอบกินแต่ทํำไมเกิดอยากกินขึ้นมาค่ําแล้วย่าก็ไม่ตื่น แม่ไปจับตัวดูตัวเย็นเฉียบแข็งพื้เลยหญ้าตายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยในที่สุดหญ่ยยมุยกกเอายาไปยนไดมารู้กันในตอนหลังว่าอาหารที่หญ้ากินเป็นมือสุดท้ายของชีวิตนะแท้จริงเนะ่เป็นของโปรดของหญ่มุยจึงเชื่อกันว่าผีหญ่มุยเนะี่ยกินซะก่อนที่จะเอาดวงวิญญาณหญ้าไปครับนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณสมชายอ่าเล่าให้ฟังว่า คุณปาที่เพื่อนแกที่อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่บ้านของแกเองครับเออแปลกดีผีพ ม, มา่าทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเรื่องเล่าชาวบ้านครับ เรื่องผีตายทั้งกลมหลอกพระที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีตำบลหนึง่งชื่อไม่น่าอยู่เลยชื่อตำบลป่าช้าครับเหตุที่ต้องตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ตำบล น, นี้แต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพชื่อตามสถานเดิมว่าปา่าช้าครั้นตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่า วัดปา่าช้าเอาให้มันน่ากลัวหนักเข้าไปอีกนอกจากชื่อวัดยัง น, น่ากลัวแล้วบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวมีต้นไม้ร่มครึ้มสงบสงัดวังเวงเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนนมืดตื้อเลยแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จาเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักหลายคนที่เดินผ่านก็ถูกหลอกหลอนจนขวัญห น, นีดีบ่อมาแล้ว วัดปราช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่สามรูปรูปที่พรรษาสูงที่สุดชื่อพระบุญล้อมรักษาการจเจ้าวาดพระทั้งวัดก็รับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับนั้นมืดแล้ว การเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายอย่างสมัยนี้พระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณปา่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักก็ทำให้ชายสองคนต้องหยุดพืดตามแล้วก็ต่างก็ขนหัวลุกตั้งไปด้วยกันก็เพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชลูดเบื้องหน้าน้ะมีร่างของคนกําลังปีงขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวน มันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะมองเห็นเงาได้ว่าเป็นใครพระบุญล้อมจำได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทำพิธีสวดและขวังไว้เมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวตายทั้งกลมนี่ปีน่ า, ายต้นไม้แครวคลองไม่ผิดกระลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงแล้วก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต้ขึ้นไปใหม่ก็รูดตัวลงมาอีกทาอยู่อย่างนั้นนะ่ะสามครั้งสี่ครั้ง ชาวบ้านทั้งสองคนในยืนขาแข็งขนลุกชันเนี่ยพระบุญล้อมก็ตกตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยมีประสบการณ์โดนผีหลอกมาก่อนเลยเสียงผีตายทั้งกลมวีดร้องระงมแทบจะสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมยังคงปีนป่ายต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาส่งเสียงร้องวีดวีดวดีไม่หยุด ชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นผ้พผับในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏตัวให้เห็นเนคงจะมาขอส่วนบุญเป็นแน่ท่านก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกรมมาปีนป่ายต้นไม้แล้วก็เลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลําดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องก็ค่อยค่อยเบาลงเบาลงทุกขณะครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อะกับเงาร่างก็หายวับไป พระบุญล้อมกับคารวะาทั้งสองคนนี่ได้กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนโดยคารวาดคู่นาั้นอยู่ด้วยไม่ยอมกลับบ้านน่ะนั่งสวดมนต์ด้วยและข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายรู้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วก็ตำบลป่าช้านับเป็นครั้งแรกเลยที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนแล้วก็ไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่หลอกพระภิกฑษุที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียว ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนๆในเวลากลางคืนอีกและต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสาม婆เวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่ปรากฏมาหลอกหลอนอีกมีเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นแหละเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศ ล, ลกรรมแผ่เมตตาธรมสงผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่นานต่อมาทางการเขาก็ปักเสาไฟ เ, เดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดคลึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยของพวกเขาทุกปีปีหนึ่งหลายหนด้วยสําหรับชื่อของตําบลหมู่บ้านนี้ก็มีคนคิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะพ่อแก่แม่เฒ่าประจําตําบลบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีอาถรรพ์ผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเนี่ยอืมใครจะรับผิดชอบล่ะเออแปลกดีวัดป่าชาครับ มีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องคุณสุชาติเล่าให้ฟังว่าอพ่อของคุณสุชาติเนี่ยบวชพระบวชแล้วก็ออกตูดงไปหลายจังหวัดแถบภาคกลางเนี่ยเสร็จแล้วก็เจอสิ่งแปลกๆเรื่องแปลกๆหลายเรื่องแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีเหมือนกัน ท่านบอกว่าท่านถุดงไปถึงที่นั่นตอนเย็นมากแล้วก็เลยปักปลดก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านก็พูดคุยด้วยพวกที่มากราบบางคนก็ต้องการเลขเด็ดบางคนก็เจ็บป่วยจะให้รักษาบางคนก็มีเรื่องร้อนอกร้อนใจมาสนทนาธรรมแล้วก็มีผู้หญิงกลางคนททว ม, ทวมหน้าอูมเนี่ยมากราบท่านบอกว่ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังเรื่องหนึ่ง แล้วก็จะถามด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนางไม่เข้าใจาว่าอย่างนั้นผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสังเวียนเล่าว่าแกมีสามีแล้วมีลูกสามคนผู้หญิงสองชายหนึ่งกำลังเรียนหนังสือกันอยู่พอเล่าแล้วก็ไม่เล่าต่อเพราะว่าคนหลายคนนั่งอยู่ที่นั่นก็ทําท่าว่าเรื่องนั้นเป็นความลับที่ไม่อยากจะให้คนในหมู่บ้านเดียวกันได้รับรู้หลวงพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าก็ได้นะ นางสังเวียนก็พยักหน้าแต่ว่าบอกบอกแต่ว่าอยากเล่าหลวงพ่อเข้าใจก็เลยบอกเอาไว้ก่อนก็ได้นะนางสังเวียนก็พยักหน้าพอตอนเย็นญาติโยมพากันกลับนางสังเวียนก็กลับไปด้วยครู่เดียวย้อนกลับมาอีกมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่านอนหลับแล้วฝันอยู่เสมอว่าตัวเองฆ่าเด็กไปสองคนเด็กหน้าตาน่ารักน่าใคร แล้วเด็กสองคนนั้นก็มาทวงถามว่าเมื่อไหรจะชดใช้กรรมสัทีอยากให้นางทังเวียนรับกรรมนางทเวียนก็บอกไม่รู้เรื่องและไปฆ่าใครที่ไหนอแล้วก็ไม่เห็นตายเลยก็ยังอยู่นี่ไงเด็กผู้หญิงสองคนก็บอกว่านี่แหละตายไปแล้วเพราะเป็นแต่เพียงดวงวิ ญ, ญญาณเท่านั้นเองแล้วผีเด็กทั้งสองนี่ก็ตรงเข้ามาหาทำท่าจะบีบคอยืนมือออกมาคว้าที่คอแกคนดิ้นร้องลั่นจนสะดุ้งตื่นจนเสียงดังลั่นไปทั้งบ้าน คนอื่นก็ตื่นมาด้วยนะก็ไม่กล้าเล่าให้ผัวฟังได้จะบอกว่าฝันรายผัวก็ถามว่าแล้วขวัญอะไรอ่ะลืมแล้วฉันจําไม่ได้อะไรฝวัญ น, น่ากลัวจําไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงเล่ามาเถอะฝวัญยังไงเห็นผีหรือไงใช่ผีเด็กสองคนเด็กผู้หญิงมันมาหลอกมันจะมาบีบคอเออแปลกครับมันะเป็นไปได้ยังไงลูกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ นางสังเวยียนก็ไม่บอกเหตุผลที่ผีเด็กจะมาบีบคอเพอวันนึกสังหรณ์ใจว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ชอบมาพากลนนะางกับเด็กสองคนนี้อาจจะมีความผูกพันกันมาแต่ชาติบางก่อนแม้แต่รูปร่างหน้าตาก็รู้สึกว่าเหมือนกัเคยเห็นเด็กคู่นี้มาก่อนนะเสร็จแล้วสามีก็บอกให้นอนเสียอย่าคิดมาก ใครจะไปหยุดคิดได้ะเด็กบอกว่านางสองเวียนนะไปฆ่าแล้วก็ไม่รู้ไปฆ่าเมื่อไหร่คิดไม่ออกเลยะก็บอกหลวงพ่ออย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าคงจะเป็นชาติก่อนเนี่ยถ้าชาตินี้ไม่ได้ทําก็ต้องเป็นชาติก่อนแน่ๆโยมแล้วจะทํายังไงดีละ่ะคะหลวงพ่อไอ้เรื่องเวรกรรมลบล้างไม่ได้มีทางเดียวคือทําบุญสร้างบุญคือกรรมดีเอาไว้มากๆอะโยม เกิดชาติหน้าจะได้ไม่มีกรรมชั่วตามสนองเสร็จแล้วนางสังเวียนก็กราบลาไปวันรุ่งขึ้นท่านก็เก็บกรดจะออกตู้ดงต่อนางสังเวียนก็มาดักรอตรงข้างดงไม้พอเห็นก็นิมนต์ให้หยุดก่อนแล้วเล่าให้ท่านฟังเมื่อคืนเราฝันอีกแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าฝันว่ายังไงนางสังเวียนก็บอกว่าฝันว่าเด็กสองคนมาบอกว่าฆ่าฆ่าที่ข้างลําธาร่ะ บอกถ้าไม่เชื่อให้ไปดูนะเสร็จแล้วเด็กก็พาไปดูก็ตามเด็กไปฉันไปดูนะคะหลวงพ่อฉันเห็นเป็นป่าใหญ่มากต้นไม้ทั้งนั้นเลยเด็กก็พาเข้าไปก็เดินกันลึกก็ไปเรื่อยๆฉันก็นึกกลัวมันป่าทั้งนั้นนี่ที่หมู่บ้านเนี้ยไม่มีป่าใหญ่ยังงั้นอ่ะเข้าไปในป่าจนลึกมากก็ไปเจอลําธารสายหนึ่งมันก็คดเกีียวฉันกับเด็กๆไปยืนที่ริมลําธารเด็กมันก็ชี้มือลงไปลําธาร มันบอกให้ฉันโดดลงไปฉันก็ถามว่าทำไมต้องโดดลงไปด้วยอ่ะ เ, อ เ, อเด็กคนหนึ่งท่าทางจะเป็นพี่ก็บอกว่ า, าก็จะได้ตายไงล่ะอะ่ฉันจะถอยหลังกรูดเลยฉันบอกไม่เอาหรอกฉันยังไม่อยากตายฉันยังมีลูกจะต้องเลี้ยงอีกตั้งสามคนยังเล็กอยู่ด้วยเด็กอีกคนตัวเล็กกว่าก็บอกว่าแล้วทาไมฆ่าพวกเราได้อ่ะทำไมไม่คิดว่าพ่อแม่ของเราก็รักเราเหมือนกันนางสังเวียนก็บอกว่า ไม่รู้ว่าฆ่าตั้งแต่เมื่อไรไม่เคยฆ่าแต่หลวงพ่อเจ้าค่าฉันเหมือนกับเคยเห็นลำธารสายนั้นมันคลับคล้ายครับคล า, คคลาเหมือนกับมันติดอยู่ที่ในหัวสมองเนี่ยลงัลงเลือนเลือนตอนนั้นนะ่ะพวกเด็กๆพยายามจะให้ฉันโดดลงไปตายให้ได้น้ำในลำธารก็ไหลแรงฉันก็ไม่ยอมเสร็จแล้วฉันก็ถามเด็กๆบอกว่าฉันฆ่าแกยังไงจะบอกหน่อยได้ไหมล่ะ เด็กก็บอกว่าจะฆ่ายังไงซะอีกทำเป็นจำไม่ได้ตอนทำทำไมทำได้แล้วทำไมไม่จำเด็กคนพี่ก็บอกว่าเขาสองคนเป็นพี่น้องกันชื่อมีกับมิ่งพ่อชื่อในมั่นออกป่ามาหาของป่ากันสองคนแล้วก็มาเจอฉันนะแล้วฉันกัดน้องอ่าแล้วเขาเห็นน้องโดนกัดก็เข้าช่วยแล้วฉันก็กัดกัดคนพี่ด้วย ที่ตรงข้างๆลำธาร น, นี่แหละฉันได้ยินก็สงสัยว่าฉันจะไปกัดได้ยังไงแล้วทำไมต้องกัดด้วยก็เลยถามว่าฉันเป็นคนเป็นคนหรือเปล่านี่ยฉันไปกัดเด็กๆแลทั้งสองพี่น้องมันก็มองหน้ากันคนน้องก็บอกว่าไม่ใช่คนหรอกแกเป็นเสือเป็นแม่เสือลายพาดกรอนตัวใหญ่หน้ากลัวฉันกับพี่เนะี่ยกลัวแกมากเลย แต่ว่าพี่รักฉันเห็นฉันโดนกัดก็เข้าช่วยฉันแกก็กัดพี่ยันตายด้วยรดกินฉันทั้งพี่ทั้งน้องสองคนเลยฉันตะลึงเลยที่ว่าฉันเห็นเสือมาก่อนฉันไม่รู้นี่หลวงพ่อว่าชาติก่อนฉันไปเกิดเป็นเสือแล้วฉันไปกัดเด็กสองคนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเออโยมเกิดปีอะไรโยมฉันเกิดปีขานเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ทันพูดอะไรอ่าเออนี่ปีขานมันปีเสือนี่นะ ปีเสือจริงๆด้วยหลวงพ่อใช่เราโยมปีขานปีเสือมันฉันก็เกิดเปนเสือจริงๆเหละหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่พูดว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าถามนางสองเวียนว่าฝันยังไงต่อไปแกก็บอกว่าฝันเห็นเด็กสองคนมาช่วยกันจับฉันจะผลักฉันให้ลงน้าฉันก็ขัดขืนดิ้นรนสู้มันตกใจตื่นตัวสัน่นไปหมดเลย เด็กสองคนนี่มันผูกเวรผูกกรรมฉันกลัวจริงๆเลยหลวงพ่อฉันจะทํำยังไงดีอคะทาบุญนี่ต้องทําบุญกรวดน้ําไปให้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามแล้วนี่นะกวดน้ําไปให้เสียขออย่าให้จองเวรจองกรรมกันข้าเจ้าหลวงพ่อฉันจะทําแก่ก็รับปากเสียงสั่นๆแล้วก็เล่าต่ออีกว่าลําธารสายนะั้นรู้สึกว่ามันเหมือนลําคลองที่อยู่ใกล้ที่นาของแก่เนี่ยมันเหมือนกันมากเลยอยากจะให้หลวงพ่อไปดูด้วยกัน หลวงพ่อก็อยากเห็นก็เลยให้นางทั้งเวียนเนี่ยนำทางไปพาเดินตัดทุ่งไปถึงนาแปลงนั้นข้างนาทางเหนือเนี่ยมีลาคลองอยู่สายหนึ่งตื้นเขินมากแล้วนางก็ทาให้ดูว่าในฝันน่ะ ย, ยืนอยู่ตรงไหนเด็กสองคนยืนตรงไหนมันคดโค้งเหมือนกันเลยหลวงพ่อทางโน้นก็เหมือนทางนี้ก็เหมือนเพียงแค่ที่ฝันเห็นมันไม่ได้เป็นท้องทุ่งกว้างๆอย่างนี้มันมีแต่ต้นไม้คลุมหนาไปหมดเลยเป็นป่า อืก็เป็นไปได้ที่แถวนี้เป็นป่าดงมาก่อนนายโยมแล้วคนมาถางป่ามันก็หมดกลายเป็นท้องทุ่งท้องนาแต่ว่าครองยังอยู่นี่คนไม่ได้กรลบมันหลวงพ่อเขาแนะนําบอกว่าให้นางสังเวียนเน้นําเครื่องเส้นมาไหว้ดวงวิญญาณทั้งสองที่ทั้งคู่ต้องตายไปดวงวิญญาณคงจะยังอยู่ไม่ได้ไปบุดไปเกิดนางสังเวียนก็รับปากจะทําก่อนจะจากกันหลวงพ่อก็ถามออ่อรายละเอียดอะไรต่อะไ ร, ะไรนิดหน่อย แล้วห้าปีหลังจากนั้นหลวงพ่อได้ทุดงผ่านไปแถวนั้นท่านก็นึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็สอบถามว่าเออโยมทางเวียนเป็นยังไงบ้างคนแถวนั้นก็บอกว่า oy, ตายแล้วอ่หลวงพ่อตายไปตั้งสามสี่ปีมาแล้วเป็นอะไรตายอะโยมเออจมน้ําตายเจ้าค่ะอ้ า, าวเขาไหว้น้ําไม่เป็นหรือไงทําไมจะไหว้ไม่เป็นเจ้าค่ะที่เนี่ยไม่มีใครไหว้านาไม่เป็นหรอกเกิดมาจําความได้ก็วหว้น้ําเป็นกันทั้งนั้นเนี่ย แม่น้ำลำคลองมีให้ว่ายเยอะแยะแต่ไม่รู้ยังไงถึงไปตกน้ำตายที่คลองเล็กๆข้างนาของมันน่นอะอยู่กลางทุ่งตายได้ยังไงไม่มีใครเห็นน่ะตอนเย็นๆมันไปทำนาอยู่คนอื่นเขาข้าวบ้านกันแล้วมันยังอยู่ลูกหัวเห็นไม่ยอมกลับเข้าบ้านก็ไปตามหาก็ไปเจออยู่ในน้ำตายแล้วคงยังตายไม่นานน้ำยังขุ่นๆอยู่เลยเขาว่าแถวนั้นมันมีผีเด็กมันนเคยเอาเครื่องเส่นไปไหว้แล้วแต่มันก็ต้องตายตรงนั้นน่ะ เวงกรรมอะไรไม่รู้หลวงพ่อนี่ก็คือเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็คุณสุชาติบอกว่าจำได้ไม่เคยลืมเลยครับท่านผู้ฟังที่จังหวัดอ่างทองมีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งครับประมาณสักสิบกว่าปีมาแล้วนะ คืนนั้นชาวบ้านข้างวัดไม่ว่าใครก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกรีดร้องกรีดกรีดกรีดดังแสบแก้วหูไม่เคยได้ยินเสียงนี้กันมาก่อนแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บางคนเขาเคยได้ยินเพราะเขาได้ยินนะคนนึกรู้ได้ทันทีว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรแม้จะนึกรู้แต่ก็ไม่มีใครปริด ป, ปากพูดอะไรละปล่อยให้เสียงนี้ดังต่อไปแล้วก็ไม่มีใครถามใครด้วยต่างปิดปากเงียบฟังเสียงนั้นอย่างอกสันหวัญผวาก็คิดกันไป คนละอย่างสองอย่างไอ้ที่ไม่ถามไม่พูดกันก็เพราะว่าคนโบราณเขาห้ามลูกหลานอย่างเด็กเด็ดขาดไม่ให้ทักเสียงที่เกิดขึ้นในยามกลางคืนโดยไม่รู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรหรือว่ารู้ก็ห้ามทักไม่ใช่แต่เสียงจะเป็นอะไรก็ตามที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้กลิน่นก็ไม่ต้องทักทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าไปทักแล้วจะเป็นภัยแก่ตัวเองเขาว่าอย่างนั้น คนสมัยเก่าในเขาเรียนวิชาอาคมขลังกันมากๆเขาวิชาแก่แกล้าก็ต้องปล่อยของออกมาเะบ้างถ้าของที่เขาปล่อยออกมาไปโดนใครหรือไปโดนอะไรเข้าสิ่งนั้นก็ต้องมีอันเป็นไปบางทีปล่อยมาโดนกอไัยล้ําไัยถึงอหักโผงลงมาเลยเชียวถ้าไปโดนสัตว์สัตว์นั้นก็เจ็บป่วยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะปล่อยมาโดนคนคนก็มีอันจะเจ็บไข้ก็เรียกว่าโดนคุณโดนของหรือว่าโดนคุณใส่น่ะแหละครับ แล้วทำไมเขาจะต้องปล่อยของกันด้วยก็เพราะว่าทำไมปล่อยของออกมาของจะเข้าตัวทำให้คนคนนั้นต้องมีอันเป็นไปก็ต้องปล่อยเรียกว่าทำไมปล่อยนี่อืมเดือดร้อนแน่ปล่อยไปเพื่อจะให้พ้นจากตัวเองจะไปเข้าใครนี่มันอีกเรื่องหนึง่งนี่เองที่ทำให้คนโบราณห้ามไม่ให้ลูกหลานทักของกลางคืนเพราะว่าตายกันมานักต่อนักแล้วทีนี้ไอ้เสียงกรีดกรีดที่วัดเนี่ยไม่มีใครพูดถึงมัน่คือนั่นเงียบ แต่พอตอนเช้าก็ถามไทกันเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่ได้ยินแล้วมันเสียงอะไรก็เสียงกรีดกร๊ดไโ อ, อ้ยไม่ได้อยังนั้นถ้าถามว่ารู้ไม่ว่ามันเสียงอะไรอะไรมันร้องไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยแบบนี้แต่ยายข้าเขาบอกว่าเสียงเปรดว่ะฮะเสียงอะไรนะเสียงเปรตเออเสียงเปรด ใช่ยายข้าเคยได้ยินมาก่อนหมู่บ้านเราก่อนโน้นก็เคยมีเปรตตัวสูงอย่างกับต้นตาลมือก็ยาวฝ่ามือนี่ใหญ่แล้าก็ใบาตาลปากมันเท่าหลูเข็มกินอะไรก็ลําบากอุ้ยทำไมน่ากลัวง น, นนะ่ะมึงดูหนังมากกันเปล่าชาวบ้านพูดกันเรื่องนี้ทั้งวันเรื่องเปรตมันร้องเมื่อคืนเนี่ยนะพวกลูกศิษย์วัดก็พูดกันบอกมันร้องมาจากหลังวัดแถวแถวโบสถ์นั่นแหละ สมัยก่อนที่วัดนี้จะมีพวกลูกศิษย์วัดนี่นอนค้างกันมากไม่ค่อยกลับบ้านกันแต่สมัยนี้เด็กไม่ค่อยอยู่วัดกันแล้วกลับบ้านกันหมดตอนนั้นพอพวกลูกศิษย์วัดพูดออกมาก็มีคนไปถามพระเนนที่วัดท่านก็บอกว่าจริงท่านได้ยินกันเสียงนั้นดังมาจากข้างโบสถ์จริงๆเราเสียงแปลกใช่ไหมครับท่านเออ ก, ก็ไม่รู้กันนะโยมเห็นก็พูดก็มาเสียงแปลกอันนี้ต้องไปถามท่านสมภารดู คนอยากรู้ก็ไปถามสมพันธ์สมพันธ์ที่วัดที่สมพันธ์แก่นตัวผอมดำเนี่ยพูดเสียงดังชอบฉันหมากปากแดงเนเคี้ยวหมากหยับหยับหยับเก่งทั้งพ่นใครเป็นอะไรก็เอาน้ำหมากก็จะพ่นท่านมีคาถาอาคมขลังนะพูดผีปีศาจกลัวท่านท่านปราบได้ไล่ได้รดน้ำมนต์ได้ผีกลัวคนโดนผีเข้าก็เอาน้ำมนต์ของท่านไปรดนี่ผีหนีกันกระเจิดกระเจิง พอมีคนไปถามท่านเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็เปรตจะโยมเปรตข้างโบดคนบาปหนาตายไปแล้วก็ต้องกลายเป็นเปรตใช้กรรมเก่าที่ทำอาไว้พวกนี้ตกนรกหมกใหม้กว่าจะได้ไปผุดไปเกิดมันนานชาวบ้านได้ยินก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเสียงเปรตเมื่อคืนนี้เสียงเปรตแน่ๆเลยเปรตใครกันนะหลวงพ่อท่านก็ส่ายหน้า ชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปถามใครก็คาดเดาไม่ต่างๆน า, นานาว่าใครทําบาปหนาไว้บ้างก็ไล่ชื่อกันน่าจะเป็นตาสีน่าจะเป็นยายแก้วน่าจะเป็นลุงสิงนะไล่ชื่อที่ชาวบ้านเขามาเดากันเนี่ยล้วนแต่ทําบาปทํากรรมกันอย่างหนักบาปหนักฆ่าวัวฆ่าควายฆ่ า, า, าคนฆ่านกหนูหูปลารักขโมยเขากินนะ ช, อชน่อโสนเอารัดเอาเปรียบทําบาปหนักๆเอาไว้เยอะพวกญาติพี่น้อง คนตายที่ทำบาปหนาเอาไว้ก็ร้อนตัวเพราะเชื่อกันว่าที่เปรตเนี่ยมาร้องมามาขอส่วนบุญมันร้องเพราะความอดอยากปากแห้งไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วก็เลยต้องร้องขอให้ญาติญาติไปทำบุญให้กินบ้างคืนที่เปรตร้องเน่ะตรงกับคืนแรมสิบห้าค่ำเป็นวันพระสิ้นเดือนแรมสิบห้าค่ำเดี๋วคนโบราณเขาเชื่อกันว่านรกมันจะเปิดปล่อยพูดผีออกมายมมาโลกให้ผีต่างๆออกมาได้ เป็นคืนที่น่ากลัวมากไม่มีใครอยากจะออกมานอกบ้านกันเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยผีว่าอย่างนั้นแล้วถ้าสังเกตให้ดีคืนแรมสิบห้าคำเนี่ยหมามจะเห่าหอนกันเสียงโหยหวนเย็นเยอือกที่มันหอนเพราะอะไรมันหอนก็เพเห็นผีแหละอ่าชาวบ้านเขาก็ว่ากันอย่างนั้นบอกผีเยอะแยะดวงวิญญาณมากหน้าหลายตาล่องรอยวนเวียนไปมากันอย่างสับสนเพื่อไปไอที่มันอยากจะไปหพราะไหนๆเขาก็ปล่อยมาแล้ว ก็ต้องออกมาหาญาติพี่น้องมาส่งข่าวมาเข้าฝันมาให้ได้กลิ่นได้เห็นกันบ้างคนเนี่ยมักจะฝันเห็นคนตายเห็นญาติพี่น้องล่วงลับไปแล้วก็คืนแรมสิบห้าค่ำนี่แหละญาติพี่น้องคนตายที่นึกว่าญาติตัวเป็นเปรตมาร้องขอส่วนบุญอยู่ที่ข้างโบสถ์คืนนั่นต่างก็ทําบุญกวดน้ํำกันเป็นการใหญ่ปรากฏว่าคืนต่อมาเงียบไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยิน พอแรมสิบห้าค่ำเดือนมืดเวียนมาอีกครั้งก็ต้องผวากันกลางเด็กอีกแล้วมีเสียงกรีดกรีดดังมาจากวัดทีนี้พระเนนในวัดตื่นกันหมดนี่ขนาดพระยังกลัวผีเปรตจะขยับอีวอนหม่มกันกระชับเจ้ส่วนชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงคลุมโปงก็มีเบียดยังก็มีตัวสานงานงกบางคนลุกสวดมนต์บางคนก็นอนภาวนาให้คุณพระคุณเจ้าช่วยเสียงประหลาดเนี่ยดังมาจากข้างโบสถ์อย่างแน่นอน สมภารแก่นเองก็ได้ยินถนัดชัดเจนท่านมองจากหน้าต่างไปยังโบสถ์ก็เห็นร่างสูงโยงเย่งตาแดงยังกระทันไฟหุงข้าวอยู่เหนือลังคาโบสถ์นะตอนเช้าท่านเล่าให้ญาติโยมฟังตอนบ่ายก็ให้ลูกศิษย์วัดไปตามโยมสำริดมาพบนายสำริดก็มาหาสมภารมาพูดคุยกันในกุฏิตามลำพังแต่ก็ไม่รอดพ้นจากพวกเด็กวัดที่อยากรู้อยากเห็นอยากได้ยิน มันก็แอบฟังกันอยู่ข้างกุฏนะิเพราะว่าเข้าไปในห้องเก็บของแอบฟังได้พวกเด็กวัดได้ยินท่านสมพานคุยกันในสำริดเสียงไม่ดังแต่ก็ได้ยินชัดตนะอนบ่ายที่วัดเงียบจับความได้ว่าท่านสมพานเชื่อว่าผีเปรตที่มาส่งเสียงกรี๊ดจิกจขอส่วนบุญนั้นน่าจะเป็นพ่อของนายฤทธิ์ที่ตายไปแล้วตายไปทั้งที่นุ่งห่มผ้าเหลืองอยู่ แกชื่อหลวงตะลุ่มหลวงตะลุมนี่เคยเป็นนักเลงมาก่อนปล้นจี้เคยมาแล้วทั้งนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนใจคอโหดร้ายมากเหลือเกินคนได้ยินชื่อแล้วขยาดกันเลยไม่ว่าเด็กผู้หญิงกลัวกันหลวงตะลุ่มนักเลงอ่าแล้วเป็นไอเสือปล้นด้วยนักตัดช่องย่องเบาสารพัด ท, ที่จะได้ฉายาความไม่ดีตอนหลังต้องหันหน้าเข้าหาวัดไม่ใช่อยากเข้าแต่ว่าอาศัยปาเหลืองห่มคลุมตัวหนีตาย เพราะว่าศัตรูคู่อาฆาตตามล่าอยากจะฆ่าให้ตายเพราะไปทำเขาไว้เยอะเห็นท่านหนีไปไม่รอดก็เลยโกนหัวเข้าวัดหนีตายสมัยก่อนนี้การบวชพระไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ใครอยากบวชก็บวชใครอยากศึกก็ศึกบางคนบวชแล้วก็ศึกศึกแล้วก็บวชหลายหนหลวงตาลุ่มนี่หลบภัยอยู่ในผ้าเหลืองก็รอดตายอยู่ได้เจ็ดปีเห็นว่าไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ศึกออกไปแทนที่จะเลิอกอาชีพเก่าก็ไม่เลิกกลับไปทำอย่างเก่าอีก ปล้นจี้ฆ่าเจ้าซักทั้งที่อายุตัวเองก็มากแล้วตอนนั้นปลาเข้าไปจะเกือบจะหกสิบแล้วบวชพระอยู่ตั้งเจ็ดปีไม่ได้ขัดเกลาจิตใจบ้างเลยแม่เสียดายเวลาจริงๆไปปล้นจี้เขาฆ่าเขาโหร้ายไม่พอใจใครก็ยิงก็ฟันตำรวจตามล่าตัวก็หนีหัวสุขหัวสุนพวกติยาติพี่น้องลูกเมียโดนฆ่าเขาก็แคงเคืองกันอย่างหนักก็ช่วยตำรวจล่าด้วย แต่ล่าอย่างเงียบเงียบล่าอย่างลับลับไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวเสือลุ่มอยู่บ้านไม่ได้ต้องมาหลบอยู่ที่วัดแถวแถวโบสเนี่ยบางคืนก็นอนในป่าชาบางคืนก็นอนที่ศาลาข้างเมนเช้าวันหนึ่งลูกศิษย์วัดก็ไปเจอศพนอนตายเนื้อตัวโดนควันยับเลือดนองอยู่ข้างโบสจําำกันแทบไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะหน้าตาเละหมดวิ่งไปบอกพระพระเนนไปดูสมภารแก่นก็จําได้ว่าเป็นตะลุ่ม มีรอยสักรูปฮนุมานที่หลังนี่แหละเปรตที่มาร้องขอส่วนบุญท่านถึงเชื่อว่าเป็นเปรตตะลุ่มเพราะว่าตายข้างโบสถ์แล้วก็ทำบาปหนาที่สุดนายฤทธิลูกชายก็เลยทำบุญไปให้เสียงก็เงียบไปครับนั่นเป็นเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังนี่เวนนี่กรรมของคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องชดใช้กันในชาติหน้าเสมอไปโดยมากคนเรานี่ต้องใช้กรรมกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้สึกไม่ได้คิดว่าผลที่เกิดขึ้นน่มันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรแล้วในที่สุดก็มักจะโยนผลกรรมไปให้สิ่งที่มองไม่เห็นเช่นผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาด่าว่าสาบแช่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมา ไม่ได้นึกไว้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นผลเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองเป็นคนก่อความชั่วร้ายที่ตัวเองได้ทำไว้ไม่เคยนึกถึงคอยแต่จะโยนความผิดไปให้สิ่งอื่นเป็นผู้รับเคราะห์กรรมอยู่เสมอเมื่อปลายสงครามอินโดจีนสมัยนั้นทุกคนทุกแห่งจะต้องมีการพรางไฟในตอนกลางคืนเพราะว่ากลัวข้าศึกจะเห็นสัญญาณเตือนภัยก็ใช้คลองใช้กลองตามวัดเนี่ยครับเพราะว่า เป็นอำเภอที่ห่างไกลาจากตัวจังหวัดมากเวลามีภัยทางอากาศก็จะประคมคลองกลองให้คนวิ่งลงหลุมหลบภัยพอพ้นอันตรายแล้วก็ปีคลองตีกลองกันเพื่อบอกให้รู้ว่าปลอดภัยแล้วเวลากลางคืนเนี่ยทุลักษทุเลมากมันมืดก็มืดแถมในหลุมหลบภัยก็ยิ่งมืดหนักขึ้นไปอีกจะใช้ไฟฉายก็ไม่ได้เจ้านายสมัยนั้นก็เกร่งครัดกลัวแต่ข้าสึกจะเห็นยิ่งถ้าบ้านใครมีงานในระยะนี้ก็จะคลุกขลากลําบากมาก เมื่อข่าแสงสว่างแล้วงานก็จะเงียบเหงาสำหรับงานอื่นก็พอจะเลือกวันได้แต่ว่าไอ ง, งานศพนี่มันเลือกเวลาไม่ได้ถ้ามีคนตายระหว่างนี้ถึงจะคลุกคลักทุกลักตุกเลยังไงก็ต้องพยายามจัดให้สําเร็จเท่าที่จะสามารถทําได้แล้วในระยะนั้นเองคุณพระซึ่งเป็นอดีตนายอำเภอได้ถึงแก่กรรมลงทําให้ญาติพี่น้องลูกหลานเนี่ยผู้เคารพนับถือว่าจาเป็นจะต้องจัดงานศพให้สมเกียรติเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีคนเคารพนับถือกันทั้งเมือง ท่านเคยเป็นพ่อเมืองที่เมืองนี้มานานแล้วจนปลดเกษียณก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เป็นคนดีผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในงานสอบคุณพระเนี่ยก็คือท่านขุนอดีตปลัดอำเภอซึ่งเป็นผู้ที่คุณพระนี่เคยชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเสมียนฝึกหัดจนได้ดิบได้ดีมีตําแหน่งเป็นประลัดมีครอบครัวแล้วก็ไปตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่ตังหาะที่นี้ด้วยความสํานึกในพระคุณเนี่ท่านขุนก็เลยเป็นผู้วิ่งเต้นจัดการทุกอย่าง ตั้งศพ บ, บำเพ็ญกุศลที่บ้านของคุณพระเองเนี่ยเป็นเวลาสิบห้าวันเวลากลางคืนถึงแม้จะต้องพรางไฟเป็นที่อึดอัดคลุกคลักแต่บรรดาแขกเรือก็มาร่วมฟังพระสวดกันแน่นบ้านทุกคืนตลอดระยะเวลาสิบห้าวันท่านขุนจะมานอนเฝ้าศพทุกคืนไม่ได้ขาดก็เป็นที่ทราบซึ้งแก่น้ําใจแก่ลูกเมียของคุณพระเป็นอย่างมากก็อมอบความไว้วางใจให้ท่านขุนเป็นผู้ดําเนินการทุกอย่างแต่ผู้เดียว จนพิธีพระราชทานเพลิงศพผ่านพ้นไปประมาณหนึ่งเดือนเมื่อถึงวันสงกรานต์ที่บ้านคุณพระก็จัดให้มีพิธีสงนามพระพุทธรูปตามที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกปีแต่ปรากฏว่า พ, พระพุทธรูปทองคําหนักประมาณสามสิบบาทนี่หายไปค้นหากันทั่วบ้านก็ไม่เจอพระพุทธรูปองค์นี้คุณพระได้นําทองรูปพันธ์ของลูกชายคนโตที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไปให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่กรุงเทพหล่อให้ แล้วก็นำมารวมไว้กับพระพุทธรูปบูชาองค์อื่นๆบนหิ่พระเพื่อจะระลึกถึงลูกชายเมื่อถึงวันสงกรานต์ก็ได้อันเชิญมาสงน้ำเป็นประจำทุกปีเมื่อพระทองคำหายไปอย่างนี้ต่างก็เข้าใจว่าคนที่มางานศพนมีเยอะอาจจะมีใครหยิบฉวยเอาไปแต่มาพิจารณาดูอีกทีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าแขกที่มานี่ไม่มีใครที่จะไปที่ที่พระเนื่องจากหีบศพนี่ตั้งขวางเอาไว้ จะมีก็แต่ท่านขุนซึ่งเป็นผู้เข้านอกออกในได้ต้องจัดโต๊ะหมู่บูชาอันเชิญพระพุทธรูปมาตั้งเป็นประธานในพิธีสงฆ์เวลาเก็บท่านขุนก็คอยดูแลคนใช้ให้เก็บอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีใครจะแอบเข้ามาถึงยิ่งพระโดยไม่มีคนรู้คนเห็นได้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้คนไปเชิญท่านขุนมาปรึกษาหาหรือว่าจะทํำยังไงต่อไปท่านขุนมาถึงก็ทําท่าแปลกใจก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นพร ะ, พระนี่ตั้งแต่วันที่คุณพระเสียเห็นแต่พระพุทธรูปองค์อื่น แล้วก็ไม่ควรจะไปแจ้งตำรวจจะทําให้เรื่องมันอื้อเฉาวใหญ่โตสู้สืบเป็นการภายในเงียบๆไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะสืบหาตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้ท่นว่าอย่างนั้นสองเดือนผ่านไปเงียบไม่เคยมาส่งข่าวคร า, าวให้ทราบอีกทั้งไม่เคยมาเยี่ยมใครให้คนไปหาที่บ้านก็บอกกําลังสืบอยู่ให้รอไปก่อนใจเย็นๆ เ, เขาไว้อย่าเพิ่งกระโตกกระตากเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ตัวซะก่อนเนี่ยเริ่มจะได้เบาะแสบ้างแล้วกําลังส่งสายออกไปสืบ ถ้าได้ร่องรอยแล้วจะแจ้งให้ทราบจนย่างเขาเดือนที่สี่ก็มีหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรคนใหม่ย้ายมาก็ไปเยี่ยมกราบคารวะภรรยาของคุณพระในฐานะที่เคยเป็นคนในความอุปถัมภ์ของคุณพระมาตั้งแต่เป็นสิบตำรวจตรีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วทราบข่าวว่าคุณพระถึงแก่ ก, กรรมก็รู้สึกเสียใจแต่ก็มางานศพไม่ได้เพราะว่าติดราชการ คุณนายก็เล่าสารทุกข์สุขดิบเรื่องพระพุทธรูปทองคำหายให้ทราบและขอช่วยสืบให้ด้วยหมวดเองเขาก็รับคำว่าจะสืบเอาตัวคนร้ายให้ได้อย่างแน่นอนเพื่อเป็นการตอบสนองท่านผู้เคยมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงมาจนได้ดีมีเกียรติมีชื่อเสียงอยู่จนขณะนี้ส่วนท่านขุนก็ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธรูปออกมาเลยนอกจากจะไม่มีข่าวแล้วตัวท่านขุนเองก็เงียบหายไม่ได้ไปมาหาสู่มันแต่ก่อน คนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับท่านขุนก็มาเล่าให้คุณนายาฟังบอกว่าท่านขุนเนี่ยล้มป่วยลงไปไหนมาไหนไม่ได้มาร่วมสองอาทิตย์แล้วโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นโรคอะไรสมัยก่อนตามอำเภอยังไม่มีโรงพยาบาลก็คงมีแต่สุขสลาไม่มีหมอเช่นปัจจุบันก็อาศัยหมอยากลางบ้านใช้ยาสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่แล้วภาวะสงครามด้วยคุณนายก็เลยไปเยี่ยมในฐานะคนสนิทคุ้นเคย พอเห็นสภาพท่านขุนคุณนายก็แทบจะน้ำตาร่วงเพราะสงสารท่านขุนนอนป่วยอยู่กับพื้นห้องที่รองด้วยใบตองกล้วยไม่มีฟูกหมอนเสื่อสัดอะไรทั้งนั้นทุรนทุรายตลอดเวลาผิวหนังจะปวดแสบปวดร้อนเหมือนกับถูกไฟไหม้บางแห่งจะพองมีน้ำเหลืองไหลซึมตลอดเวลานะพอน้ำเหลืองเยิ้มไปถึงไหนแผลผุพองก็จะรามไปเรื่อยเรื่อยร่างท่านขุนนี่ผอมแห้งผมร่วงหมดแล้วกินอาหารไม่ได้นอกจากน้ำข้าว แต่ก็กินไม่ได้มากเพราคอยแต่จะอาเจียนพูดก็ไม่ได้ลิ้นแข็งหลังจากที่คุยกับภรรยาของท่านขุนอยู่สักครู่คุณนายก็ขอตัวกลับนะแกก็ไม่เคยเห็นคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานขนาดนี้มาก่อนบอโอ้ท่านขุนนี่คงจะเคยสร้างเวรสร้างกรรมมาชาติก่อนชาติไหนตึงต้องมารับกรรมอย่างนี้พออีกสองวันต่อมาภรรยาท่านขุนก็มาบอกว่าท่านขุนถึงแก่กรรมแล้วแล้วเย็นวันนั้นนะ่ะผู้หมวด ก็มาบอกว่าได้ตัวคนร้ายที่ขโมยพระพุทธรูปทองคําแล้วกําลังป่วยอาการหนักเพราะถูกไฟไหม้ผู้หมวดบอกว่าเมื่อคือนนี้ที่บ้านโนนสูงที่อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณสามกิโลเมตรเกิดไฟไหม้ที่บ้านช่างทําทองก็ไปดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้ห้องที่ช่างทองกําลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ตัวช่างทองถูกไฟไหม้หมดทั้งตัวเลยเป็นที่แปลกใจว่าไฟไม่ได้ลุกลามไปที่อื่นไหม้ที่โตะ๊ะช่างทองนั่นแหละ แล้วก็ลุกไหม้เสื้อผ้าในตัวช่างทองกว่าลูกเมียจะมาช่วยกันดับได้ตัวเกรียมไปหมดนะสอบถามแล้วก็เรื่องแดงขึ้นมาช่างทองเล่าว่าตัวเขาเองได้หลอมพระพุทธรูปสองคำองค์หนึ่งเมื่อเดือนก่อนซึ่งมีท่านขุนนี่แหละเป็นผู้เอามาว่าจ้างโดยให้ค่าจ้างอย่างมากที่สุดในชีวิตการเป็นช่างทองยังไม่เคยได้ค่าแรงมากขนาดนี้ที่แรกก็ว่าจะไม่ทําเพราะว่าเท่ากับเผาพระพุทธรูปกลัวบาปหนักกลัวตกนรก แต่ก็ทนความเย้าวยวนของอำนาจเงินไม่ไหวก็เลยตัดสินใจยอมรับทำโดยหลอมเป็นสร้อยคอบ้างสร้อยขอ้ อ, ยขอมือบ้างเห็นว่าจะนำไปขายที่โคราชพอหลอมเสร็จก็มอบให้ทันขุนไปนับตั้งแต่หลอมพระพุทธรูปทรงคําองค์นั้นไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมากก็ไม่สบายใจหวาดผวาเวลานอนก็สะดุ้งฝันแต่ว่าไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาจนมาถึงตอนเย็นวันนี้กําลังเป่าไฟไล่ทองอยู่ดีๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ทำทองมา20กว่าปีไม่เคยมีอุบัติเหตุแต่นี่เหมือนกะมีคนโยนโยนดวงไฟเข้ามาใส่ขณะเป่าไฟทำให้ไฟลุกขึ้นไหมโตทำทองเสื้อผ้าที่สวมอยู่จะถอดก็ถอดไม่ได้ก็คิดว่าตัวคงจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ตัวเขาคิดว่าบาปหนักที่เกิดจากการหลอมพระพุทธรูปทองคำเนี่ยเอาพระมาเผาเนี่ยต้องได้รับกรรมอย่างนี้ก็ขอสารภาพเพื่อเป็นการใช้กรรมไปกับความทุกข์ทรมานที่ได้รับ กรรมที่ได้ก่อขึ้นไว้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยครับกรรมสนองให้เห็นทันตาดังชีวิตของคนทั้งสองที่ต้องรับกรรมที่เกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอย่างไม่คาดฝันเลยครับคุณแสวงบ้านจะอยู่จังหวัดอ่างทองครับ แกเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพศออ2509ได้มีคนแถวบ้านแกไปทํางานที่กรุงเทพแล้วก็ไปโดนรถชนตายเขาไปทํางานเป็นคนส่งจดหมายก็บุรุษไพรษณนียนั่นแหละครับดูมันสมัยก่อนนี่เขาจะใช้จักรยานกันหรือว่าเลิกงานแล้วเขาไปขี่จักรยานก็ไม่แน่ใจตอนที่รถชนเนี่ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนที่เขาโดนรถมันชนเนี่ยเขาขี่จักรยานอยู่มันชนแล้วก็ทับเสหัวเละเลย ตอนนั้นเขาอายุแค่สามสิบกว่าๆเท่านั้นเองอุตส่าห์ทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่บ้านแล้วก็ไปทำงานหาเงินก็กลับไปโดนรถชนตายน่าสงสาร่ังเลยชาวบ้านก็สลดใจไปตามๆกันพอตายแล้วพ่อกับแม่กับเมียเขาก็ไปรับศพบกลับมาตั้งสวดที่วัดคือคนไม่ว่าจะไปตายที่ไหนพอตายแล้วเนี่ยญาติก็ต้องรับศพบกลับบ้านเกิดไม่อยากไปเผาที่อื่นกันหรอกนี่ก็เหมือนกัน คุณแสวงจําได้บ่าวันนั้นน่ะฝนตกพรํารำสมัยนั้นถนนหนทางยังเป็นดินอยู่เลยฝนตกแล้วรถที่บรรทุกศพมาก็เข้าไม่ได้ทางมันเละเทะไปหมดเป็นโคลนเป็นลมเข้ามาก็คงไม่ถึงวัดน่ะแล้วเผลอๆเข้ามาแล้วกลับรถออกไปไม่ได้เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นเอกคนขับรถมันก็กลัวกลับไม่ได้ก็เลยต้องหามศพกันเอามันไม่ยอมเอารถเข้ามามันก็ทุลักทุเลหน้าดูเหมือนกันว่าทางมันลื่น หามหามกันมาคนหามก็ลื่นลม้มโลงกระแทกเกือบพังโอ้ยทะลงแตกนะยุ่งกันแน่เลยเขาก็หามกันมาทุลักทุเลมาจกนกระทั่งถึงวัดแล้วก็นึกว่าไม่มีอะไรไอตอนขึ้นบันไดศาลาเนี่เชือกดันขาดโลงนี่ล่นกระแทกขั้นบันไดไม้โลงนี่แตกแบกออกจากกันคนตายกิ่งหลุนหลุนลงไปตามขั้นบันไดผู้คนก็ตกตะลึงกันหมดร้องกันเะอะร่านวัดพระเนนตกใจลุกสิท์วัดวิ่งไปดู เห็นแล้วบางคนถึงก็ร้องไห้วิ่งกราบกุฏิเลยเพราะสภาพศพมันน่าเกลียดน่ากลัวมากลุกลิ่นของมันก็ร้ายกาจนักหมาวัดได้กลิ่นของเนาเหม็นมันก็จะนึกว่าเป็นอาหารหรืไงไม่รู้มันพากันวิ่งกลูเข้าไปจะกินศพผู้คนก็ต้องช่วยกันไล่ให้มันออกไปคุณแสวงนี่อยู่บนศาลาดูเขาช่วยกันไล่หมาหมามันก็อยากจะกินศพนะมันก็ไม่ยอมไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันมันถึงหนีอ่าไปตั้งหลักอยู่ในถุนกุฏิ รีบช่วยกันยกศพคุณสลาแล้วก็ต่อโลงประกอบให้เข้าที่เข้าทางอ่าใช้ไม้ตามที่พอจะอาศัยใช้ใส่ศพไปได้ตกกล้งคืนน่ากลัวมากฝนก็พรำพ ร, ำพรำเดือนก็มืดตือ่อจุดตะเกียงเจ้าพายุสองดวงอ่ามันสว่างแต่ก็ยังสู้ความมืดไม่ได้คุณแสวงนอนค้างที่วัดช่วยงานศพเขาเพราะว่ า, วาชอบพอรักไข้กับยายของคนตายมานานแล้วหนาวก็หนาวหนา ว, หนาวสั่นไปหมด หมาวัดมันพากันส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนเสร็จแล้วตอนดึกๆก็มีเสียงเหมือนกับคนมาเดินอยู่ที่เตถุนสลาเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครกล้าลงไปดูว่าใครมันเดินเน่ยปล่อยมันดังอี่ตั้งนานกลัวจนเกือบจะเป็นลมตายโบราณเขาบอกว่าถ้าหมาหอนเนี่ยมันเห็นผีก็เลยกลัวกันใหญ่สงสัยว่าผีคนตายมันต้องมาแน่ๆนะคุณแสวงก็สวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นอันหลับอันนอนน่ะ พวกขี้เหล้านึกว่าเมาแล้วไม่กลัวผีที่ไหนได้พอหมาหอนเลิกกินเหล้ากันเลยพากันเงียบกริบังไม่ส่งเสียงเอะอาอีกเลยจะนั่งมองตากันลูกสาวตัวเล็กๆของคนตายอายุตอนนั้นก็คงจะสักสามขวบอยู่ๆก็ตื่นขึ้มาร้องไห้จ้านั่งมองไปทางบันไดสลาชี้นิ้วไปแล้วก็เรียกบอกพ่อมาพ่อมาพ่อ ม, มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อไปไหนมาพ่อมาแล้วแม่ ทั้งที่กลัวกันมากแต่ไม่ว่าใครก็พากันมองตามไปตามที่เด็กชี้ไปบันไดาทางขึ้นน่ะก็ว่างเปล่าไม่เห็นมีใครสักคนเดียวแต่เด็กกลับมองว่าพ่อเดินมาแม่ของเด็กหรือว่าเมียคนตายนะี่แล้วก็ถามลูกว่าไหนลูกวันไปแล้วนอนถเถอะเถอะแต่เด็กก็บอกว่าพ่ออยู่นั่นนะ่ะเดินมาแล้วหยุดไม่เข้ามาแม่ไปรับพ่อมาสีไปรับพ่อมาตอนนั้นเองกลิ่นเหม็นก็โชยอยู่เต็มสลาคุณแสวงนี่ขนลูกเกลียว คนตายมาแน่ๆเนี่ยไม่อย่างงั้นคงไม่เหม็นตลบอย่างเงี้ยจะว่ากลิ่นจากโรงศพออกมาก็คงไม่เหม็นขนาดเกือบสำลักอย่างนั้นเสียงหมาก็หอนกันไม่หยุดมันเป็นคืนที่ทําให้คุณแสวงนี่ขนหัวลุกจริงๆนะเสร็จแล้วเด็กก็บอกว่าพ่อหายไปแล้วพ่อไปไหนแล้วแม่เด็กไม่เห็นคนตายแล้วกลิ่นก็จางหายไปแล้วอย่างนี้จะไม่เชื่อว่าปีคนตายมาได้ยังไงตอนเผาก็มีเรื่องน่ากลัวอีก เพราะไฟกำลังลุกอย่างนั้นก็มีเสียงคนร้องไห้เป็นเสียงผู้ชายเวลาก็เย็นมากแล้วคนมาเผาศพก็กลัวรีบกลับก็ยัางเร่งร้อนเลยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นมันก็ดังมาจากเมนเผาศพไปแหลนะนะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครหรอกไม่มีใครสักคนที่ไปร้องไห้อยู่แถวนั้นพวกเจ้าภาพก็ไปที่สลาลใหญ่กันหมดแล้วสัปเหร่อเนี่รีบใส่ไฟโหมเป็นการใหญ่เพื่อจะให้ศพมอดไหม้ก่อนจะมืดค่านะ คือนั่นผีเข้าฝันเมียบอกเป็นห่วงลูกสามคนเลี้ยงลูกให้ดีๆอย่ามีผัวใหม่เดี๋ยวลูกจะลาบากนะเมียเขาก็ดีไม่มีผัวใหมนะ่เลี้ยงลูกจนโตลูกเขาดีทั้งสามคนเลยครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณแสวงเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดจังหวัดอ่างทองครับ ที่จังหวัดชนบุรีครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งชาวบ้านก็ชอบเอามาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเป็นเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับต้นมะขามใหญ่ต้นหนึง่งที่ทําให้คนในหมู่บ้านนะ่ะต้องจดจํามันไปจนวันตายมันเกิดพายุฤดูร้อนในปีหนึ่งพายุเนี่รุนแรงมากพัดเอาต้นมะขามใหญ่นะโค่นชนิดถอนรากถอนโคนแล้วมันก็ล้มลงไปทับคนตายซะอีกด้วยคนตายเป็นผู้หญิง แก่แล้วบ่ายวันนั้นแกออกไปหาเก็บผักแกเป็นคนยากจนข้นแค้นไม่ค่อยมีอะไรจะกินแล้วก็ยังต้องอยู่ตัวคนเดียวซะอีกมีผัวแต่ไม่มีลูกพอผัวตกต้นตาลตายแกก็ต้องอยู่คนเดียวเรื่อยมานานหลายสิบปีวันนั้นตอนบ่ายแกออกไปหาเก็บผักเสร็จแล้วพายุฝนมันมากระทันหันแล้วก็พัดหูมกระนำอย่างหนักเลยแกก็กำลังจะรีบกลับบ้าน เสร็จแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมะขามใหญ่ล้มลงทับแกตายคาที่เลยกว่าจะมีชาวบ้านไปเห็นแกกว่าตายแล้วตายอยู่กลางทางที่ท่อสู่บ้าน้องแกนั่นแหละชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินเพราะว่ายกเคลื่อนย้ายต้นมะขามไม่ไหวขุดดินเพื่อเอาร่างไร้วิญญาณของแกออกมาแล้วก็เอาไปให้พระสวดแล้วก็เผาที่วัดเรื่องเผาศพนะ่ะผ่านพ้นไปแล้วก็ยังเหลือแต่เรื่องต้นมะขามที่ล้มขวางทางสัญจรอยู่ ไม่มีใครจัดการเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ ม, มีเจ้าของเจ้าของต้นไม้ก็คือเจ้าของที่ดินที่ต้นมาขามมันยืนต้นอยู่แต่ดั้งเดิมก่อนที่จะโค่นล้มลงเจ้าของต้องจัดการกันเองแต่ว่าวิญญาณคนตายในเข้าสิงในต้นไม้เจ้าของเอาเลื่อยมาตัดจะเอาไม้ไปทาเขียงทําพืนเลื่อยเขาไปหน่อยก็เหมือนเลื่อยถูกยึดน่นขยับไม่ได้เลื่อยไม่ไปกว่าจะช่วยขยับเลื่อยออกมาได้ก็เหงื่อท่วมตัว เอ้เลื่อยไม่ได้มันแปลกมากก็นึกว่ายางไม้มันคงจะเกาะใบเลื่อยก็เลยทำให้เลื่อยฝืดมากทีนี้ก็เปลี่ยนจากเลื่อยมาเป็นขวานใช้ขวานเอาขวานควานลงไปทีเดียวเท่านั้นนะเกิดเรื่องเลยคมขวานนี่ฝังแน่นดึงไม่ออกเหมือนกันมีดก็เหมือนกันควันลงไปก็ติดเน่าป๊กอ้าวจะทายังไงละทีนี้ก็ได้แต่มองหน้ากันอย่างหาทางออกไม่เจอเออ ต้นไม้ก็ล้มขวางทางจะต้องรีบตัดไม่งั้นคนอื่นก็เดือดร้อนทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหยุดก่อนคิดหาทางกันว่าจะเอาอยัางไงเจ้าของก็คือสองพ่อลูกพ่อกับลูกสาวเป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่พวกเขาช่วยกันบอกให้ชาวบ้านรู้ถึงสาเหตุที่จัดการต้นไม้ไม่ได้แล้วก็เล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นะนะพวกเขาเล่าไปอย่างตรงๆแต่ก็มีชาวบ้านบางคนหัวเราะหาว่าสองพ่อลูกนะขี้เกียจแก้ตัวไม่เขาเรื่อง คงจะไม่อยากเอาต้นไม้ออกให้พ้นทางอ่าไอ้ขี้เมาบางคนก็บอกย่างขาไหมล่ะเอาป่ะขี้เมาอาสาพวกนั้นมีกันอยู่สองคนเพื่อนกันจะหาเงินซื้อเหล้ากินนอกจากเอาเงินแล้วก็จะเอาไม้ไปทําพื้นด้วยว่าจะให้เมียเอาไปหุงข้าวอ่ามันนึกอย่างนั้นสองพ่อลูกเจ้าของที่ก็ตกลงแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบสองขี้เมาก็แบมือของเงินก่อนด้วยสองพ่อลูกก็ให้ พวกเขาก็เอาเงินไปกินเหล้ากันจนหมดเมาแอททำอะไรไม่ไหวเลยพอเงินหมดก็ไม่อยากทำอะไรกันแล้วก็ได้หารือกันว่าจะโกงราคาเรียกเงินอีกเสร็จแล้วก็ไปหาสองพ่อลูกในวันรุ่งขึ้นหลังจากสั่งเมากกันดิบดีแล้วไปบอกว่างานนี้มันยากจริงๆทั้งที่ยังไม่ได้ทันได้ลงมือกันเลยสองพ่อลูกเจ้าของที่เขาก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ก็เจรยดให้ไปเพราะว่าเกรงชาวบ้านจะเดือดร้อนจากต้นมาขามห้องตัว สองขี้เล่าได้เงินแล้วก็ซื้อเหล้ากินหมดอีกอ่าจะไปยากอะไรวะก็ขอเพิ่มอีกเนีมันตกลงกันอย่างนั้นมันโง่อยู่แล้วอ่ะกะแค่เอาเลื่อยมาเลื่อยต้นไม้เนี่ยังทากันไม่ได้นะมันโง่พอดีกับชาวบ้านก็เดือดร้อนถามสองพ่อลูกว่าเมื่อไรจะเอาต้นไม้ไปผ้นทางแลทีคนเป็นพ่อกอร็รฮะเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไง สองกี้เมาไม่ยอมทางานให้ทั้งที่เอาเงินไปตั้งสองครั้งแล้วตอนนี้เองที่พวกชาวบ้านรถทนดูอยู่ไม่ได้ก็พากันไปชี้หน้ากี้เมาทั้งคู่ว่างานนี้ต้องทําให้เรียบร้อยนะไม่งั้นโดนดีแนะ่เจอเข้าแบบนั้นสองกี้เมาก็เลยต้องลงมือแต่เลื่อยทําอะไรไม่ได้ก็เล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเคยรู้สันดาลสองกี้เล่านี้ก็หัวเราะเมียของกี้เมาทั้งสองก็เล่นงานด้วยบังคับให้กลับไปทํางานให้เรียบร้อย เพราะว่าตัวเองก็อยากจะได้ไม้ไปทําพื้นด้วยทั้งสองขี้เมาก็จําใจกลับไปอีกเมียเขาตามไปคุมอ่าเสร็จแล้วก็ได้ประจักษ์ความจริงด้วยตาตัวเองว่าคมเลื่อยทําอะไรต้นไม้นั้นไม่ได้จริงๆซ้าใบเลื่อยอยังติดเงี้ยขยับไม่ได้ซะอีกด้วยแล้วที่พากันตกตะลึงพลึงเพลิดก็คือแผลต้นไม้ที่ถูกเลื่อยมีเลือดไหลออกมาแล้วก็มีบางแผลที่แห้งกรังเหมือนเป็นบาดแผลที่ตกสะเก็ด เรื่องนี้รู้ถึงหูพวกชาวบ้านก็พากันมาดูว่ามันเป็นความจริงหรือว่าขี้เมามาเล่นกลก็เห็นกันว่ามันเป็นจริงตามที่พวกนั้นเล่าเออจะต้องมีอาถรรพ์หรือว่าอาเพศอะไรสักอย่างก็พากันไปหาท่านสมภารที่วัดไปขอให้ท่านช่วยท่านก็ว่าน่าจะเป็นโดยดวงวิญญาณของยายคนที่โดนต้นไม้ทับตายนั่นแหละให้เจ้าของต้นไม้จุดทูบบอกเล่าซะก่อนแล้วค่อยลงมือตัดทอนกัน สองพ่อลูกพอรู้อย่างนั้นก็จุดธูปขึ้นมาแล้วก็บอกเล่าดวงวิญญาณของคนตายไม่น่าเชื่อว่าระหว่างที่บอกเล่าอยู่นั้นต้นมะขามที่ล้มอยู่เนะี่ยมันสั่นสะท้านยังก็มีมือยักษ์มาจับเขยา่าทำเอาสองพ่อลูกนะ่ะตกใจกลัวระหว่างนั้นมีชาวบ้านหลายคนอยู่ตรงนั้นด้วยก็พากันจ้องมองกิ่งมะขามล้มที่มันสั่นไหวไม่มีใครพูดอะไรเลยมีแต่หวาดกลัว พวกเขาก็พากันไปเล่าให้สมผานที่วัดฟังอีกท่านก็บอกวันนั้นแหละเขารับรู้แล้วลงมือตัดทอนได้เลยแต่สองพ่อลูกก็ไม่กล้าชาวบ้านก็ไม่กล้าเหมือนกันจึงได้พากันไปที่บ้านของขี้เมาทั้งสองที่ได้รับเงินทองเขาเอาไปแล้วแต่ไม่ได้ทำงานในเขาสมกับค่าจ้างสองขี้เมาก็กลัวแต่ก็กลัวเพราะชาวบ้านหมู่มากกเลยแข็งใจลงมือเรื่อย ก่อนเลื่อยก็ยกมือไหว้กราบประหลกประหลกอยู่ข้างต้นมะขามมันด้วยเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จัดการตัดทอนต้นมะขามเคลื่อนย้ายพ้นทางเดินได้อย่างไม่มีเหตุร้ืมเป็นไปโดยราบรื่นดีเออมีบางอย่างอะไรในโลกเนี่ยที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับถึงรู้ก็ยังไม่เชื่อนะถึงเชื่อก็ยังไม่ทำแล้วในที่สุด ผลก็มันก็ปรากฏออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่เชมบุรีครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึง่งเกิดกับบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอ่าบ้านหลังนี้คุณวิชัยอยู่กระปู่ คุณวิชัยไม่มีพ่อแล้วพ่อตายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นป .4 พ่อเจออุบัติเหตุตกลงมาจากตึกที่พ่อไปทำงานก่อสร้างอยู่มันน่าแปลกที่ว่าพ่อเป็นคนคุมงานก่อสร้างแต่พ่อก็ไปตกจากตึกนั้นอ่ะเขาเล่ากันว่าพ่อเป็นลมหน้ามืดในระหว่างคุมงานก็เลยพลัดตกจากตึกชั้นที่สี่ลงมานะปู่ร้องไห้แม่ร้องไห้แต่ว่าในงานศพนั้นปู่กับแม่ไม่ได้พูดกันเลย เวลานั้นคุณเสถียรที่เล่าเรื่องเนี้ยโตเป็นหน่มแนละ้วเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ปู่เลี้ยงฉลองรับปริญญาให้เขาได้สามวันปู่ก็จากไปมันเป็นความรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินปู่ยินดีกับความสำเร็จของเขาได้เพียงสามวันน่ะมันสั้นจุจยปู่ไม่น่าตายเลยยังไม่แก่มากอะอายุแค่เจ็ดสิบเท่านั้นปู่น่ะตายโหงเหมือนพ่อเลยคือปู่น่ชอบกินปลา วันนั้นก็ให้ลุงเตี้ยคนเกา่าคนแก่ที่ทํางานอยู่กับปู่เรื่อยมาเนี่ขับรถพาไปกินปลาที่สุพรรณระหว่างทางกลับมารถไปชนกับรถบรรทุกปู่ตายส่วนตัวลุงเตี้ยที่พาไปไม่เป็นอะไรมันก็หน้าแปลก ท, ท, ทั้งที่นั่งมาข้างหน้าคู่กันแต่เขาว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นนะรถชนกันแบบนั้นคนขับมักจะรอดเพราะว่าคนขับเขาจะเบี่ยงหนีสทัน ไม่พุ่งประสานงานโดยสัญชาตญาณนองคนจะต้องรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดไว้ก่อนแม่ก็เล่าว่าใจหายว่าเมื่อได้ข่าวรถปู่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแม่นึกว่ายังไงเสียอ่คุณเสถีนนยรต้องไปกับปู่ด้วยแต่มันไม่ใช่อ่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาโชคดีที่ปู่ชวนแล้วเขาก็จะไปจะเกิดเสียท้องไปไม่ได้มันเป็นโรคประจําตัวของเขาเป็นมาตั้งแต่อายุสิบสองที่แรกปู่ก็จะเปลี่ยนใจ ว่าจะไปวันหลังแต่พอดีว่าปู่นัดกับพวกที่ชอบของเก่าโบราณพวกนั้นน่ะปู่จะไปดูของชิ้นนั้นแล้วปรากฏว่าของชิ้นนั้นเน่ยอยู่ในรถที่เบาะด้านหลังปู่หลังจะเกิดอุบัติเหตุนี่ยังอยู่ในรถไม่สูญหายไปแต่อย่างใดเขาก็เอามาตั้งไว้ในบ้านในห้องด้านในติดกับห้องรับแขกอ่าหลังจากช่วงหลังงานศพปู่วันนั้นเผาศพปู่แล้วทําบุญเจ็ดวัน แม่มาเห็นของชิ้นนี้เข้าแม่ถึงก็ตาเหลือกเลยหันไปเรียกยายเสียงสั่นๆให้มาดูแม่แม่เห็นอะไรให้ยังอะ่ะก็พงเห็นนี่แหละยายนี่ตาเบิกอย่าแม่คิดว่ายังไงอ่ะแม่เอาออกไปจากบ้านซะเลยนะแม่กับยายคุยกันโดยสีหน้าแววตาที่บอกว่ากลัวเจ้าสิ่งนั้นมากเสร็จแล้วแม่ก็หันอ่ามาบอกกคุณสเสถียร ตามที่ยายออกความเห็นคือให้เอาออกไปจากบ้านเสียแล้วทำไมจะต้องกลัวกันมากมายอย่างนี้ด้วยล่ะแม่รูปปั้นยายแก่หน้าผีนี่หน้ากลัวจะตายเอ็งเห็นว่ามันไม่น่ากลัวอย่างนั้นเลยไอ้เถียนก็แค่รูปปั้นยายแก่เท่านั้นแหละ ย, ยายไม่มีอะไรหรอกยายกับแม่พยายามพูดนะ้ะเถียนเอาออกไปจากบ้านแต่เขาคิดว่ามันเป็นของที่ปู่ชอบเขาก็ต้องขัดใจยายกับแม่แต่ไม่ได้บอกว่า จะไม่ทําเพียงแต่พยักหน้ารับปากว่าจะเอาออกไปยายก็บอกให้เอาไปไว้วัดเขาก็ครับครับครับเพื่อให้แม่กับยายสบายใจหมดกงังวลแต่แทนที่เขาจะเอามันออกไปเขากลับยกมันเข้าไปในห้องนอนของปู่แล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งไหนในห้องปู่ละแม้แต่เก้าอี้สักตัวก็ไม่เลื่อนออกไปไว้ข้างนอกให้มันดูเหมือนกับปู่ยังไม่ได้ไปไหนเขาจะได้รู้สึกว่าปู่ยังอยู่ในห้องของปู่คือนั้นน่ะ เขาก็มองดูหุ่นยายแก่นั่นหน้าแกไม่ได้เสยะยิ้มหรือ ว, ว่าทำหน้าสยดสยองอะไรแกวางหน้าเฉยแต่ที่หน้ากลัวก็คงจะเป็นใบหน้าทื่อๆดวงตาทื่อๆของแกนั่นเองแหละแกยืนอ่ารูปปันปนป้นเป็นรูปยืนสองมือยกขึ้นมาทำท่าเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างคล้ายกับเตรียมจู่โจมหรือตั้งรับศัตรูอะไรอย่างงั้นแหละหุ่นนุ่งจงกระเบนผ้าลายดอก สวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกตัวหุ่นก็สีน้ำตาลปนดำทั้งเนื้อทั้งตัวตัดผมทรงคนแก่ะที่เหมือนจะรองทรงผู้ชายแหละเป็นงานปั้นที่มีฝีมือปานกลางเท่านั้นน่ะไม่ใช่หุ่นตัวใหญ่ตัวอะไรเลยคุณสเสถียรก็เคยถามลุงเตี้ยวว่าปู่ซื้อมาตัวเท่าไหร่ได้ยินว่าไม่ได้ซื้อนะครับแลกกันมาแล้วลงุงไม่ได้แลกกันหรอกเขาให้ได้ยินว่าเขาจะเอาไปไว้วัดแต่พอดีปู่ อยากจะได้เขาก็เลยให้ปู่นะครับอืมก็น่าจะอย่างงั้นนะ่ะก็น่าคิดน่าคิดเรื่องอะไรอะลุงเตี้ยก็เจ้าของเขาไม่เอาแล้วอะก็เขาจะเอาไปไว้วัดทําไมลหรออ้าวก็ของที่เขาเอาไปไว้วัดกันนะ่ะมันมักจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเจ้าของไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านลุงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรน่ากลัวอยังงั้นเหรอครับมันก็อาจจะมีนะถ้าทางลุงเตี้ย สีหน้าสีตางแกไม่ค่อยแตกตา่างจะยายกับแม่เขาอ่ะลุงอย่าล้อเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณสเสถียนแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยคุณไม่เห็นเหรอหน้าตาเหมือนผีลุงเตี้ยเนี่ยเป็นคนที่ปู่ไว้วางใจมากปู่เลี้ยงกันมาตั้งแต่ปู่ยังไม่แต่งงานตอนนั้นลุงเตี้ยยังเด็กอายุสิบเอ็ดปีแกเป็นเด็กกัพระ เสร็จแล้วหลังจากวันนั้นสามวันต่อมาคือหนึ่งลุงเตี้ยร้องลั่นและที่บ้านพักแกบ้านแกอยู่ท้ายสวนคุณเสถียรก็ถือไฟฉายวิ่งไปดูไม่เจอตัวแกเที่ยวฉายไฟเรียกหาแต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับพอเช้าปรากฏว่ามีคนพบแกกลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในท้องร่องสวนไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลเขาว่าแกตกร่องสวนตายจมน้าตายเองเสียงร้องของแกเนี่เขาบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีเสียงร้อง แต่เขาตรวจบ้านที่แกอยู่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรน่าสงสัยวันหนึ่งแม่มาที่บ้านมากับยายมานอนค้างด้วยกันตกดึกอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเห็นยายแกคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอที่ทั้งสองนอนกันอยู่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งกันตลอดทั้งคืนเลยทั้งแม่ทั้งยายตอนเช้าถามเขาเรื่องรูปปั้นยายแกเขาก็ต้องโกหกว่าเอาไปไว้วัดแล้วว่างั้นไม่ได้บอกว่ายังอยู่ในบ้านแหละ หลังจากพากันกลับไปยายก็ล้มป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลสี่วันก็จากไปแม่บอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นพาไปหาหมอก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยหลังจากงานศพยายแม่เล่าให้ฟังว่าปู่เนะ่เป็นคนใจคอโหดร้ายมากปู่ไม่ชอบแม่แม่จนเรียนน้อยอปู่ไม่ชอบว่าไม่เหมาะกับพ่อพ่อเรียนช่างก่อสร้างแม่นะ่ะเป็นลูกสาวแม่ค้า เสร็จแล้วปู่ก็ให้คนคมคูให้แม่นะเลิกกับพ่อแม่ไม่เลิกปู่ก็จ้างคนเอาไปฆ่าแต่แม่รอดมาได้แล้วก็รู้หมดว่าเป็นแผนการของปู่เพราะว่าพวกสองคนนะก็คุยกันโดยคิดว่าแม่ตายแล้วพ่อนะพาแม่หนีปู่ตามเจอขอร้องให้พ่อกลับแต่พ่อไม่ไปก็เลยต้องยอมให้พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่นะ่ะอึดอัดใจมากเพราะว่าปู่ร้ายมากจนแม่ทนไม่ไหว เลยนีขณะตั้งท้องนะ่ะนะเสถียนเนี่ยอยู่ในท้องของแม่ตอนนั้นไปคลอดที่บ้านยายปู่อยากได้หลานก็ให้พ่อไปขอมาเลี้ยงนะเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าปู่จะเป็นคนยังงั้นต่อมาเหตุที่ทําให้เขาตกใจก็คือหุ่นยายแก่ที่ว่าเอาไว้ในห้องปู่น่ะหายไปโดยคืนนั้นดึกสงัดเขาขวัญว่ายายแก่เดินออกไปจากบ้านพอเช้าเขานึกได้ก็รีบไปดูในห้องปู่ก็ไม่เจอ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็ไม่เข้าใจว่าหุ่นน่ำมันหายไปได้ยังไงมีคนขโมยเอาไปหรือว่าแกเดินออกไปเองเออแปลกครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆฟังดูน่ากลัวน่ากลัวฟังไว้เฉยๆอย่าไปคิดอะไรามากแล้วกันนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟัง ในถนอมนี่เมียดีกับเขาอย่างไรแต่ตัวในถนอมเองนี่มันยังไงชอบคนอยู่ทั้งๆ ท, ที่อยากได้อะไรเมียก็หาให้อยากจะได้มอเตอร์ไซค์เมียก็ซื้อให้ใหม่เลยพอวันนึงอยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกโน้ตบุ๊กเอาเมียก็ซื้อให้ไม่ใช่ว่าเมียเป็นคนร่ํารวยอะไรแต่ว่าเมียมีงานทําของที่ซื้อมันก็เงินผ่อนเงินเชื่อทั้งนั้นแหละผัวอยากจะได้อะไรก็หามาประเคน้น แต่แล้วก็มีมือถืออีกด้วยมือถือนี่ก็อย่างราคาเป็นหมื่นเลยนะไม่ใช่พันสองพันคุณวิไลถามคนรู้จักกันว่าทําไมเมียเขาถึงได้ลุ่มหลงอะไรเขาขนาดนั้นงานการก็ไม่เห็นเขาจะทําอะไรเลยวันๆก็ขับรถปื๊ดไปโน่นปื๊ดมานี่ไม่ได้หยิบจับงานหรือว่าหรือว่าไปทํางานอะไรสักอย่างที่ชาวบ้านไม่รู้เนี่ยนะทีนี้ก็มีคนบอกคุณวิไลว่าก็ยังที่รู้นั่นแหละเขาไม่ได้ทําอะไรหรอก แต่ว่าเมียรักเขามากอะไรที่เป็นความสุขความชอบของเขาเขาก็จะหาให้ว่าอย่างนั้นยังงี้ก็ถือว่าวาสนาเขาดีมากเลยนะคุณวิไลบอกว่านี่ถ้าเขาเป็นลูกหลานฉันแล้วทำตัวเหลวไหลยอย่างเงี้ยฉันต้องเรียกมาเทศให้ฟังวันละหลายรอบแน่ๆเลยคนที่กินแรงคนอื่นคิดว่าคงไม่มีใครชอบใครสนับสนุนหรอกนถนอมคนนี้อายุสามสิบแล้วส่วนเมียก็าราๆยี่สิบห้า 25. คุณวิไลหรือว่าป้าวิไลเนี่ยแกไม่รู้อะไรมากนะักเกี่ยวกับฝ่ายหญิงเพราะว่ามาจากที่อื่นส่วนตัวในถนอมเองเนี่ยป้าวิไลรู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเป็นใครแล้วก็เป็นยังไงครอบครัวเขาก็ไม่ใช่ว่าย่ําแย่อะไรก็ดีฐานะดีมีนามีไร่แต่พอมาถึงยุคสมัยของเขาเขาขายกินหมดก็เลยเหลือแต่ที่ ท, ที่ที่บ้านพ่อเขาตายแม่เขาไปมีผัวใหม่ตอนแรกๆเขาก็อยู่บ้านคนเดียว ต่อมาก็ได้เมียคนนึงเลิกกันแล้วก็ได้อีกคนก็เลิกกันอีกไม่มีลูกด้วยกันแล้วก็มาได้คนนี้เป็นเมียคนที่สามก็ไม่มีลูกด้วยกันอีกสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นหมันหน้าตาในถนอมนี่ไม่ใช่ว่าจะดีเด่อะไรเนาะตัวใหญ่ผิวขาวเสียงดังออกจะนักเลงนิดนิดกินเหล้าเมายาเมาแล้วเก่งอ่าไม่เมาไม่เท่าไหร่อะเมียเขาหน้าตาดีรูปร่างผอมๆหุ่นดีใช้ได้อ่า ข่าวมีมาเรื่อยว่าผัวเมียคู่นี้มีปากมีเสียงเถียงกันบ่อยๆในช่วงหลังเมียคงยะสุดทนที่เขาเอาแต่ใจตัวเองอยากจะได้โน่นได้นี่ไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ให้เมียหาเลี้ยงด้วยเขาคมขู่จะฆ่าเมียท่าน ไ, ไม่เอาเงินมาให้เขาใช้มั่งเมีย ก, ก็บอกเงินไม่เหลือแล้วเพราะจะต้องผ่อนส่งของตั้งหลายอย่างอยู่มาวันนึงเกิดอยากจะได้รถปิกอัพ เมียขัดใจสิเพราะไม่มีปัญญาจะทําอย่างนั้นเงินเดือนไม่พอส่งหนี้เก่าก็ยังไม่หมดเขาโกรธหาว่าเมียเรื่องมากพูดยากพอกินเหล้าเมาก็หาเรื่องกนดา่าแล้วยังไงไม่รู้เราเเที่ยงคืนเสียงเมียร้องให้คนช่วยเสร็จแล้วไฟลุกตัวเขาเองก็ร้องโอยโวยดังอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงก็เห็นไฟลุกไหม้ควันขโมงอยู่ในบ้าน่ะก็รีบไปช่วยกันพังประตูเข้าไปลากตัวนายถนอมออกมาได้ ส่วนเมียชาวบ้านเข้าไม่ถึงเลยเพราะไฟมันลุกท่วมหมดแล้วเขารอดตายแต่ว่าเมียนะไม่รอดเขาโดนไฟลวกปางตายเขาให้การกับตำรวจว่าเขาจะฆ่าตัวตายกับเมียเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแล้วก็เอาน้ํามันราด จ, จุดไฟแต่ทนร้อนกันไม่ไหวก็เลยร้องแต่ตำรวจไม่เชื่อคิดว่าเขาต้องเผาเมียแน่แน่ก็เลยมีการดําเนินคดีกันไปในสนอมนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลคลุมคลัง มองเห็นไปว่าเมียมาหาเมียมารับไปอยู่ด้วยก็ส่งเสียงร้องห้ามเมียบอกว่าเขาไม่ไปไม่ไปไม่อยากตายเขาอยากอยู่ต่อไปมึงไม่ต้องมารักกูกูไม่รักมึงแล้วเขาร้องบอกวิญญาณเมียที่มาหาเนี่ยกูเกลียดมึงกูไม่รักมึงอะกูจะอยู่มึงตายแล้วมึงก็ไปสิมึงจะไปยุ่งอะไรกับกูมึงไปเถอะไปที่ชอบที่ชอบเขาลุกขึ้นมาเพ่นลงมาจากเตียงพยาบาลต้องช่วยกันจับตัวเอาไว้กลางดึกเนี่ย ขณะที่คนป่วยอื่นๆเขาก็นอนหลับกันอยู่ตอนนั้นต่อมาอีกวันหนึ่งเขาเดินออกไปนอกห้องไม่มีใครเห็นออกไปข้างนอกไปที่ระเบียงโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนขอบระเบียงพอดีแล้วเกินที่เจ้าหน้าที่ชายคนนึ่งของโรงพยาบาลเขาเดินผ่านมาเห็นก็คว้าตัวเขากระชากลงมาเําไม่รู้ตัวเลยว่าออกมาได้ยังไงเขารู้แต่ว่าเมียมาเรียกมาชวนไปเมียรออยู่ข้างล่างกวักมือเรียกให้เขากระโดดไปหาปรากฏว่าคราวนั้นในถนอมรอดตาย กลัวจนตัวสั่นญาติๆของเขาเอาทูบมาจุดให้อ่ให้เขาบอกเล่าดวงวิญญาณของเมียให้เขาขอขออโหสิกรรมอย่าได้จองเวรกันเลยเขาก็ทําตามทุกอย่างคืนต่อมาในถนอมหายตัวไปจากเตียงอีกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลเห็นใครคนหนึ่งเดินไปขาวๆอยู่ที่กลางสนามหญ้าหน้าโรงพยาบาลก็รีบไปดูแต่เขาหายตัวไปตามไม่ทัน ไม่น่าเชื่อว่าเขาไปอยู่ที่ลานจอดรถทางด้านหลังตึกผู้ป่วยแถวๆนั้นไม่มียามไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นก็คือไฟลุกท่วมตัวเขาเหมือนกับเขาจุดไฟเผาตัวเองนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ลานจอดรถกว่าคนจะไปเห็นเขาก็โดนไฟครอกใกล้จะตายแล้วกว่าจะดับไฟกว่าจะนําตัวเข้าห้องฉุกเฉินอาการเขาก็เข้าขั้นตรีทูตนั่นก็คือใกล้จะตายแล้วผลสุดท้ายพิษร้ายของพระเพลิงก็เผาไหม จนกระทั่งเขาทนไม่ไหวก็ขาดใจไปไม่มีใครรู้ว่าเขาไปเอาไฟที่ไหนมาจุดเผาตัวเองแล้วไฟทำไมลุกเผาไหมรั่วเร็วน่าจะมีน้ามันไวไฟราดรถเนื้อตัวด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เขาได้มันมาจากไหนมีคนออกความเห็นว่าผีเมียเขานั่นแหละที่ทาให้เกิดขึ้นเธอมาเผาเขาเพื่อจะเอาไปอยู่ด้วยกันญาติพี่น้องของเขาก็เชื่อทานองนี้ด้วย มีบางคนพูดว่านั่นแหละมันเป็นกรรมที่ตามมากระชั้นชิดเพียงไม่กี่วันก็เห็นผลทันตาไม่ทันได้เข้าไปชดใช้ในคุกก็ต้องมาชดใช้ด้วยชีวิตตัวเองซะก่อนแต่ไม่ว่ามันจะยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ก็สงสารเมียเขาที่ต้องมาตายในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าหล่อนรักเขาสงสารเขาแท้ๆที่ทำให้ตัวหล่อนเองต้องอายุสั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับ เรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของนายดำนายดำนี่เป็นคนวัยหนุ่มชะกันคนหนึ่งมาจากอีสานมาเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรียึดอาชีพขับแท็กซี่หาเงินนายดำนี่ตั้งใจว่าจะต้องตั้งตัวให้ได้จะต้องหาเงินเก็บให้ได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีกิจการอะไรสักอย่างเป็นของตัวเอง พอมีกิจการแล้วทีนี้ละ่ะเขาก็จะลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องเป็นลูกจ้างลูกอ่อนใครอีกแล้วมันเป็นความหวนที่ชาตินี้เขาจะต้องไปให้ถึงให้ได้นะเขาคิดอย่างนั้นในดำก็เลยกินอยู่ใช้จ่ายประหยัดมากกินพวกผักกันซสเป็นส่วนใหญ่ซื้อผักถูกๆมาจากแม่ค้าที่ขายเละหลังเสร็จแล้วก็เอามาทำกินมาดีเหลือเกินที่เมียของเขาเป็นคนดีรอนเข้าใจสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ เพราะว่าได้ปรึกษาหารือตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยลูกเต้ายังไม่ต้องไปมีมันตอนนี้เก็บเงินตั้งตัวก่อนแล้วก็ค่อยมีมันก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่าอายุของเมียเนี่ยยังไม่มากในดำไปขับแท็กซี่เมียก็รับซักไร้เสื้อผ้าก็เลยมีรายได้สองทางเขาไม่ได้ขับแค่กะกลางวันยังขับกะกลางคืนอีกด้วยทํางานหามรุ่งหามค่าได้งีบนอนเพียงวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมง เขาไม่เคยท้อไม่เคยยอมแพ้มุ่งมั่นและเกินจนกระทั่งเพื่อนๆของเขาออกปากว่าให้หยุดจะบ้างเลยดำเอ้ยอย่าบ้างานนักเลยเมียเห็นท่าทางเขาอ่อนเพลียก็เตือนบอกว่าให้พักผ่อนบ้างก็ได้ไม่ต้องขับรถสองกะก็ได้เอาแค่กะเดียวก็พอแต่เขาสายหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาทําได้แล้วก็บอกว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราจะตั้งตัวให้ได้เราจะมีกิจการเป็นของตัวเองอ่าแล้วเขาก็พูดมันก็ที่เคยพูดมาแล้ว่แหละ แต่แล้วพออยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยสบายมันก็ไม่ไม่มากมายอะไรซื้อยากินก็ขับรถต่อได้ซื้อยากินแล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอเจ็บป่วยอะไรก็ซื้อยากินเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็ซุดหนักขับรถไม่ได้เข้าโรวงพยาบาลที่นี่มือสัน่นตัวสัน่นสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าเขาน่าจะรีบมาหาหมอก่อนหน้านี้คือพูดง่ายๆว่ามาหาหมอช้าไปเขาขับรถไม่ได้ โรคก็ไม่หายรักษาอย่างไงก็ไม่ดีขึ้นเลยก็ทำให้อยู่ในเมืองไม่ได้อีกแล้วเพราะว่ามันต้องเสียค่าชาวบ้านมันต้องย้ายกลับไปบ้านเกิดไปอยู่บ้านเกิดที่อีสานแล้วก็ไปเปิดร้านชาเล็กๆในหมู่บ้านด้วยเงินที่เขาโหมขับแท็กซี่ได้มารวมกับเงินที่เมียรับซักริดเสื้อผ้าเขาก็มีกิจการเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าเขาป่วยยังสั่นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวจนอยู่มาวันหนึ่ง นายดำก็ฝันว่ามีหญิงกลางคนมาบอกให้เขาไปหาสมุนไพรหลายชนิดเอามาต้มกินกินแล้วจะหายจากโรคที่เป็นอยู่นั่นก็คือยาผีบอก น, นั่นเองเขาจำได้ว่าตัวยาน่มันมีอะไรบ้างเขาก็เล่าให้เมียฟังเมียก็อยากให้ผัวหายก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ญาติฟังญาติๆก็บอกว่าสมุนไพรอะไรต่างๆที่บอกมานั้นมันก็พอหาได้ไม่ยกตามร้านขายยาก็น่าจะมี แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่คงลำบากมากที่จะได้มันมานั่นก็คือผู้หญิงที่มาบอกในฝันเนี่บอกให้หากระดูกผีมาใส่หม้อต้มรวมกับสมุนไพรต่างๆนั้นด้วยแล้วต้องเป็นกระดูกผีจากเจ็ดปรชาช้าปราช้านะ่มีแต่จะไปเอากระดูกมามันก็ต้องไปขุดหาแล้วใครจะไปอ่ะไม่มีใครกล้าไปคนป่วยเห็นว่าตัวยาอื่นพอหาได้ยกเว้นสิ่งเดียวคือกระดูก สิ่งนี้ไม่มีใครทำเพื่อเขาเลยเขาก็เลยจะไปเองเขาก็บอกเมียเมียบอกว่าจะไปเป็นเพื่อนแต่เขาไม่ยอมให้ไปในดำไปเองไปหาขุดกระดูกในป่าชา้าเลือกวัดใกล้บ้านก่อนเลยแอบไปกลางวันรอบพอไปทางหลังวัดจะมีลุงคนหนึ่งแกทำสวนอยู่ใกล้วัดแกเห็นเขาเส้อก่อนก็ถามว่าจะเข้าไปทาอะไรเขาก็เลยกลับพอกลางคืนก็ไปพร้อมไฟฉายทั้งๆ ท, ท, ที่มือสั่นขาสั่นตัวสั่นอย่างนั้นน่ รอบเข้าป่าช้าไปหาขุดจนเจอหลุมศพพอหลุมหนึ่งขุดลึกลงไปจนเจอกระดูกจอบกระทบดังกุ๊กๆเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินน่ะอ่ามันจะสะดุ้งเพราะว่าพื้นดินมันสั่นไหวก็ตกใจเหงื่อแตกเลยกระโดดขึ้นมาจากหลุมตั้งสติอยู่คู่หนึ่งก็ลงมือขุดใหม่ขุดลงไปอีกทีนี้ปรากฏว่าเหมือนกับผีในหลุมลุกพลวดคือมานั่งเป็นเงา ว, วูบดําเขาหายหลังผึ่งจนแอกนจําเบ้าอยู่บนปากหลุมมาล้ คว้าจอบได้ก็เพ่นหนีพร้อมไฟฉายในมือก็ได้ยินเสียงมันตามมาเสียงลุยป่าดังสวบซับซวบซับอยู่ข้างหลังเอ่าในดํานีสภาพร่างกายไม่ดีแต่ก็ลากสังขารกลับถึงบ้านจนได้เกือบตายจับไข้หัวโขนซ้ำเข้าไปอีกหลุมศพที่เขาไปขุดจะเป็นหลุมศพของเป้าวาดเป้าวาดเนี่กระโดนงูเห่ากัดตายเสร็จแล้วผีมาหลอกคนแถวแถวบ้านน่ะคนกลัวกันมากเด็กๆไม่กล่าวจากบ้านกันเลยแม้แต่ในตอนกลางวัน พอต่อมามันหลายสิบปีคนก็ลืมไปแล้วอนะพอในดําไปขุดก็เท่ากับไปปลุกผีป้าวาดให้คื่นชีพกันมาอีกญาติๆของเขาก็ช่วยกันปกปิดสิ่งที่เขาทําแต่ว่าผีก็ออกมาให้คนเห็นเด็กๆรุ่นหลังส่วนใหญ่ไม่รู้จักป้าวาดอ่ตัวแกอ้วนผิวขาวเอาไว้ผมยาวขมวดเป็นผมมวยเอาไว้ตรงท้ายทอยนุ่งผ้าจงอะเบนใส่เสื้ อ, อคอกลมแล้วแกมีฝอยดำเม็ดโตตรงริมทีปากด้านซ้ายด้วย ปรากฏว่าผีเป้าวาดนี่มาเจอเด็กวัยรุ่นที่ขับมอเตอร์ไซค์กันตอนกลางคืนถามว่าไอ้คนมือสันน่ะมันอยู่บ้านหลังไหนเด็กๆไม่รู้เรื่องที่เขาเป็นโรคมือสันตัวสันอะไรอย่างนี้บังเอิญมีเด็กคนนึงรู้ก็บอกผู้หญิงคนนั้นไปปรากฏเอาเป้าวาดตามไปถึงบ้านคือนั้นถ้าเมียก็ไม่ตื่นมาเห็นซะ ก, ก่อนเนี่ยในดำต้องตายแน่ๆเพราะว่าเมียมาเห็นเป้าวาดกําลังบีบคอเขาตาเหลือกเลยจะขาดใจตายอยู่แล้วเมียก็ตรงเข้าช่วยเอาไม้ฟาดผีมันก็หายไป รู้กันว่าเป็นผีเป้าวาดก็เลยไปขุดเอาศพมาเผาเพื่อให้ดวงวิญญาณน้องแกสงบพอทำอย่างนั้นแล้วผีก็ไม่มาเชื่อกันว่าเป้าวาดนี่แหละที่บอกยาให้เขาก็เลยว่ามันเป็นยาผีหลอกนะไม่ใช่ยาผีบอกหรอกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของลุงเสรีหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกแกลุงเสหลานๆเขาเรียกกันอย่างนั้น ลุงเสนี่ชอบพาเด็กๆยกขยงกันไปเที่ยวทะเลแกเป็นคนชอบกินไปทะเลก็ซื้อหมึกสดซื้อปูเป็นเข่งเอามาย่างกินอย่างมีความสุขปลาก็ไม่ชอบกินกินเหล้ากินเบียร์กันสนุกสนานเนยฮาชอบกินของทอดทอดกรอบๆนะผักนั้นไม่กินเลยต่อมาอายุเข้าห้าสิบเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงก็เป็นโรคไต ก็ต้องไปหาหมอไปทุกเดือนบางทีก็ออกอาการหน้ามืดทาทางย่ําแย่เลยอ่าก็ทําอยู่ได้พักหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายไม่ฟังใครละแถมบอกว่าคนเราเกิดมามันต้องตายกินก็ตายไม่กินก็ตายกินแล้วมีความสุขไม่ได้กินแล้วมีความทุกข์กูเลือกเอาความสุขดีกว่าว่าแล้วลุงเสก็สั่งให้ป้าจะซื้อของชอบมากินก็บอกว่าตายเป็นตายตายเร็วสบายเร็วเว้ยตายช้าลําบากมากทรมานนานว่างั้นใครพูดยังไงลุงเสก็ไม่ฟัง พอลุงเสเลิกเชื่อหมออยู่ต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานก็เส้นโลหิตในสมองแตกแล้วตายไปเลยคนเขาก็พูดกันว่าตายน่ะดีแล้วทำไมตายก็เป็นอมพรพึกอมรพาสนอนให้ลูกเมียป้อนข้าวหน้าอ น, นาจะตายไปอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านลุงเสจัดงานฉลองวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กเหมือนกับงานรวมญาติซื้อข้าวของมาทาอาหารกันก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีอาหารทะเลมาย่างกินกันหอยหมึกกุ้งปูอะไรพวกนี้ ซื้อมาพอประมาณไม่ได้ซื้อมามากมายมันตอนที่ลุงเสแกอยู่ย่างอาหารเงกลิ่นหอมตลบกินกันอย่างอร็ดอร่อยประมาณรัก3ามทุ่มเห็นจะได้ยูยูเขาไฟดับดับแต่ที่บ้านนี่ยบ้านข้างๆไม่ดับอะไปตรวจดูก็ไม่ได้มีอะไรขัดข้องไฟไม่ได้เป็นอะไรเลยเครื่องตัดไฟมันเพียงแต่ตัดไฟไปมันก็คงมีตรงไหนที่ช็อตเนื้อหาดูไม่พบ ก็สับสวิตก็สว่างใช้การได้เด็กๆก็ร้องเพลงคาราโอเกะสนุกกันต่อประมาณรักสิบนาทีเอาอีกแล้วเสียงที่ดังแจ้วแจ้วก็ดับหาทางแก้ไขสาเหตุกันไม่พบว่าเป็นอะไรก็ชักหมดสนุกแล้วแต่ยังไงเสียก็ไม่ยอมหยุดก็เลยแหกปากร้องกันสดๆและเคาะโน่นเคาะนี่ทำอย่างนั้นเพียงแป๊บเดียวป้ามุ้ยเมียลุงเสยอยูย่ๆก็ลุกพรวดพลาด ยืนตาขวางเลยผมมองเด็กๆยังไม่พอใจเด็กๆ ก, ก็เลยร้องเพลงกันเบาลงเพราะคิดว่าส่งเสียงกันดังมากเกินไปแต่ป้าปุ้ยก็ยังมองเลยสายตาไม่เป็นมิตรอยู่ทุกคนก็แปลกใจกันมากเพราะว่างานนี้ป้าปุ้ยก็จัดให้เด็กสนุกกันเต็มที่ตะกี้ป้าปุ้ยยังร้องเพลงดังลั่นสนุกอยู่กับเด็กๆ เ, เลยที่นี้แม่ของสมชายเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติก็ถามป้าปุ้ยว่ามีอะไรเหรอเด็กๆทําอะไรไม่ดีเหรอ ป้าปุ้ยนี่ชี้หน้าแม่คุณสมชายทันทีชี้หน้าเด็กๆ เ, เด็กเงียบกริบหมดจ้องมองสีหน้าท่าทางของป้าปุ้ยเงียบไป ห, หมดนะเงียบไป ห, หมดเลยกูนหัวคุ้ยเสียงที่ออกมาจากป้าปุ้ยฟังดูแปลกๆคล้ายๆเสียงลุงเสทุกคนตะลึงมองหน้ากันแม่ก็เดาออกนะพ่อก็พูดขึ้นว่าเด็กๆมันสนุกกันในปีเสวันเกิดน้องเจมัน พวกมึงสนุกกันไม่เรียกกูบังเลยมึงก็รู้ว่ากูชอบอาหารทะเลพวกเหล้าพวกเบียร์พ่อกับแม่กูสมชายต้องรีบยกมือไหว้ขอโทษเท่านั้นร่างปะปุ้ยกเสเกือบลม้มแม่ก็รีบเข้าไปประคองทันพอดีแล้วพอปะปุ้ยได้ตั้งสติพักหนึ่งก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่กูสมชายก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นแม่ก็รีบจัดอาหารปิ้งย่างต่างๆที่ลุงเสแกเคยชอบนี่ใส่ถ้วยวางในถาด เดี๋ยแล้วก็รินเบียร์ใส่แก้วไว้ตั้งให้บนเก้าอี้ห่างออกไปนอกชายคาป้าปุ้ยก็จุดธูปดอกหนึ่งขึ้นมาบอกเล่าเรียกดวงวิญญาณลุงเสมาร่วมดื่มกินร่วมสนุกด้วยอยู่ๆเครื่องเสียงก็ดังขึ้นมาดือด้อตอนที่มันดังลั่นขึ้นมาเฉยๆนะ่ะตกใจกันหมดเลยมองหน้ากันแล้วก็ปรบมือกันแม่ก็บอกให้ขอบคุณลุงเสเสียอ่าทุกคนก็ยกมือไหว้กราบขอบคุณลุงเสกันเซ่งแซ่ไปหมดแต่ว่าหนาวหนาวเสียวๆไข่สันหลังไปพร้อมๆกันด้วย นั่นเป็นเหตุการณ์แรกอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์ป้าปุ้ยทำบุญวันตายให้ลุงเสไปทำมณฑวัดจัดเตรียมข้าวปลาอาหารไปแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนต้มยำปลาช่อนอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างแต่เกิดไม่มีของทะเลที่ลุงเสแก่ชอบเลยไม่มีกุ้งหอยปูหมึกของโปรดของลุงเสได้เรื่องเลยตอนที่พระกำลังสวด กลิ่นเหม็นคลุ้งเหมือนกลิ่นหมาเน่ากลิ่นหึงเลยทำให้สมภารต้องบอกให้ไปช่วยกันดูสิว่าหมาหรือแมวมันแอบไปนอนตายที่ตรงไหนพวกเด็กวัดพวกคนที่อยู่รับใช้พระอีกสองสาคนก็ช่วยกันหาดูจนทั่วกลับมาบอกหลวงพ่อบอกไม่เจออะไรเลยแม้แต่หนูสักตัวก็ไม่มีแม่ก็ฉุกใจก็นึกได้กว่าส ก, กิดป้ปุ้ยเหตุท่าทางมันจะยังไงอยู่นะทำไมอ่ะก็พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าอ่ะลืมอะไร พูดถึงขนาดดีแม่คุณสมชายก็นึกป้าปุ๋ยจะนึกได้แต่แกไม่นึกอ่ะก็พี่เส๋เขาชอบอะไรแล้วกับข้าวมาทําบุญวันนี้ไม่มีกุ้งหอยหมึกปูอะไรเลยเออตายแล้วจริงด้วยนี่ลืมได้ยังไงกันนะนี่จะทํายังไงกันดีล่ะพี่รีบจุดธูปบอกเล่าเขาเลยก่อนที่จะมีอะไรมากกว่านี้ป้าก็รีบจุดธูปบอกเล่าขอโทษขอโพยดวงวิญญาณลุงเสทันที สักพักกลิ่นเหม็นก็จางหายไปหลังจากทําบุญเสร็จป้าปุ้ยก็ได้คุยกับหลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกเออเป็นอย่างนี้นี่เองดวงวิญญาณเขาคงจะไม่พอใจลุงเสตอนเป็นคนนี่ชอบกินอาหารทะเลตายไปแล้วก็ยังไม่เลิกชอบภายหลังไม่ว่าบ้านไหนในหมู่บ้านของคุณสมชยัยจัดงานอะไรก็ต้องมีอาหารทะเลแล้วก็ต้องจุดธูป บ, บอกเล่าเชิญดวงวิญญาณลุงเสมาร่วมด้วยทุกที ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องแปลกๆวันนี้เริ่มด้วยเรื่องของคุณสำรีคุณสำรีบอกว่าที่หมู่บ้านของแกมีบ้านหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่อาศัยมันน่ากลัวมากเลยเป็นบ้านไม้เก่าสุดโทมมากแล้ว เล่ากันว่าครอบครัวเนี่ยตายกันหมดบ้านเลยวันหนึ่งเพื่อนตัวแสบของคุณสําลีนี่เกิดบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เอยปากชวนคุณสําลีไปที่บ้านหลังนี้แกไม่อยากไปหรอกแต่ที่ต้องไปก็เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนยอมรับในตัวแกเพราะว่าพวกเพื่อนๆในกลุ่มมักจะว่าแกเป็นคนขี้ขลาดไม่กล้าไปกลางวันตอนบ่ายก็เลยไม่น่ากลัวมากนักก็ไปทั้งหมดสามคน งานนี้คุณสําลีก็เลยต้องทําเป็นกล้าเพื่อนสองคนก็นําหน้าเข้าไปก่อนอ่าแล้วก็แกก็ตามติดเข้าไปด้วยความเสียวสลังขาสั่นดิกเลยกลิ่นบ้านเก่านี่มันเหม็นรุนแรงมากบ้านปิดหน้าต่างเอาไว้มีแต่ช่องลมประตูก็ปิดงับเอาไว้เท่านั้นลมก็พัดเปิดบ้างปิดบ้างปุง้งปังปุง้งปังคุณสําลีก็ถามเพื่อนคนที่ชวนมาว่ามาบ้านนี้ต้องการอะไร เพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องการอะไรเพียงแต่ว่าอยากจะเห็นตรงที่เขาเล่ากันว่าห้าศพนี่แขวนคอห้อยต่องแต่งอยู่ก็คือบ้านตามข่าวว่าคนทั้งครอบครัวทั้งห้าคนห้าศพนี่ยยินยอมพร้อมใจกันตายตอนเกิดเหตุร้ายใหม่ๆเพราะค่ําเนี่ยไม่มีใครกล้าผ่านบ้านหลังเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าไปยืนกันอยู่กลางบ้านและดูเหูมันจะเห็นไม้ที่ขวางอยู่กลางเรือนในเบื้องสูง ก็คาดว่าคงจะต้องเป็นไม้คือยาวๆอันนั้นแน่เลยที่รับน้ําหนักคนตั้งห้าคนได้เพื่อนก็เห็นแล้วเพื่อนอีกคนก็เห็นแล้วอ่าเพราะว่าทั้งหมดพากันจ้องมองมันอยู่ๆเพื่อนคนที่ชื่อจี๊ดก็พูดจกเอ๊ะหนาวจังเว้ยกลับ เ, เพื่อนคนที่ชวนมาชื่อมิ้นก็บอกเดี๋ยวก่อนสิยังไม่สะใจเลยจี๊ดก็บอกว่างั้นกลับก่อนนะอ่าคุณสารีก็อยากจะกลับ คนหนาวเหมือนกันนะก็เลยชวนมิ้นว่ากลับเถอะเห็นแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วอ่ะแต่มิ้นก็กลับพูดบอกอยากจะดูในห้องจี๊ดบอกไม่ดูอ่ะกลับเพอะแล้วก็เดินกลับออกไปคุณสํารีเขาคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือตามจี๊ดออกไปเลยก็เลยตามไปส่วนมิ้นก็หันมามองอ่ามองแล้วก็พูดบอกพวกแกมันขี้ขลาดทั้งสองคนเลยขี้กลัวคุณสํารีกับจี๊ดออกมาพ้นบ้านแล้วโล่งใจแต่มิ้นกลับไม่ยอมตามมายังอยู่ในบ้าน คุณสำลีก็บอกจีดว่าอย่าเพิ่งกลับนาเดี๋ยวรอมิ้นออกมาก่อนแล้วเราก็รอกันอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนั่นแหละจีด น, น, น่าซีดมากเลยเหงื่อแตกพลักพลั ก, ลกท่าทางอย่าเป็นลมก็ถามจีดไปเลยอะ่ะไม่รู้หนาหนา ว, นาวร้อนร้อนนะบอกไม่ถูกมียา ด, ดมไหมไม่มีหรอกมันเรากลับก่อนนะเดี๋ยวซีอยู่เป็นเพื่อนกอันก่อนเออจะขืนกลับได้มิ้นก็ว้าวฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันหายใจไม่ค่อยออกอะ่ะมันยังไงมันบอกไม่ถูก เวียนหัวด้วยโอ้ยกลืนใส้ไม่เอาแล้วฉันกลับแล้วอยู่รอมิ้นคนเดียวเอะจีดเดินจากไปอ่าคุณสารีก็มองตามหลังจีดก็เห็นอะไรบางอย่างที่แสนจะประหลาดเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้เดินตามหลังจีดไปด้วยตัวใหญ่กว่าจีดในลักษณะเป็นเงาเง า, เงาบทบางร่างของจีดเลยละ่ะอ่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้แต่พอเพ่งมองร่างเงาใหญ่ๆนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว อยู่ๆสําลีก็ต้องหันกวับไปมองทางประตูบ้านเพราะว่ามิ้นกรีดเสียงร้องเสียงหลงออกมาจากในบ้านนึกว่าจะรีบวิ่งออกมาแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นอ้าวร้องอยู่ในบ้านนั่นแหละสําลีก็อยากจะเข้าไปดูแต่ก็ไม่กล้าอารีบวิ่งออกจากตรงนั้นไปที่บ้านของมิ้นไปบอกแม่ของมิ้นว่ามิ้นเข้าไปอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นแม่ของมิ้นกับ น, น้าชายก็พากันมาที่บ้านบุกเข้าไปส่วน สัมฤไม่กล้าได้แค่อยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเท่านั้นเองสองคนไปเจอมิ้นนอนสลบเมือดตัวเย็นชือดอยู่ที่ประตูห้องหนึ่งก็รีบอุ้มออกมาแล้วก็พาไปบ้านแต่มิ้นไม่ฟื้นก็พาไปโรงพยาบาสลสัมฤทก็นั่งรถกระบะคันนั้นไปด้วยเป็นรถของน้าชายน้าชายของมิ้นขับอย่างเร็วเลยอรีบร้อนจนเกือบจะไปชนกับรถเก๋งตรงเสียไฟแดงที่ตีนสะพานมิ้นไปฟื้นที่โรงพยาบาล ตื่นมาโดยที่จําไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจำอยังจําแม่ไม่ได้จําหน้าไม่ได้จําสําฤีเพื่อนรักยังจําไม่ได้เลยถามอะไรก็ไม่พูดได้แต่มองมองอย่างเลื่อนลอยแววตาไม่บ่งบอกว่ามีความทรงจําอะไรติดค้างอยู่ในหัวสมองเลยหมอก็บอกไม่เป็นไรเราตกใจช็อกหมดสติไปเท่านั้นแม่มิ้นก็เลยพากลับบ้านแล้วก็ตรงไปยังวัดเพื่อรดน้ำมนต์ไล่ผีเพราะเชื่อว่าผีเข้าสิงอยู่ในตัวมิ้น ไปกันที่วัดใกล้บ้านหลวงตาองค์นึงเป็นญาติจองครอบครัวของมิ้นนั่นแหละท่านก็ทําน้ำมนตร์รดให้มิ้นโดนน้ำมนต์ก็สะดุ้งเฮือกเฮือกร้องเสียงโหยหวนสําฤีธินี่นั่งมองตลอดอฟังตลอดว่ามิ้นจะพูดอะไรแต่มิ้นไม่ได้พูดอะแต่หมาวัดนี่มันกลับส่งเสียงเหา่าหอนกันที่ใต้ถุนกุตินี่แมววัดวิ่งกันพล่านเลยเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างพวกมันหายไปตามซอกลืบในพริบตาเดียว หันมองดูมินก็เห็นนั่งตาขวางอยู่อย่างคนที่กำลังโกรธแค้นหลวงตาก็มองดูแล้วก็ถามว่าโยมโยมเป็นใครกันเนี่ยฮะมาเข้าเก็ทำไมยี่นี่มันเสือกเสียงนะไม่ใช่เสียงมินอย่างแน่นอนอคุณสาลีบอกกล้ายืนยันมันเป็นเสียงห้าวห้าวของผู้ชายหลวงตาก็บอกว่าให้ออกไปเสียก็มีเสียงตอบว่าไม่ออกหลวงตาบอกว่าทำไมออกต้องโดนน้ามนต์อีก เขาก็บอกไม่กลัวน้ำมนก็ไม่กลัวหลวงตาทำน้ำมนราดรดลงไปอีกท่องคาถาเสียงดังไปฮะทีนี้มิ้นก็นอนกลิ้งบิดตัวเร้าเร้าอยู่บนพื้นหน้ากูเตท่านก็รดลงไปท่องคาถาไม่หยุดปากแล้วก็บอกให้ออกไปเสียจนร่างมิ้นเน่ยชักประตูร้องออกแล้วออกแล้วเสร็จแล้วมิ้นก็นั่นิ่งไปแม่ของมิ้นก็รีบประคองลูกสาวอ่าสําิีก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งกลัวผีจะเข้าตัว แล้วมินก็ค่อยๆได้สติขึ้นมาจําแม่ตัวเองได้จําหน้าได้จําหลวงตาได้แล้วก็จำำําสําฤีธได้มินเล่า ว, ว่าดูคือที่พวกนั้นผูกคอตายเสร็จแล้วก็ไปเปิดห้องหนึ่งดูเปิดผัวเข้าไปเห็นคนตายทั้งหมดเลยทั้งห้าคนในะยืนกันอยู่ในห้องอ่ะจ้องมองอยู่ตกใจช็อกไปเลยวันต่อมาแม่ของมินเนีต้องพามินไปขอขมาที่บ้านนั้นส่วนคุณสําฤีธิ์ก็โดนแม่บังคับให้ไปด้วย ไอ้จีติคนจับไข้ทั้งคืนต้องแข็งใจไปขอข ม, มาต่อดวงวิญญาณครอบครัวนั้นด้วยวิญญาณที่เข้าสิงมินเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาว่าน่าจะเป็นคนที่เป็นพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นครับนั่นก็เป็นเรื่องแปล ก, ปลกไอ้เรื่องพันนี้อย่าไปยุ่งยากเลยจะดีกว่านะครับ ที่จังหวัดนครปฐมครับห่างจากหมู่บ้านที่มีเรื่องมีราวเนี่ยไปประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรมีบ่อดินที่เจ้าของเขาขุดดินขายขุดสลึกมากเลยลึกมากจริงๆทีนี้มันนานหลายสิบปีมันก็ตื้นขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังลึกยิ่งกว่าหูเหวเพราะว่าขุดสลึกล้ำเหลือกำหนดทีเดียวไอ้ตอนที่ยังไม่มีน้ำมาดูน่ากลัวมากเลย มีคนเล่าว่ายืนอยู่ข้างบนมองลงไปจากปากบอ่อเห็นรถตักดินสีเหลืองคันเล็กนิดเดียวยังก็รถเด็กเล่นนี่ยมันสูงขนาดนั้นนะ น, นะที่นี้พอถึงหน้าน้ำน้ามันก็เต็มบึงแล้วต่อมาก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายที่ในบึงนั่นแหละเป็นการฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุเกี่ยวกับความรักแล้วก็บึงน้ำแห่งนี้ก็เป็นของพ้อหล่อนนั่นแหละ ครอบครัวนั้นมีลูกสองคนผู้ชายคนผู้หญิงคนแต่ว่าลูกชายออกจาเกเรไม่เอาเรื่องเอาราวที่นี้ลูกสาวลูกสาวพอเป็นสาวก็มีความงามมีความรักแต่กลับผิดหวังพยายามฆ่าตัวตายแต่พ่อช่วยได้ทุกทีและคนเป็นพ่อก็ปลอบลูกอย่างอ่อนโยนที่สุดจนกระทั่งลูกสาวทำใจได้ลูกสาวชื่อระพีระพีะพนเขต ขยาดผู้ชายมีทีท่าว่าจะไม่แต่งงานจนตายแต่แล้วคนเป็นพ่อก็คิดถึงทรัพย์สมบัติต่างๆนาน า, นาที่มีอยู่ก็อยากจะให้ลูกสาวแต่งงานจะได้มีลูกมีหลานก็พยายามมองหาผู้ชายที่เหมาะสมให้แก่ลูกสาวตัวเองแล้วก็ยังสอบถามลูกสาวอีกด้วยว่ า, าลูกอ่ะ น, นึกชอบใครบ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีมั่งไหมระพีก็สายหน้าบอกไม่มี อายุมากขึ้นเลยสามสิบแล้วเสร็จแล้วก็มีผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งอายุน้อยกว่าเธอเพิ่งจะยี่สิบห้าเขามาที่หมู่บ้านนี้มาอย่างบังเอิญมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่รู้จักกันระหว่างทางเป็นทหารเกณฑ์อ่าตอนนั้นอ่ะระหว่างที่เป็นทหารเกณฑ์รู้จักกันแล้วก็นึกชอบหมู่บ้านนี้อยู่มาอยู่นานเป็นเดือนเขาก็ช่วย บ้านเพื่อนทํางานที่ไร่ที่สวนแล้วก็ขออาศัยอยู่ด้วยเพราะาที่บ้านเขาจนไม่มีนาไม่มีไรอะไรอาศัยเพื่อนอยู่ไปพรางๆก่อนทีนี้ก็ปรากฏว่า บ, บ้านที่เขามาอาศัยอยู่นี่มาใกล้กับบ้านของระพีเนี่ยหล่อนก็เกิดนึกชอบเขาเพราะว่าได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วก็ได้รู้จักนิสัยใจคอของเขาแต่ความจริงมีอยู่ว่าดูเหมือนเขาไม่ได้นึกชอบหล่อนนะเขา อ, อาจจะคิดว่าคนละรุ่นกันก็ได้เขาโดนพี่ชายของระพีเนี่ย กันแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆเรียกเขาไอ้นั่นไอน้นี่แต่เขาก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรกระพีก็ยิ่งสงสารเขาพยายามใหม้เขารู้ว่าหล่อนมีใจให้เขานะแต่เขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหล่อนก็เกิดรักเขาฝังจิตฝังใจจนกระทั่งพ่อเนี่ยสังเกตเห็นรู้แน่ว่าลูกสาวของตัวน่ะรักผู้ชายคนนี้ซึ่งแกก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีเหมือนกัน พ่อของเธอก็อยากจะทำให้ฝันของลูกเนี่ยเป็นจริงแกดูความประพฤติของเขาเขาไม่ใช่คนอาจเอื้อมเขาเตรียมตัวทุกอย่างไม่เสวยโอกาสอะไรแกก็พยายามดูเขาว่าเขาจะมีใจกับลูกสาวแกบ้างหรือเปล่าดูไปดูมาก็เห็นวิ่แววว่าเขาอาจจะชอบแต่ไม่กล้าก็คงจะเกรงลูกชายจอมหาเรื่องของแกอยู่ด้วยแกก็ตกลงใจหาโอกาสเหมาะ เป็นก่ายเอ่ยปากกับผู้ชายคนนั้นเขาได้ยินก็ตกใจแต่พอแน่ใจว่าพ่อเธอไม่ได้พูดเล่นเขาก็สารภาพว่ามีใจกับเธออยู่เหมือนกันทีนี้พ่อก็คำชับอย่าให้บอกลูกสาวรู้ว่างั้นหลังจากนั้นก็เกิดเป็นความรักขึ้นก่อนนั้นเขาไม่อาจเอื้อม แต่พอพ่อของหล่อนมาพูดเหมือนกับเปิดทางที่นี่เขาก็รักหล่อนแอบไปคุยกันริมบึงพ่อก็ไม่ว่าก็ให้ศึกษาดูใจกันทั้งสองสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะพ่อเปิดโอกาสให้อย่างเต็มที่แต่ว่าพี่ชายของหล่อนสิไม่พอใจหาเรื่องเขาพยายามฆ่าเขาเขาป้องกันตัวแล้วก็หนีหนีก็ยังจะตามฆ่าเขาให้ได้หาว่าเขาจะเด็ดดอกฟ้าว่าอย่างนั้น เขาจวนตัวก็หนีขึ้นต้นไม้พี่ชายตามไม่ลดละบ้าคลั่งเขากระโดดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นที่อยู่ใกล้ๆทำเหมือนลิงพี่ชายหล่อนก็ทำตามแต่เขาเมาแล้วก็ไม่ชำนาญจากเหตุนี้ทำให้พี่ชายของเธอตกลงมาตายอุบัติเหตุร่างพุ่งเอาหัวลงคอหักตายผู้เป็นพ่อเสียลูกชายไปแกแค้นใจ ก็ทำให้กลายเป็นคนเพี้ยนเพียนขาดเหตุผลทีนี้จากที่เคยสนับสนุนก็มาขัดขวางต่างๆนานาลูกสาวก็พยายามหนีตามเขาหลายหนพ่อก็ตามทันแล้วก็เอาตัวกลับบ้านหล่อนก็เสียใจมากผิดหวังมากจนไม่เสียดายชีวิตเช้าวันหนึ่งมีคนพบระพีเป็นศพอยู่ในบึง คนเป็นพ่อเมื่อเห็นศพลูกสาวก็เกิดหมดอะไรตายอยากทอดทิ้งทุกอย่างสวนกลายเป็นป่ายิ่งเวลาผ่านไปแกก็ยิ่งร่วงโรยซุดโสมแกงอมป่วยไข้ก็ไม่ไปหาหมอแกเพี้ยนไปมากบ้านแกกลายเป็นที่ต้องห้ามแกไม่ยอมให้ใครเข้าเขตบ้านแกมีข่าวลือไร้ไร้ใครแปลกหน้าเข้าไปถ้าเป็นคนต่างถิ่นแกจะฆ่าหมกหวังดินให้หมดจะว่า้น ตัวแกเองตายไม่มีใครรู้จนศพเน่าแห้งคาบ้านหลังจากนั้นบ้านก็ร้างสวนก็ร้างแม้แต่บึงน้ำก็นากลัวเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันคล้ายๆเป็นตำนานต่อมาภายหลังสาวๆที่ผิดหวังความรักหรือคนที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ก็จะไปกระโดดน้ำตายกันที่บึงที่ว่านียมีอยู่หลายคนทีเดียวสาวๆบางคนก็โดนฆ่า อ่าข่าแล้วก็ไปอัมพรางทิ้งบึงมันก็เลยน่ากลัวมากชาวบ้านกลัวกันถึงกับห้ามลูกหลานไม่ให้ไปที่บึงแล้วก็เรื่องหน่าแปลกก็เกิดขึ้นว่าทุกปีจะต้องมีคนตายที่นั่นอย่างน้อยก็หนึ่งศพพอถึงปีที่แห้งแล้งก็ขาดแคลนน้ากินน้ําใช้แต่ในบึงก็ยังมีน้ําเยอะมากชาวบ้านก็ไปตักน้ํามาใช้พากันไปอาบน้ําที่นั่นด้วยโดยตักน้ํามาอาบข้างบนไม่มีใครกล้าลงไปในบึงอะ่ะ เพราะว่าลือกันว่าในบึงมันมีผีแต่ผีบึงมันจะดึงขาพ า, พาดำดิ่งจมน้ำตายว่างั้นไม่ในบึงใหญ่ในมีพืชน้ำหลายชนิดบัวก็มีมีหลายพันธุ์ออกดอกสีขาวขาวม่วงม่วงก็มีสาร่ายจอกก็มีแหนก็มีแล้วก็ยังจะมีพืชอื่นๆอีกเยอะกระจัดกระจายอยู่ทั่วบึงกว้างที่ว่านีย บางทีก็มีคนได้ยินเสียงดังเหมือนปลาตัวใหญ่ฮุบเหยื่อดังผงผางแต่พอเหลียวมองดูกลับพบว่าผิวน้ําในบึงนี่นิ่งสนิทนะไม่เห็นจะมีคลื่นน้ํากระเพื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวนั้นหมายความว่ายังไงกันนอกจากนั้นก็ยังมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดรุ่ร้าวหรือว่าได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักมันก็เช่นเดียวกันที่หาตัวตนคนส่งเสียงไม่เจอ มีแต่เสียงเท่านั้นเองครั้นคนหาต้นตอของเสียงจริงจรงจังๆังก็งไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนอยู่แถวนั้นเลยนี่ก็เป็นเหตุให้เชื่อกันฝังลึกว่าเป็นเสียงผีไม่แต่เสียงร้องโหยหวนไม่แต่เสียงร้องไห้ก็มีคนได้ยินกันมาแล้วมันก็อย่างเดียวกันอีกและที่มีแต่เสียงแต่ไม่มีเจ้าของตาคนหนึ่งไปหาปลาที่บึงแกเห็นว่าค่าแล้วแกก็รีบกลับ เหลือบไปเห็นดวงไฟสีเขียวเรืองๆล อ, อยเรี่ยผิวน้ำอยู่แกก็จ้องมองตาค้างจ้องมองอยู่นานดวงไฟนั้นก็ลอยวนเวียนไปมาก่อนที่จะหายวูบไปเหมือนก็หล่นลงในน้าแล้วก็หายไปใต้ผืนน้าในบึงนั่นแหละแกสะดุง้งโหยงได้สติทันทีรีบจำอ้าวอ้าวกลับบ้านไม่ว่าแกจะเล่าให้ใครฟังส่วนใหญ่เขาคงว่านั่นคงจะเป็นดวงวิญญาณน้องคนตายในบึง ที่ยังวนเวียนไม่ได้ไปผูดไปเกิดก็ทําให้แกนึกกลัวเคยไปหาปลาที่บึงก็ต้องตัดใจแล้วทีนี้เปลี่ยนไปหาที่อื่นแกยังไม่อยากจับไข้หัวโขนเนี่ยไม่อยากเสี่ยงกับผีมีอีกคนได้ยินเสียงกระซิบกระซาบเป็นเสียงผู้หญิงแกพยายามหาดูเพื่อจะได้สิ้นสงสัยสัทีแกคิดว่าเจ้าของเสียงคงจะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเมื่อแกไม่เห็นใครใจก็เสียสิ รีบห่อผักบุ้งสายบัวที่เก็บเอามาจากบึงจำอ้าวอ้าวกลับบ้านขนาดว่ารีบออกจากที่นั่นแล้วก็ยังไม่ไวายรู้สึกว่ามีสายตามมองตามหลังมาแกเลียวไปก็ไม่เห็นจะมีใครสักคนเลยมองอยู่ป้าคนหนึ่งเคยเจอกับตัวเองวันนั้นแกไปที่บึงอดอยากไม่มีปลากินก็ไปตกปลาจะเอามาต้มยำทำแกงไปตอนบ่ายมากแล้วก็นั่งตกปลาไปก็ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียว ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บ่นกับตัวเองว่าทำไมปลามันหายไปไหนกันหมดแล้วก็เอ่ยตอบไปว่าขอสักตัวสองตัวจะเอาไปขโขลกกระเบือแกงส้มเท่านั้นเองฉับพลันแกก็ได้ยินเสียงปลาฮุบผงผางอยู่ทางด้านหนึ่งของบึงแกก็มองไปก็เห็นว่าน้ำแถวนั้นมันป่วนมันก็มีปลายักษ์กำลังว่ายวนไปวนมาก็ทำให้แกตกใจ แต่ด้วยความอยากรู้แกก็ลุกขึ้นยืนมองก็ยังเห็นไม่ถนัดก็เดินเข้าไปดูเข้าไปใก ล, ใกล้ๆว่าเห็นน้ำมันปวนจอกแหนหมุนวนแล้วอยู่ๆก็เหมือนปลาใหญ่หูโผงน้ำกระจายกระเด็นมาใส่หน้าแกเลยอ่ะแกตกใจขวัญหนีดีพอเพ่นหนีลืมไปเลยว่าตัวเองอายุมากแล้วแก ว, วิ่งยังกระเด็กเลยจากที่แกเอามาเล่าในตอนหลังนี่หลังจากที่แกค่อยังชัว่วจากเสียขวัญแล้วก็คือ ตอนที่เหมือนกับปลายักษ์ฮุบผงนั่นน่ะสิ่งที่แกเห็นมันไม่ใช่ปลาแกเห็นเป็นผู้หญิงโผล่หัวเห็นเส้นผมยาวดำดำแล้วก็เห็นใบหน้าของผู้หญิงสาวคนนั้นด้วยโผล่ขึ้นมาเหมือนกับหนังเงือดวงตาทั้งสองจ้องมองแกแล้วเป็นดวงตาที่เบิกพโพลงโอ้ยผีเออนั่นก็เป็นเรื่อง แ, แปลกๆของบึงประหลาดอีกที่หนึ่งอยู่จังหวัด นันรข่มครับยังเล่ารือกันมาจนกระทั่งถึงวันนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องขุมทรัพย์กระปุกตั้งฉายอ่าให้เรื่องขุมทรัพย์ลายแทงสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อถือกันเขาจะค้นหาปริศนาลายแทงตีความหมายในลายแทงพอตีออกก็จะไปขุดกันได้บ้างไม่ได้บ้าง บางคนก็ถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีเพราะว่าเขาไม่ให้อ่าเขาหลอกเอาบางคนก็ขุดไปเจอแล้วแต่ว่าเอาไม่ได้กลายเป็นน้ําท่วมต้องไหว้น้ําหนีกันที่ไหนได้ไปไหว้บกไหว้แห้งอยู่บนแห้งนแหละหน้าอกหน้าใจทะเลอกปอกเปิดกกันอยู่ตรงนั้นแหละไอ้เรื่องขุมทรัพย์เนี่ยอ่าเคยได้ยินอ่าคุณทวีเล่าให้ฟังแกฟังมาจากยายทวดอีกทีนึง ยายทวดเล่าว่ามีตาคนหนึ่งมีลูกมีเมียแล้วฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะมีกินสักเท่าไหร่นิสัยใจคอก็ค่อนข้างดีแต่อย่างว่านัา่นแหละคนเราลงไม่ค่อยมีเงินมีทองกับเขาก็มักจะเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเป็นที่ตั้งอยู่สักหน่อยก็เพร า, าตั้งมันไม่ค่อยมีนี่อ่ามีโอกาสจะเอาอะไรได้มันก็จะเอาแต่อย่าว่าแต่คนจนหรือคนรวยมากขนาดไหนแล้วแต่มันก็แสนจะงกก็มีถมถืดหาทํายาไม่ยาก แต่สำหรับตาคนที่ว่าเนี่ยแกไม่ค่อยจะมีกินแกต้องเป็นคนที่อยากได้ใคร่ดีอยู่แล้วแกนอนหลับฝันไปว่ามีคนแกนวดขาวมาบอกว่าอยากรวยก็ให้ไปขุดกลุมทรัพย์แหวนทองของมีค่าอยู่ในกระปุกตั้งชายอยากได้ก็ไปขุดเอาอยู่ที่สวนกล้วยหลังหมู่บ้านแต่มันเป็นที่ดินน้องคนอื่นถ้าอยากได้เองไปนะไปขุดเอาอยู่ตรงเราอ่างต้นกล้วยสามต้นน่ะลูกเอ้ย มันอยู่ตรงกลางใกล้ๆกันมีต้นตาลตัวผู้ต้นหนึ่งขุดลงไปแล้วเจอเจอกระปุกตั้งชายมันอยู่ในกระปุกนั่นแหละเอ็งต้องไปคนเดียวนะอย่าบอกให้ใครรู้เป็นอันขาดลูกเมียรู้ไม่ได้เลยไม่ว่าใครก็รู้ไม่ได้เอามีดไปด้วยนะแล้วใช้มีดนั่นแหละขุดอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกจำได้หรือเปล่าฆ่าเอ็งทั้งหมดนั่นแหละ แต่ต้องไปตอนเที่ยงคืนนะอย่าไปกลางวันด้กยว่าตอนค่ำเป็นอันขาดมันจะไม่ได้อะไรเลยแต่คนนั้นก็สะดุ้งตื่นแต่ความฝันนี่ยังแจ่มชัดอยู่แต่แกก็ไม่บอกให้ใครรู้สักคนนะทำตามที่ตาแก่หนวดขาวบอกทุกอย่างแกไปสารวจดูว่ามีต้นตาลตัวผู้อยู่ที่สวนกล้วยตะเลี่ยมจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าแกไปเห็นต้นตาลที่วาดมีอยู่จริงก็เดินเรื่อยๆ เ, เข้าไป ก็เห็นต้นกล้วยสามต้นอยู่ใกล้ต้นตาล น, นั้นจริงอย่างในความวันก็ยิ่งดีใจแกรีบกลับบ้านมาตระเตรียมมีดเอาไว้ไปตอนเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนก็หลบออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังที่หมายพร้อมกับมีดที่จะใช้ขุดแทนเสียมเมื่อไปถึงก็ลงมือขุดอย่างไม่รอช้าพเพราะว่าอยากจะได้ทรัพย์เต็มแก่แล้วขุดลงไปเรื่อยๆพักหนึ่งก็ไปกระทบกับอะไรเข้าบางอย่างเสียงดังกักแกก็หยุดชะงะักเอามือคุยๆไม่เห็นอะไรก็ขุดต่อไป ไม่นานนะักก็เจอกับสิ่งหนึ่งปรากฏว่าเป็นกระปุกตั้งชายนั่นเนี่ยเหมือนกับที่ตาแก่หนวดขาวอแกบอกเอาไว้แกก็รีบขุดรอบๆกระปุกแล้วจะได้หยิบมันขึ้นมาแต่ขุดรอบแล้วก็ยังหยิบกระปุกไม่ขึ้นมันติดอะไรอยู่สักอย่างด้วยความอยากรู้ว่าในกระปุกมีอะไรก็เลยเปิดฝาที่ปิดอยู่พอเปิดฝาแกก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากกระปุกเออร้องเออทีเดียแล้วก็เงียบไป แกก็ยังไม่ทันจะทําอะไรอย่างอื่นกระปุกใบนั้นก็ถูกดันขึ้นมาจากดินรวดแกก็ตกใจพะงะหงายทองเลยสิ่งที่ดันกระปุกตั้งชายขึ้นมานั้นมันเป็นผีตัวหนึง่งมันเอากระปุกเทินไว้บนหัวแล้วโผลรวดขึ้นมาผีตัวนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็ตะแกรงหนวดขาวที่ไปบอกในฝันนั่นแหละโผล่หน้ามาให้เห็นเนี่ยดวงตาแข็งทู่หน้าเขียวเนาะเอาแล้วทีนี้แกอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งลูกเดียววิ่งจนถึงบ้าน ขึ้นบ้านทั้งที่ดินเต็มเนื้อเต็มตัวนั่นแหละพรวดจ็ไปในมุ้งที่เมียกําลังนอนสบายอารมณ์เมียไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผัวไปทําอะไรแล้วทําไมถึงมีสภาพอย่างนั้นแกเป็นบ้าเป็นบอไปเลยพูดจาไม่รู้เรื่องจับต้นชนปลายไม่ถูกพร่ำแต่ว่ากลัวกลัวอยู่ท่าเดี๋ยวยกมือไหว้ประหลอกประหลอกไม่เอาแล้วกลัวแล้วเมียถามว่าแกไปทําอะไรมาเพราะว่าเวลาที่มีสติเนีแกก็เล่าให้ฟังแต่ว่าต้องปฏิบัติต่อเอาเอง จนรู้ความจริงว่าคืนนั้นนะแกไปทําอะไรมาที่สวนกล้วยขนาดว่ามีคนเป็นบ้าเป็นบอก็กยังมีคนอยากจะได้ทรัพย์ในกระปุกตั้งฉายนะอ่ามีคนตามไปขุดอีกแต่ก็ไม่เจออะไรเลยอย่าไว้ใจผีนะครับอย่าไปเชื่อไม่ว่าคนว่าผีเชื่ อ, อยากนะนะั้นนั้นระวังตัวเอาไว้ดีที่สุดอย่านึกว่าเขาจะให้อะไรง่ายๆอ่ะเขาก็ต้องหวังสิ่งตอบแทนนะไม่ก็ต้องหลอกเราเล่นเป็นสนุกอย่างผีกระปุกตั้งฉายที่ว่านะครับ มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับท่านผู้ฟังยังจำเหตุการณ์ที่เด็กหญิงคนหนึ่งอายุแค่12ขวบถูกจับเชือดคอจนตายอนาถหน้าสยดสยองที่ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเมื่อหลายปีก่อนได้ไหมครับต อ, อตอนนั้นตำรวจเขา รุไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณรอบๆ บ, บ้านมีโต๊ะพร้อมกับเครื่องเส้นไหวสำหรับทําพิธีกรรมทางาศาสนาตามความเชื่อปรากฏว่ามีเส้นผมแช่น้ำอยู่ในกละมังมีทีโต้เปื้อนเลือดกระตกอยู่แถวนั้นส่วนบนบ้านนะ่ะตำรวจพบผู้หญิงสี่คนชื่อนางสาวจรินนางสาวอ่านางอันนงนางกัญจนานางบัวสี่คนนี่อายุ ตั้งแต่สามสิบเสร็จไปจนกระทั่งถึงคนแก่ที่สุดนนะ่ะก็คือนางบัวเนี่ยอายุหกสิบแปดปีแล้วทันทีที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบทั้งสี่คนก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟันตำรวจตำรวจต้องนำกำลังเขาจับกุมมันวุ่นวายเล่นเอาเงือตกไปตามตามกันจากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุน่ะเป็นของนางการนา ซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงประพัสอรที่ถูกฆ่าตายส่วนนางบัวนะก็เป็นยายและอีกสองคนนันก็เป็นน้าสาวของเด็กหญิงที่ตายแล้วก็ยังเป็นร่างทรงเจ้าอีกด้วยทั้งสี่คนมีอาการทางสมองโดยนางกัญจนาให้การวกไปวนมาคล้ายๆอาการคนสติไม่ดีว่าก่อนเกิดเหตุได้ร่วมกันทำพิธีทรงเจ้า แล้วก็สั่งให้นางอนงน้องสาวไปตัดมะพร้าวในสวนข้างบ้านให้หมดสวนเลยจากนั้นให้ฆ่าลูกสาวทิ้งเพื่อจะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณไปอยู่กับพระอินทร์ตามความเชื่อของลัทธิเพราะเชื่อว่าลูกสาวนำความชั่วร้ายติดตัวมาก็ต้องฆ่าทิ้งหลังจากทั้งแม่ทั้งนาทั้งยายรวมตัวกันครั่งลัทธิก็ทำการเชื่อคอเด็กหญิงประพาสส่งวิญญาณเด็กไปบูชายัญให้ไปเฝ้าพระอินทร์นะ หลังจากเอสยองผ่านไปก็ทำให้ประชาชนค้างขาดใจว่าทำไมชีวิตน้อยๆของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเส้นสองเวรลัทธิอุบาทแปรแปลกๆแบบนี้ที่ผ่านมาแพทย์เขาเคยอธิบายไว้ว่าการฆ่าตัวตายเกี่ยวข้องกับการคลั่งลัทธิเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะความเชื่อที่ฝังแน่นโดยไม่มีพื้นฐานบนความจริงหรือที่เรียกว่าอาการหลงผิดซึ่งจะพบในคนโรคเป็นคนโรคจิต ซึ่งจะพบในคนเป็นโรคจิตเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาการหลงผิดมีได้หลายรูปแบบอาทิเช่นหลงผิดว่ามีคนปองร้ายหลงผิดว่าตัวเองมีความสามารถเกินความเป็นจริงหลงผิดทางร่างกายส่วนอาการหลงผิดที่พบในกลุ่มคนฆ่าตัวตายหมู่นั้นมีลักษณะว่าผูกเป็นเรื่องราวอย่างเป็นระบบ ในสังคมไทยปัจจุบันความเชื่อความงมงายได้เกิดขึ้นในคนบางกลุ่มบางครั้งมีการฆ่าตัวตายหมู่เพราะผู้ชักนำทำให้ผู้อื่นเกิดอาการหลงผิดตามแล้วก็ผู้นำชนิดนี้มักจะต้องมีลักษณะพิเศษที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาสามารถทำให้ผู้ตามนี่ทำตามเกือบทุกอย่างโดยถูกผู้ชักนาให้เกิดหลงผิดอ่า คนตามนี้มักจะมีบุคลิกภาพที่อ่อนแอเพราะว่าเกิดจากการขาดความอบอุ่นขาดที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหมอเขาก็แนะนำเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเป็นโรคจิตเอาไว้ว่าหนึ่งให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดความผิดปกติของสมองเช่นงดสุราไม่เสพยาเสพติดระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบกับศีรษะแล้วก็ ควรจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สองดูแลสุขภาพไปแข็งแรงเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อที่อาจจะลุกลามไปถึงสมองสามผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวันทำจิตใจให้สงบแล้วก็พัฒนาจิตใจสี่ปรับพื้นฐานความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อให้เกิดความอบอุนเลี้ยงดูลูกอย่างเสมอต้นเสมอปลายและห้า คนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตนี่จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยที่กำลังเป็นโดยจะต้องไม่รังเกยียจแล้วก็ไม่ซ้ำเติมแต่ให้ความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจการใช้คำพูดเยียดหยามอาทิเช่นไปดา่าเขาว่าไอ้โรคจิตเป็นคำที่ไม่ควรใช้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอด และอาจารย์กำมลวันเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ